เสียงงานหนังสือภัยแห่งพระพุทธศาสนาความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคนสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่23าแนะนำเนื้อหาโดยผู้บันทึกเสียงสิ่งสำคัญที่สุดที่ชาวพุทธควรใส่ใจนอกจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมหรือด้านปริยัตและปฏิบัติแล้วก็ควรพ่วงการเผยแผ่ธรรม เป็นการให้อันสูงสุดที่ชนะการให้ทั้งปวงไว้ด้วยเพราะได้ผลดีหลายอย่างโดยเป็นสิ่งทรงเสริมให้เราก้าวหน้า ท, าทัา้งธรรมเรบเร็วขึ้นทั้งชาตินี้และชาติหน้าตามหลักกรรมที่ว่าผู้ให้ปัญญายอมได้ปัญญาแต่ก็ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับและยังเป็นการส่งเคราะห์คนรุ่นหลังให้ได้เจอทางอันประเสริฐ ส, สูงสุดในชีวิตที่พาพวกเขาพ้นทุกข์ได้จริง คือเป็นการตอบแทนพระคุณพระศาสดาอีกด้านหนึ่งด้วยรักษาพระธรรมคำสอนและพระศาสนาไว้ให้ดารงคงมั่นและสืบต่ออย่างถูกต้องให้ยาวนานที่สุดเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะมีข้อมูลหลายด้านที่ชาวพุทธทุกคนควรศึกษาอย่างยิ่งเพื่อรู้ให้ทันทั้งภัยภายในและภายนอกที่กำลังก่อนทาลายทั้งทางตรงและทางอ้อม ในที่นี้ท่านอธิบายหลายแง่มุมที่เราควรรู้ทันเพื่อร่วมกันรักษาพระศาสนาและเพื่อการนับถือศาสนาได้อย่างถูกต้องให้อยู่ในทางสายกลางไม่สุดตรงมีแนวทางการวางใจและการแก้ไขอย่างไรให้เหมาะสมถูกทมซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมต่อไปนะครับหลายคนเห็นแต่ข่าวเช้าก็ออกด่าและรู้สึกเสื่อมศรัทธา แต่ไม่เคยคิดศึกษาจริงจังเพื่อความเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมให้สมดุลไม่คิดจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขหรือปกป้องแบบถูกวิธีกันอย่างจริงจังแล้วก็พากันท้อพากันบนต่อไปหวังจะให้คนอื่นมาแก้ไขความจริงทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ตัวเองด้วยแม้จะดูว่ามีผลไม่มากแต่ถ้าทุกคนพร้อมใจกันลงมือทาเมื่อร่วมกันมันก็กลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ อย่างน้อยก็ช่วยส่งเสริมศรัทธาและปัญญาให้ตัวเองและคนรอบตัวได้ดีมากขึ้นสมดังชื่อหนังสือที่ท่านหวังให้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคนเนื้อหาในหนังสือนี้จะครอบคลุมหลายด้านและมีเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าภัยใหญ่อย่างการที่มีบางศาสนาทำอยู่นั้นมีมากกว่าที่คิดแค่ไหนและชี้ให้เห็นอีกว่าในบางเรื่อง แม้ในแวดวงศาสนาเองก็ยังมองเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงขั้นหาว่ายึดติดกับสมมุติบัญญัติและอื่นๆแต่ความจริงร้ายแรงกว่าที่คิดมากอย่างไรทั้งนี้ท่านแสดงข้อมูลไม่ใช่เพื่อโจมตีหรือเพื่อสร้างความบาดหมางแต่เราควรรู้ทันรู้เขารู้เราให้รอบด้านเพื่อวางแผนหรือปรับปรุงแก้ไขหรือปกป้องพระศาสนาได้แบบถูกทางและถูกทำอย่างดีที่สุดต่อไปนะครับ หนังสือส่วนใหญ่จะเป็นการถอดความมาจากเทศนาของสมเด็จท่านซึ่งมักจะมีวิดีโอที่ท่านแสดงโดยตรงและมีชื่อเรื่องตรงกับหนังสือเผยแพร่อยู่ในสื่อออนไลน์แต่ในหนังสือที่จัดพิมพ์เผยแพร่ภายหลังนั้นจะมีเนื้อหาพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกพอสมควรเช่นเพิ่มคําอธิบายคําแปลหรือเพิ่มบทความที่เกี่ยวข้องเข้าไปท่านที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดสามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf ของหนังสือทั้งหมดได้ฟรี ที่เว็บไซต์ของวัดยานเวสกวันสำหรับเวอร์ชั่นเสียงอ่านชุดนี้เป็นการจัดทาโดยชมรมผลดีที่อยากร่วมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โจ c h o n e t และยูทู e ช่องโจโฉเสียงธรรมเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวัดนะครับหัวข้อที่สำคัญภายในตอนที่1ภัยภายนอกศา ส, สนาอื่นมีนโยบายต่อการทาลายหรือบิดเบือนคำสอนในพุทธอย่างไร จะร่วมแก้ไขจะวางใจและปฏิบัติต่อกันอย่างไรให้เกิดประโยชน์ได้จริงตอนที่สองภัยภายในการไม่รักษาพระวินยัยการไม่เข้าใจพระธรรมคำสอนการหวังพึ่งแต่สิ่งภายนอกการวางอุเบกขาแบบผิดทางการรักษาพระพุทธศาสนาที่แท้คืออย่างไรหลักวินิจฉัยการรักษาพระไตรปิฎกพรบบส่์ต้องเป็นฐานรองรับธรรมวินัยอย่างไร ปัญหาเรื่องศาสนทายาทและความรู้ในการนำมาพัฒนาในการนับถือศาสนาของคนตอนที่สปัญหาถามตอบในช่วงท้ายของการเสวนาเกี่ยวกับการร่วมมือกันรักษาพระศาสนาตอนที่4บทความพิเศษแถมท้ายเรื่องจริงในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับลัทธิล่าเมืองขึ้นผนวกการเผยแพร่ศาสนาตั้งแต่สมัยพระนารฬิจนถึงปัจจุบัน สงครามศาสนาระหว่างนิกายในยุโรปการหนีภัยจากศาสนาไปสร้างประเทศใหม่รากเงาแห่งชาติของอเมริกาที่มีผลต่อนโยบายทางศาสนาซึ่งคนไทยมักรู้แค่ผิวเผินและอยากเอาอย่างโดยขาดความเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงทั้งหมดจะทําให้เห็นภาพรวมที่จะทําให้เข้าใจและนํามาปรับใช้เกี่ยวกับการนับถือและรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนอย่างถูกต้องตรงธรรมต่อไป เสียงงานโดยอริยคุณร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักภัยสารเตชาวลีกุลครอบครัวเอียมวงศรสรินยาอริยชาติพดุงกิจเจ้าภาพรองพรมรศสีและจุลารัดเพชรกลมครอบครัรวทาวรหิรันเจริญครอบครัวขาหาสุวรรณนิชามาโสภาอนนกทษาสุดาพรตงสิริสุภกิจนิมมานรเทพร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่อง ขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปนะครับสัภะธานังธรรมะานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงภัยแห่งพระพุทธศาสนาความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคนสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่23สาม บันทึกในการพิมพ์ปีที่10หนังสือเล่มนี้เกิดจากการพูดครั้งหนึ่งนานมาแล้วและมีชื่อเดิมตามปฏิกถาที่ได้รับนิมนต์ให้พูดนั้นว่าภายแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยหลังจากพูดไปในวันนั้นผ่านไป9ก้าวันคือ11กันยายนพุทธศักราชสอ4พได้มีข่าวใหญ่ของโลกคือผู้ก่ อ, อ ก, การร้ายขับเครื่องบินชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตที่เมืองนิวยอร์ก แต่ที่จริงตั้งแต่ต้นปี2544นั้นมีข่าวร้ายโด่งดังมาตลอดคือความรุนแรงของพวกตาลีบันโดยเฉพาะการทำลายพระพุทธรูปใหญ่สององค์ที่เมืองพามิยานเหตุการณ์ร้ายเหล่านี้คงทำชาวพุทธตื่นตัวขึ้นมาต่อภัยเกี่ยวกับศาสนาจึงมีการสนใจพิจารณาพูดจา ก, กันในเรื่องนี้บัดนี้นับจากพูดครั้งนั้นเวลาผ่านมาจะขึ้นปีที่สิบ ในพุทธศักราช 2,554 ได้ตกลงปรับขยายชื่อหนังสือว่าภายแห่งพระพุทธศาสนาความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคนทั้งนี้แม้ชื่อจะยาวมากแต่ก็จะสื่อสาระและความมุ่งหมายให้ชัดขึ้นพร้อมทั้งปรับเติมถ้อยคำและข้อความบางแห่งให้กระชับความที่มุ่งหมายหวังว่า มนุษย์จะเตือนรู้ขึ้นมาพัฒนาการนับถือศาสนาของตนให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรและเกื้อกูลต่อกันดังที่มุ่งหมายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุตโตซึ่งขณะนั้นทรงดำรงสมณศักดิ์พระพรหมกุณาภรณ์28ดธันวาคมพุทธศักราชสอ5พหกล่าวนำ โดยประธานการเสวนานายแพทย์สมพลปุญญคุกขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าและท่านผู้เข้าร่วมเสวนาราสาพุทธในครั้งที่สชมรมพุทธศาสนาโรงพยาบาลวิชา ย, ยุทธรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและยินดีอย่างมากที่ในการเสวนาครั้งนี้พระคุณเจ้าพระธรรมปิดกแห่งวัดญาณเวศกวันในที่นี้คือสมณศักดิ์สมัยนั้นนะครับ ได้เมตตามานําเสวนาในหัวข้อเรื่องภายแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งยิ่งแก่ชาวพุทธทุกคนทั้งที่มาในวันนี้และที่จะได้อ่านหรือฟังเทปที่บันทึกจากรายการในครั้งนี้คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแนะนำพระคุณเจ้าเพราะทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วคงได้เคยอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งของท่านเพราะว่าพระคุณเจ้ามีชื่อเสียงระดับโลก แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อใดก็ตามที่จะมีผู้เบี่ยงเบนพระธรรมคําสอนไม่ว่าองค์กร น, นั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดพระคุณเจ้าจะออกมาเป็นผู้ชี้ความถูกต้องอย่างโดดเด่นและโดดเดี่ยวแต่อยากจะขอกราบเรียนว่าอย่างน้อยมีพวกเราชาวพุทธที่อยู่ร่วมกับท่านเสมอผมขอเรียนทุกท่านว่าท่านพระคุณเจ้าสุขภาพไม่ค่อยสู้แข็งแรงนัก ไม่ได้บรรยายในที่ใดมาเป็นเวลาสามปีกว่าแล้วทุกท่านจึงโชคดีมากที่จะได้ฟังการบรรยายในวันนี้ก่อนการเสวนาผมขอทำสิ่งที่เป็นรูปแบบของเสวนาก่อนคือสรุปผลของการเสวนาในครั้งที่แล้วและเสนอข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรอบเดือนที่ผ่านมาสำหรับในการเสวนาครั้งที่สองในหัวข้อเรื่อง การศึกษาพุทธธรรมในเด็กเล็กและเยาวชนเพราะเราเห็นว่าการอบรมเพื่อสร้างเด็กจะต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลซึ่งหลังจากที่เราได้เสวนากันในวันรุ่งขึ้นในวันที่6สิงหาคม2 5 4หสก็ได้ข่าวว่าท่านนายกทักษิณและรัฐมนตรีศึกษาธิการได้ให้ความเห็นว่าหลักสูตรบังคับ12ปีควรจะเริ่มตั้งแต่อนุบาลแทนที่จะเป็นปหนึ่ง ซึ่งถึงแม้จะมีเสียงคัดค้านจากหลายท่านแต่ก็คงจะต้องดูต่อไปว่าจะออกมาเป็นอย่างไรในการเสวนาครั้งที่สองของเรานั้นได้รับความกรุณาจากอาจารย์ประภาพัฒนิยมจากโรงเรียนอนุบาลรุ่งอรุณและคุณครูอนินทิตาโอสากริณนะจากโรงเรียนอนุบาลหนูน้อยซึ่งได้นำหลักพระพุทธธรรมจากพระคุณเจ้าพระธรรมปิฎกและท่านพุทธทาสภิคุ เข้าไปเป็นหลักในการอบรมอนุบาลยังได้ผลและที่สำคัญคือได้เน้นในการนำครูเข้าไปปฏิบัติธรรมเสียก่อนซึ่งทำให้บรรดาคุณครูทั้งสองโรงเรียนนี้ได้มีโอกาสสัมผัสได้รับประโยชน์และได้รับความซาบซึ้งจากการปฏิบัติศึกษาทางธรรมะเป็นอย่างยิ่งทำให้เชื่อและได้เห็นว่าเด็กที่ผ่านการเรียนการสอนในแบบนี้แล้วจะเป็นเด็กที่ดีมีคุณธรรม ในการเสวนาครั้งนั้นแพทย์หญิงสีธรรมธนภูมิและนายแพทย์โรตรุง่งสุวรรณสุทธิก็ได้ให้ความเห็นทางการแพทย์ในการพัฒนาเด็กและมีตัวอย่างเยาวชนที่ได้ไฟธรรมะตั้งแต่เด็กโดยสอบได้นักธรรมเอกตั้งแต่อายุ12ปีแล้วเรียนได้ที่หนึ่งทุกวิชาจนได้รับทุนศึกษาถึงปริญญาเอกขณะที่เรียนอยู่มสาม ทางชมรมจะได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้มีหลักสูตรการสอนอบรมเด็กในวัยต่างๆให้เป็นรูปธรรมต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม2544เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้กำลังพูดกันอยู่นี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญคือคดีแรกเด็กอายุ9ขวบฆ่าเด็กอายุสามขวบและอีกคดีหนึ่ง ก็คือเด็กชายอายุ12ปีที่เรียนอยู่ป .64 คนได้ฉุดนักเรียนหญิงอายุเท่ากันไปธรรมนาจารย์ซึ่งเป็นข่าวที่ช็อกต่อคนไทยมากทาให้เห็นความจําเป็นที่เราจะต้องมุ่งไปที่เยาวชนตั้งแต่เล็กเพื่อทำให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถยึดธรรมะของพุทธศาสนาที่จะให้มีการดํารงชีวิตเป็นคนที่ดีต่อไปในอนาคต เราอาจจะสายเกินไปที่จะไปแก้ไขเด็กที่โตกว่านี้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรในตอนนี้ก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับเรื่องที่สองความเคลื่อนไหวในวงการพุทธศาสนาในรอบเดือนนี้มีน้อยกว่าเดือนที่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะมีข่าวดีเท่าไหร่ซึ่งเชื่อว่าพระคุณเจ้าคงจะได้พูดครอบคลุมถึงเรื่องนี้ด้วยคือขาเมื่อวันที่20สิงหาคม สมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จไปงานครบรอบ60สปีของโรงการศาสนาเตือนว่าอย่าประมาทเพราะภัยร้ายกินศาสนาวันที่24สิ่งหาคมก็มีข่าวของมหาเทราสมาคมบริจาคเงินสองล้านช่วยวัดที่น้ำท่วมในภาคเหนือและอีกข่าวหนึ่งก็คือว่าเจ้าอาวาสวัดที่ถูกน้ำท่วมที่ลมสักถูกหาว่าอมเงินบริจาคหนึ่งกว่าบาทแต่ก็ตกลงกันได้ แล้วก็มีเจ้าอาวาสวัดคลองยางจังหวัดสระแก้วถูกจับศึกเพราะคมขืนสาวลูกสองวันที่25สิงหาคม25 4สีสีพระรักษาการเจ้าอาวาสวัดกลางดงที่ปากช่องถูกระเบิดเสียชีวิตจากพระที่อยู่ในวัดเดียวกันเป็นผู้จ้างวันที่2ี่สิบงหาคมส5ง4่ก็มีข่าวที่พศคณะสงฆ์ที่ทางมหาเทราสมาคม กำลังจะนำเข้าสู่สภาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายมาตราจากร่างเดิมและมีการลดบทบาทของมหาคณิสอนมีการเปลี่ยนประธานกองทุนเพื่อพุทธศาสนาและศาสนาสมบัติกลางจากพระสงฆ์ให้เป็นคารวาะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามดูเมื่อพรบรฉบับนี้เข้าสภาหรือเข้าคอรมอต่อไป ในวันที่29สิงหาคม2544มีข่าวของคดีเก่าคือเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพลีถูกสารตัดสินจำคุกหปีคดียักยอกเงินซื้อที่ดินตั้งแต่พศ2537อีกข่าวหนึ่งคือกรมการศาสนาสอบเจ้าอาว า, าชั้นธรรมที่ปทุมธานีเกี่ยวข้องกับศีกาซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นเรื่องถูกกล่าวหาหรือไม่ วันที่30สิงหาคม2544ก็มีข่าวว่าพระกับเนนจำนวนมากที่เชียงใหม่เข้าเล่นเกมตามเน็ตคาเฟ่จนถึงดึกดื่นค่ำคืนเพราะว่าเปิด24ชั่วโมงทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวในวงการสงในช่วงรอบเดือนที่แล้วสำหรับวันนี้ก็เป็นกุศลอย่างยิ่งที่เราจะได้ฟังพระคุณเจ้าพูดถึงภัยของพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทยและความสงบสุขของคนไทยดังที่เราได้เสวนากันมาสองครั้งก่อนน้วนว่าถ้าภาวะของพุทธศาสนาในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดผลกระทบอันเลวร้ายต่อคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตามเพราะประเทศจะไม่มีความสงบสุขวันนี้เราคงจะได้รู้ว่า ภัยของพระพุทธศาสนานั้นมีในรูปแบบใดบ้างตามที่พระกุณเจ้าจะได้ชี้แจงให้เห็นผมขอกราบนิมนต์พระกุณเจ้าภัยแห่งพระพุทธศาสนาความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคนขอเจริญพรท่านประธานการเสวนา และสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านทั้งบุคคลภายในโรงพยาบาลวิชัยยุทธและญาติโยมที่มาจากข้างนอกวันนี้ท่านนิมนต์ให้พูดเรื่องภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยชื่อเรื่องนี้ทำให้ไม่น่าสบายใจเพราะเรื่องภัยนั้นไม่ดีใครๆก็ไม่ชอบแต่วันนี้ขอร้องโยมว่าให้ฟังอย่างสบายใจเมื่อฟังอย่างสบายใจแล้วต้องขอต่อไปว่าอย่าประมาทด้วย เพราะความสบายใจมักมา ก, กับความประมาทคนเราพอสุขสบายก็มีความโน้มเอียงว่าจะเฉยจะนอนจะเพลินต้องมีอะไรมาบีบเค้นจึงจะลุกขึ้นวิ่งลุกขึ้นเต้นกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นทำโน่นทำ น, น, ทำนี่จนกลายเป็นธรรมดาในโลกว่าคนเรานี้ต่อเมื่อมีทุกบีบคค้นมีภัยคุกคามจึงลุกขึ้นดิ้นรนควนขวาย พอสุขสบายก็นอนต่อไปทีนี้เมืองไทยเรานี้มีสภาพที่เป็นเรื่องของความสุขสบายมากและพระพุทธศาสนาก็สอนวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้เราทำจิตใจให้สบายมีความสุขได้ง่ายด้วยดังนั้นก็เลยยิ่งต้องระวังและพระพุทธศาสนาจึงต้องย้ำเรื่องความไม่ประมาทเพราะว่าเมื่อสบายแล้วคนก็โน้มเอียงจะประมาท หลักความไม่ประมาดนี้เป็นการฝึกตัวของเราและทดสอบตัวด้วยว่าทำอย่างไรจะให้ไม่ประมาททั้งที่สุขสบายบุคคลใด ท, ท, ทั้งที่สุขสบายก็ไม่ประมาทได้คนนั้นแหละเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ผลแต่ถ้าสุขสบายแล้วประมาทก็เป็นอันว่ายัางปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรวันนี้ขอให้ทุกท่านทำใจให้สบาย เรื่องที่พูดวันนี้ถึงแม้ไพ่จะมีมากก็ไม่ให้ฟังด้วยอารมณ์ไม่ให้มีความโกรธความเคืองแต่ให้เป็นเรื่องของปัญญาคือความรู้ความเข้าใจมีอะไรเกิดขึ้นจะดีจะร้ายต้องรู้ทั้งนั้นเพราะว่าคนที่จะไม่ประมาทได้ต้องรู้ไม่เช่นนั้นก็ม่รู้จะไปปฏิบัติจัดการอะไรได้แต่เมื่อรู้แล้วก็ต้องทำให้จิตใจมีความผ่องใสโปร่งโลง่ง ไม่ปล่อยเพียตามอารมณ์ไม่ตกอยู่ในอำนาจอารมณ์ด้วยซึ่งก็เป็นการปฏิบัติที่ยากอีกข้อหนึ่งคือทำอย่างไรจะได้ยินเรื่องที่ร้ายแลว้ววางใจให้สงบได้แต่ก็เป็นการฝึกใจชาวพุทธทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดมาทั้งให้สุขสบายและไม่ประมาทก็ตามให้รู้เรื่องร้ายด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใสก็ตาม เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมทั้งสิน้นโลกนี้ที่ว่าสีวิไลนักหนาแต่ปัญหาลัทธิศาสนาและเผ่าพันธุ์ก็ค่าฟันรบกันไม่จบสิน้นปีนี้คือพุทธศักราช2544มีเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงเกี่ยวกับศาสนา โดยเฉพาะการก่อการร้ายที่ทำให้ชาวพุทธไทยซึ่งตามปกติไม่ได้สนใจและไม่ค่อยรู้เรื่องราวจำพวกนี้ต้องตื่นเต้นตามข่าวขึ้นมาบ้างข่าวเด่นก็คือเรื่องสงครามทาริบันในอัฟกานิสถานซึ่งนอกจากใกล้เข้ามามากกว่าสงครามทางตะวันออกกลางแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกก็คือ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองหลังจากครูมาสี่ปีแล้วพวกทาลิบันก็ได้ใช้ปืนใหญ่และวัตถุระเบิดทำลายพระพุทธรูปใหญ่สององค์อายุราว 1,700 รปีที่หน้าผาเมืองพามิยานทำให้พระพุทธรูปนั้นแหลกละเอียดหมดสิ้นไปข่าวนี้ได้ทำให้เกิดความประวัตพรั่นพรึงต่อภัยอันตรายร้ายแรงที่ยากจะคาดหมาย และเกิดความห่วงใยต่อสภาพที่ไม่มั่นคงในอนาคตของโลกโยงมาถึงพระพุทธศาสนาแล้วก็ติดค้างอยู่ในใจของคนจำนวนมากที่ให้มาพูดเรื่องภัยแห่งพระพุทธศาสนาวันนี้นั้นความจริงภัยมีมานานแล้วดังเช่นเมื่อปี2525 25เป็นตัวอย่างปีนั้นก็มีเรื่องที่ทำให้ต้องกระตือรือร้นมีการประกาศบอกกันมากมาย ให้ชาวพุทธตื่นตัวขึ้นมาว่ามีอันตรายเข้ามาแล้วแต่เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เงียบเงียบไปจนกระทั่งมาถึงเวลานี้บางครั้งทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าแทบจะสายไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ประมาทจริงๆก็ยังพอมีทางที่จะแก้ปัญหาได้เรื่องภัยที่จะให้พูดนี้ขอแบ่งว่ามีสองอย่างคือภัยจากภายนอกและภัยจากภายใน ภัยสองอย่างนี้ต้องรู้และต้องแก้ไขทั้งนั้นถ้าเอาแต่เพียงด้านเดียวก็ผิดไม่ถูกต้องโดยมากเราจะไปสุดตรงบางคนก็เอาแต่ภัยภายนอกไม่ดูข้างในที่จริงภัยอันตรายที่เกิดจากภายในเป็นเรื่องร้ายแรงมากอย่างที่ท่านประธานการเสวนาได้พูดมาเมื่อกี้นี้ก็คิดว่าจัดอยู่ในประเภทภัยภายในซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ภัยภายนอกแม้จะร้ายแรงอย่างไรก็ตามถ้าภายในยังเข้มแข็งอยู่ก็สามารถจะดํารงตนรักษาตัวไว้ได้แต่ถ้าภายในอ่อนแอเสียแล้วภัยภายนอกก็เข้ามาซ้ำเติมได้ง่ายแม้แต่ไม่มีภัยก็ยังทำลายตัวเองหมดไปได้วันนี้ต้องพูดทั้งภัยภายนอกและภัยภายในแต่อยากจะขอพูดถึงภัยภายนอกเสียก่อนแล้วจึงค่อยๆพูดตีวงเข้ามาข้างใน ตอนที่หนึ่งภัยภายนอกภัยภายนอกที่เรามองดูและพูดถึงว่าเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนานี้ถ้าว่าเป็นแล้วไม่ใช่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะภัยต่อพระพุทธศาสนาก็หมายถึงภัยต่อประเทศชาติสังคมไทยทั้งหมดด้วยนอกจากนั้นภัยต่อประเทศชาติสังคมนี้ก็เป็นภัยอย่างเดียวกับภัยที่จะเกิดแก่โลก หมายความว่าถ้าภัยเกิดแก่พุทธศาสนาได้และถ้าประเทศไทยมีปัญหาได้ก็เป็นปัญหาแก่ทั้งโลกนั่นแหละฉะนั้นวันนี้เราจึงมามองดูสภาวะและสถานการณ์ของโลกทั้งหมดเลยเวลานี้เมื่อเรามองดูไปทั่วโลกจะเห็นว่าอยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภยัยมีปัญหามากมายเหลือเกิน ไม่ต้องพูดถึงปัญหาธรรมชาติแวดล้อมที่คนในประเทศพัฒนาแล้วสนใจกันมากเอาแค่เรื่องของมนุษย์ด้วยกันเองในสังคมการรบราฆ่าฟันยังมีกันมากมายแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็เกิดสงครามมีการฆ่ากันอย่างทารุณโหดร้ายชนิดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์การฆ่าฟันทาสงครามกันนี้เป็นเรื่องของ 1. เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ 2. ลัทธิศาสนาคนอยู่ในสังคมเดียวกันยังแบ่งแยกกันอยู่กันดีไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่ว่านเจริญกันมากมายมีอริยธรรมที่บอกกันว่าสูงแล้วก็ไม่พ้นเรื่องเรไนี้อย่างที่เราได้ยินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกี่ปีกี่ ป, กปีก็ไม่รู้จักหมดไปคือการสงครามรบกันระหว่างอยู่กับอาหรับโดยเฉพาะอยู่กับปาเลสไตน์ ทำสงครามกันอยู่เรื่อยเป็นสงครามที่มีความหมายทั้งในแง่เผ่าพันธุ์และในแง่ลัทธิศาสนาคือเรื่องชาวยิวกับชาวมุสลิมซึ่งเห็นชัดว่าเป็นศัตรูกันมาเป็นพันๆปีแล้วมองใกล้เข้ามาอย่างประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไรพวกนี้ก็มีสงครามการรบการฆ่าฟันกันด้วยเรื่องของลัทธิศาสนามองไปทางเมืองฝรัง่ง อย่างในไอแลนด์เหนือก็มีการรบกันระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกเป็นปัญหากันมาไม่รู้จักจบสิน้นถอยหลังไปไม่นานนี้ก็บอสเนียนั่นก็ฆ่ากันโหดร้ายทารุณอย่างยิ่งเมื่อมองเรื่องที่เป็นมาเป็นไปอย่างนี้แล้วก็ทำให้เราต้องมองไปข้างหน้าด้วยที่จริงเวลาเราพูดถึงปัญหาปัจจุบันก็คือการมองไปในอนาคตด้วยว่า สภาพที่เป็นอย่างนี้มันส่องแนวโน้มว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเทาเรามองไปแล้วไม่เห็นอะไรที่เป็นแนวโน้มที่ดีหรือมีหลักประกันว่าจะแก้ปัญหาได้ก็แสดงว่าจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็อาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะสภาพความคิดความเชื่อถือหรือทิฏฐิของคนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อคนเรามีความเชื่อตั้งจิตตั้งใจ มองอะไรอย่างไรก็จะคิดจะทำอย่างนั้นต่อไปในแง่ของทิฏฐิคือความคิดความเชื่ออะไรเหล่านี้เราเห็นอะไรที่จะทำให้มั่นใจหรือปลอดภัยบ้างว่ามันจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นถ้าถามญาติโยมก็คงตอบว่ายังมองไม่เห็นเลยมีแต่เรื่องที่จะทำให้เกิดปัญหากันอยู่เรื่อยไปถ้ามองในแง่ของการที่เกิดสงครามฆ่าฟันกัน ระหว่างคนต่างผิวต่างเผาต่างลัทธิศาสนานี้เมื่อเราหันมามองประเทศไทยนี้กลับเป็นประเทศที่ได้รับคำชื่นชมเป็นประเทศที่ร่มเย็นเป็นสุขคนไทยไม่มีความรังเกียจเดียดฉันคนผิวเผาไหนคนลัทธิศาสนาไหนาก็อยู่กันได้ด้วยดีเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลายาวนานแล้วเพราะว่าคนไทยไม่รังเกียจใครปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ ที่เป็นอย่างนี้เราพูดได้เต็มปากว่าเป็นเพราะพระพุทธศาสนาที่ว่าคนอยู่ร่วมกันได้ดีเพราะพุทธศาสนานี้แน่นอนเพราะว่าแนวคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นให้มีเมตตามีกรุณาแล้วเมตตากรุณานั้นก็เป็นสากลคือไม่มีการจํากัดหรือแบ่งแยกว่ารักเฉพาะพวกนี้พวกนั้นหรือว่าฆ่าคนพวกนั้นได้ไม่เป็นบาป ฆ่าคนพวกนี้จึงจะเป็นบาปอย่างที่บางลัทธิศา ส, สนาถึงกับบอกว่าคนพวกนั้นกลุ่มนั้นฆ่าแล้วกลายเป็นว่าได้บุญเสียด้วยก็มีถ้าไม่เป็นการสนับสนุนให้เกิดการรบราฆ่าฟันอย่างน้อยก็เป็นข้ออ้างให้ฆ่าฟันทาการรุนแรงได้เมื่อไทยเรามีความใจกว้างอย่างนี้มานานแล้วควรถอยหลังไปดูในประวัติศาสตร์ด้วย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 ทรงสร้างแผ่นดินสร้างสิง ส, งสารารสัตว์ทรงดลบันดาลได้ทั้งสิน้นดังนั้นถ้าหากว่าพระเจ้าต้องการให้พระองค์เป็นคริสต์พระองค์ก็จะบันดาลเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าหลุยมิต้องมายุ่งอะไรทำนองนั้นเมื่อพระเจ้าทรงบันดาลได้ทุกอย่างอยู่แล้วเมื่อใดทรงต้องการพระเจ้าก็จะบรนดาลเองขณะนี้สมเด็จพระนารายมหาราชยังเป็นพุทธมามะกะ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 คนหนีภัยศาสนาพอมาเมืองไทยคนสยามเอาใจต้อนรับอย่างดีที่นี้มาถึงในทหารบ้างขอพูดถึงในทหารใหญ่คนหนึ่งที่ชื่อว่านายพลฟอบังในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเข้ามารับราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยาได้เป็นนายพล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 ถึงต้องขออาหารมารับประทานธรรมจัญญาของเขาเลิศกว่าของเรามากนายพลฝรั่งเขียนต่อไปอีกว่าเขาหานับถือผู้สั่งสอนศาสนาของเราไม่เพราะผู้สั่งสอนศาสนาไม่เคร่งครัดเท่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อผู้สั่งสอนศาสนาของเราแสดงคริสตธรรมคนไทยซึ่งเป็นคนว่านอนสอนง่ายนั่งฟังธรรมป ร, ริยายนั้น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 เขาโรคราค่าฟันกันมากมายหนีภัยบีบคั้นในยุโรปจนเขตดหยาดก็ยังไปพิฆาตกันในอเมริกาอีกจะหาทางแก้ไขก็ต้องใช้วิธีตั้งกฎหมายขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกันและบังคับคนไม่ให้บีบคั้นค่าฟันกันด้วยเรื่องศาสนาหรือนิกายการที่เขานี้ออกจากยุโรปมายัางอเมริกานั้นเหตุหนึ่งที่สําคัญก็คือการหนีภัยเรื่องการบีบคั้นทางศาสนานั่นเอง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 ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรชาวพุทธคนได้ปัญญามองดูความคิดจิตใจคนที่จะส่งผลข้างหน้าต่อไปสภาพอย่างที่ว่ามาที่อยู่ร่วมกันด้วยความร่วมเย็นเป็นสุขเหมือนเป็นพี่เป็นน้องไม่ว่าต่างผิวต่างเผ่าต่างศาสนาเมื่อครั้งชาวพุทธมีจำนวนมากครอบคลุมเกือบทั้งประเทศนี้ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป ระบบบริหารจัดความสัมพันธ์เปลี่ยนไปและได้เริ่มเกิดปัญหาย้อนไปแค่ช่วง 4- หปีก่อนนี้ปัญหาก็เริ่มตั้งเขาขึ้นแล้วเช่นมีพระองค์หนึ่งมาจากนาราทิวาสและได้เล่าเรื่องความเป็นไปในจังหวัดของท่านด้วยความเป็นห่วงว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหนอสมัยท่านเป็นเด็กจะเป็นเด็กพุทธหรือเด็กมุสลิมก็เรียนหนังสือด้วยกันโตมาด้วยกัน เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล็กตอนเป็นเด็กจะถือศาสนาไหนๆก็ไม่รู้จักแบ่งแยกเพราะฉะนั้นก็เป็นเพื่อนกันสนิทเรื่อยมาพอโตแล้วอยู่ด้วยกันก็พูดคุยกันดีมีบรรยากาศที่สบายทีนี้ต่อมาตอนหลังเขาแยกให้เด็กเรียนกันคนละโรงเรียนเมื่อแยกกันตั้งแต่เด็กก็เริ่มมีปัญหากลายเป็นคนละพวกแล้วนอนพุทธนันมุสลิม ท่านจึงวิตกกังวลว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาก็ได้เริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างในบางท้องที่ของเมืองใต้นั้นพระไปบินทบาทในบางถินมีมุสลิมมากเดี๋ยวนี้ถูกเด็กวัยรุ่นโหเอาแล้วบางแห่งไปมีการถมน้ำลายอันนี้เป็นเรื่องที่แสดงว่าสถานการณ์ทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นเรื่องในทางที่ไม่ดี ที่เป็นอย่างนี้เราพูดได้ว่าชาวศาสนาที่เป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดไม่ได้มองอย่างชาวพุทธจึงยกตัวอย่างเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเมื่อไม่กี่เดือนมาแล้วคือเรื่องกรณีทาลิบันพวกทาลิบันซึ่งเข้าปกครองประเทศอัฟกานิสถานได้ใช้ปืนใหญ่และใช้ลูกระเบิดทําลายพระพุทธรูปที่มีมาเป็นพันๆปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของโลก ในทางประวัติศาสตร์อัฟกานิสถานเคยเป็นดินแดนพระพุทธศาสนาเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งอยู่แถวๆอาณาจักรกุศานของพระเจ้ากาันิสระทีิพามิยานมีพระพุทธรูปใหญ่สูงห้าบสาเมตรและส5สิหหรือส7เมตรซึ่งแกะสลักอยู่ที่ภูเขาเมื่อราวพุทธศักราชปดร้อมาถึงตอนนี้ ทั้งสององค์ก็ถูกผู้ปกครองชาวมุสลิมพวกทาลีบันทำลายลงไปความจริงในประวัติศาสตร์เขาเคยทำลายมาแล้วหลายครั้งแต่สมัยก่อนยังไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างนี้เขาทำลายได้แค่เอาค้อนเหล็กไปต่อยไปทุ์อย่างในอินเดียชาวพุทธเป็นมสการสังเวชนียสถานก็จะเห็นพระพุทธรูปในที่ต่างๆโดยเฉพาะในที่ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย พระพุทธรูปจะถูกทำลายแบบว่าถ้าเป็นศิลาใหญ่หน่อยก็ต่อยที่พระนาสิกคือจมูกให้เสียโฉมเพราะแข็งแรงและมีมากมายเขาทำลายไม่ไหวสมัยก่อนไม่มีอุปกรณ์ใหญ่โตที่จะทำลายก็ทำได้แค่นั้นคือทำลายที่พระนาศิกเป็นอย่างนี้ทั่วไปหมดแต่เวลานี้เ็มีเครื่องมือทำลายที่ร้ายแรงมีระเบิดมีปืนใหญ่จึงทำลายได้หมดสิน้น เมื่อเกิดกรณีทาลิบันขึ้นมาก็ต้องดูว่าชาวพุทธก็ตามชาวโลกและโดยเฉพาะชาวมุสลิมก็ตามจะมีความรู้สึกแสดงออกอย่างไรซึ่งจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ในการที่จะมองสถานการณ์ซึ่งหมายถึงแนวโน้มต่อไปในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรเราไม่ใช่มองด้วยอารมณ์โกรธเกลียดแต่เราควรพิจารณาในแง่ว่าคนที่มีแนวความคิดอย่างนี้ ที่เขาทำอย่างนี้ได้นั้นจิตใจเขาเป็นอย่างไรเขาเนืกอคิดต่อผู้อื่นอย่างไรไม่ใช่มองแค่สถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ต้องมองไปในอนาคตว่าเมื่อเขายังมีความคิดมีความเชื่อและมีสภาพจิตใจอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเท่าที่ดูแล้วชาวพุทธก็มีบ้างที่ตื่นตัว แต่เทียบแล้วก็น้อยแล้วในฝ่ายชาวมุสลิมเราก็ได้ยินว่ามีชาวมุสลิมที่แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างอาจารย์ชัยวัฒน์สถาานันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เขียนลงในหนังสือพิมพ์แสดงความไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ใช่คำถแถลงหรือแสดงมติที่ออกจากองค์กรใหญ่ของชาวมุสลิมซึ่งควรจะแสดงให้เห็นท่าทีที่ชัดเจน ชาวมุสลิมบางคนก็พูดในทางตรงข้ามอัตมาจะอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างข้อเขียนนี้เขาส่งไปลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ข้อเขียนหัวข้อเรื่องว่าเวรกรรมของทาลิบันเนื่องจากเป็นข้อเขียนยาวจึงจะอ่านเฉพาะบางส่วนเรื่องการทําลายพระพุทธรูปของพวกทาลิบันที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องของศาสนิกชนอื่น ที่ไปทำลายศาสนาสถานของชาวพุทธซึ่งพระพุทธรูปเป็นที่เคารพสักการะสำหรับศาสนาของเขาชาวมุสลิมคนนี้เขียนต่อไปว่าสิ่งที่เขาทำอาจเป็นสิทธิของเขาที่ไม่มีใครไปว่าเขาได้เราก็มีสิทธิ์แค่ออกความเห็นและวิจารณ์เขาจะฟังหรือไม่ฟังก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาทำในบ้านของเขา ถ้ามุสลิมไทยมีรูปจเวิตในบ้านเราก็ต้องกำจัดท่านบรรณาของเราก็เปลี่ยนแปลงห้องรัฐมนตรีโดยการยกพระพุทธรูปออกไปและอดีตรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศด็รสุรินทร์พิสุวรรณก็ยกพระพุทธรูปออกจากห้องทำงานเหมือนกันการที่จะให้อิสลามเป็นสากลไม่ได้หมายความว่าจะยืดหยุ่นได้ทุกๆเรื่อง อิสลามเป็นศาสนาที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลายบางครั้งการทำลายอาจเป็นสาเหตุจากการสร้างสรรค์ศาสนามูฮัมหมัดก็เคยทำสิ่งเดียวกันบรรดาเทวรูปต่างๆที่อยู่ในเมกะถูกทำลายแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำให้สังคมรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวนี่คือท่าทีที่เป็นตัวอย่าง เขามองประเทศอัฟกานิสถานเป็นบ้านเฉพาะของชาวมุสลิมเท่านั้นถ้าอย่างนี้ก็ลำบากหมายความว่าคนถือศาสนาอื่นทั้งๆ ท, ที่เกิดที่นั่นก็ไม่มีบ้านไม่มีสิทธิ์นอกจากนั้นคำว่าสากลที่ชาวมุสลิมท่านนี้เขียนก็เห็นได้ว่ามิใช่หมายถึงการทําให้คนทั้งหลายทั่วไปทั้งหมดเข้าใจศาสนาอิสลามถูกต้อง ล้วเห็นชอบยอมรับทั่วกันแต่หมายถึงการที่จะต้องให้ทุกคนและทุกอย่างเป็นไปตามที่ศาสนาอิสลามกำหนดไม่ว่าใครจะพอใจหรือยอมรับหรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมองด้วยความรู้ความเข้าใจและไม่ประมาทว่าถ้าคนมีสภาพจิตใจและความคิดอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในระยะยาว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 พุทธส์ 19% คริสต์อด์อินดูแและอื่นๆ 9% เราก็มาคิดว่าที่จริงนั้นไม่สำคัญหรอกจะเป็น 49% หรือ 51% หรือแม้แต่ 60% ว่าเกินครึ่งเป็นส่วนมากแล้วแค่นี้เอาเป็นศาสนาประจำชาติก็แปลกแล้วจะเห็นว่าคนในประเทศไทยกับประเทศต่างๆที่ยกมานี้มีความคิดมีการมองอะไรอะไรไปคนละแบบ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 ไม่มีที่ไหนเท่าเทียมกลมกลืนมากลมกลืนไปในความมืดมัวเนื้อตัวก็จะหายไปอีกเรื่องหนึ่งที่ได้พูดไว้แต่ต้นคือได้บอกว่าเมื่อปีพุทธศักราช2525มีเรื่องตื่นเต้นกันใหญ่ชาวพุทธลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวกันพักหนึ่ง แล้วก็งิยบเนียบไปคือกรณีที่เรียกว่าวัติกัน c o u n c i l i ถหรือการประชุมมหาสมัชชาวัติกันครั้งที่สองเรื่องนี้เป็นอย่างไรมาอย่างไรจะเล่าให้ฟังสิด้วยย้อนหลังไปเกือบ20ปีแล้วตอนนั้นชาวพุทธบางท่านได้ไปเจอเอกสารของคริสจากองคอ์กรที่เรียกว่า secretariat for non christians คือสำนักเลขาธิการเพื่อปฏิบัติต่อคนที่ไม่ใช่ชาวคริส เป็นเอกสารลับเขาบอกว่าเป็น confidential ซึ่งเขาใช้ชื่อสำหรับสื่อกันระหว่างพวกปีชอฟคาทอลิกที่ทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกในเอกสารนี้ก็ไปพบนโยบายใหม่ของคาทอลิกที่จะปฏิบัติต่อศาสนาอื่นๆซึ่งทำให้รู้ว่าเวลานี้ทางคาทอลิกได้เปลี่ย น, นโยบายเขาทำความเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ทางชาวคริสต์คาทอลิกโดยเฉพาะบาทหลวง เวลาเผยแร่ศา ส, สนาจะใช้วิธีพูดจารุนแรงคือใช้วิธีด่าว่าโจมตีอย่างสมัยก่อนถ้าเป็นญาติโยมที่อายุมากๆจะได้ยินเช่นที่สนามหลวงจะมีพวกนักเผยแพร่ศา ส, สนาคริสต์ขึ้นไปยืนบนแท่นแล้วก็โจมตีพระพุทธศาสนาด่าว่าต่างๆต่อมาภาพนี้หายไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เข้ามาเป็นมิตร ทีนี้ชาวพุทธก็ไปพบเอกสารลับนี้ขึ้นอันสืบเนื่องมาจากวัติการเคาวเซลครั้งที่สองซึ่งเขาประชุมกันในปีคศหนึ่สถึงหนึ่ตรงกับพศสอ5 5้าถึงแต่เรามาเจอหลังจากนั้นตั้งนานจึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนโยบายโดยตัวเองก็แปลกใจว่าชาวคริสต์บาดหลวงทำไมเข้ามาสัมพันธ์กับชาวพุทธอย่างดีจนกระทั่ง แม้แต่ที่โกรงการศาสนาก็ถึงกับตั้งเป็นหน่วยงานเรียกว่าศูนย์ศาสนาสัมพันธ์คำว่าศาสนาสัมพันธ์นี้แปลาจากภาษาอังกฤษที่ทางคาทอลิกใช้ว่า dialog ซึ่งปกติแปลกันว่าเสวนาหรืออะไรทํานองนี้แต่ในกรณีนี้เขาแปลว่าศา ส, สนาสัมพันธ์ที่โกรงการศาสนาตั้งหน่วยนี้ขึ้นก็เพื่อให้ทางคริสต์และทางพุทธ อะไรต่างๆได้มาประสานและมีความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเราไปเจอเอกสารลับนี้จึงเข้าใจได้ว่าเขาเปลี่ยนนโยบายในการเผยแผ่ศาสนาเนื่องจากเหตุผลที่ว่าในโลกปัจจุบันนี้การที่จะมาใช้วิธีโจมตีด่าว่านั้นไม่ได้ผลแล้วอย่างในเมืองไทยเองบาทหลวงก็รู้อยู่แก่ใจถึงกับพูดว่าในเมืองไทยนี้ศา ส, สนาคริส เข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชราวสามร้อปีแล้วมาถึงปัจจุบันนี้มีคนเป็นคริสต์อยู่แค่แสนกว่าเวลาที่ผ่านไปยาวนานหลายร้อยปีและทุนมากมายมหาศาลที่ใช้ไป น, นี้เมื่อเอามาเทียบกับผลที่ได้ต้องถือว่าไม่ได้ผลเลยเพราะฉะนั้นการที่จะใช้วิธีอย่างเก่าเนี่ยเลิกได้แล้วจึงเปลี่ยนแปลงที่หน่วยกลางคือวัติกันเอง มีการเปลี่ยนนโยบายตามผลการประชุมใหญ่ครั้งนี้โดยให้ใช้วิธีไดอะล็อกให้มีการวิาสาสะกันให้ใช้วิธีที่เรียกว่า assimilation เรียกว่าการกลมกลืนนโยบายการกลมกลืนก็มีตัวอย่างให้ดูในเอกสารนั้นซึ่งพอดีเขาพูดถึงวิธีปฏิบัติในประเทศไทยด้วยในเอกสารที่เป็นบูลทินหรือแถลงการนั้นมีบอกหมดแม้กระทั่งรายงานว่าประเทศไทยเวลานี้ มีสถานการณ์เป็นอย่างไรเช่นองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกมีสถานะอย่างไรพุทธสมาคมเป็นอย่างไรทำงานได้ผลหรือไม่พระสงค์เป็นอย่างไรชาวไทยเป็นอย่างไรเขาควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ผลดีในเอกสารที่ว่านี้สรุปก็คือเขาบอกวิธีปฏิบัติว่าจะต้องใช้วิธีกลมกลืนทุกด้านไม่ใช่แค่กลมเกลียวแต่เป็นกลมกลืน เริ่มตั้งแต่ในแง่คําสอนทางศาสนาก็ให้คนที่เก่งของคริสต์ไปเรียนหลักธรรมของพระพุทธศา ส, สนาไปแล้วให้เอามาใช้ในคริสตศาสนาตลอดจนพิธีกรรมต่างๆก็นําไปใช้ตอนนั้นปรากฏว่ามีการนําพิธีกรรมแบบพุทธไปใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งคงจะเป็นการทดลองตามวิธีกลมกลืนแบบนี้ซึ่งหลายพิธีกรรมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ ดังที่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ชาวคริสต์มีการทอดพระป่าส่วนทอดกระถินมีหรือไม่คงต้องถามญาติโยมที่รู้ดูอีกทีตอนหนึ่งถึงกับพยายามใช้วิธีบวชแบบพูดเลยคล้ายๆมีการขานานาคและมีคู่สวดมีอะไรต่างๆคือเขาพยายามลองดูว่าอันไหนได้ผลก็ทำต่ออันไหนไม่ได้ผลก็เลิกไป แต่ทอดพระปายังทำอยู่นี้เป็นตัวอย่างนอกจากนั้นยังนำเอาแบบแผนเรื่องการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไปใช้โดยออกแบบให้มาเป็นคล้ายๆแบบไทยและเป็นแบบพุทธพร้อมทั้งนำโต้หมู่บูชาเข้าไปใช้ซึ่งเดี๋ยวนี้ทราบว่านำเอาโต้หมู่แบบของในวัดพระพุทธศาสนาไปใช้ในโบสถ์คริสต์โดยเอาไปตั้งไม้กางเขนแทนพระพุทธรูป บางทีบางแห่งเอาพระพุทธรูปไปตั้งข้างๆด้วยอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการกลมกลืนซึ่งเขาได้ปฏิบัติมาหลายปีแล้วซึ่งชาวพุทธไม่ค่อยรู้เพราะไม่ได้สังเกตหรือมัวเพลินประมาทอาจจะมองไปในแง่ดีว่าเข้ามาเป็นมิตรกับเราความสัมพันธ์ทางศาสนา มีฐานอยู่แล้วคือเมตตายิ่งว่ากันได้ตรงไปตรงมาก็ยิ่งจะมั่นนอกจากในภาคปฏิบัติแล้วเราก็เจอในแง่คำสอนมีเอกสารของสถาบันคริสออกมาพูดถึงนโยบายเกี่ยวกับคำสอนเขาวางวิธีการนำเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาไปอธิบายแบบคริสเขาบอกว่าเขาใช้แนวการอธิบายคริสศาสนาแก่ชาวพุทธ โดยใช้ศัพท์และหลักธรรมของพุทธศาสนาอันนี้เขาตั้งไว้เป็นหลักในเอกสารประจำของเขาแล้วพยายามทำตามวิธีการนั้นมีบาทหลวงหลายท่านพยายามทำอย่างนี้เป็นการใช้นโยบายที่จะทำพุทธกับคริสต์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่บอกเมื่อกี้คือใช้วิธีกลมกลืนแต่ที่จริงไม่ใช่แค่กลมกลืนหรอกเป็นการครอบเลยการครอบก็คือ เอาพุทเข้าไปไว้ข้างในแล้วเอาคริสเป็นใหญ่คลุมทั้งหมดการเอาคริสเป็นใหญ่ก็คือให้พระพุทธเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาเพราะฉะนั้นในเอกสารของคริสตตอ น, นั้นจึงมีการแต่งเรื่องออกมาชัดเจนเลยบอกว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นประกาศกที่พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งมาเพื่อมาเตรียมชาวตะวันออกไว้ต้อนรับพระเยซู เพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในสมัยก่อนพระเยซูประมาณห0 0อปีคือ543ปีแต่ที่จริงไม่ใช่แค่543าปีหรอกเรานับพุทธศักราชจากพุทธภรินิพานต้องบวกเข้าไปอีก80ปีเป็น600กว่าปีบัตรหลวงบอกให้ถือว่าพระพุทธเจ้านี้พระผู้เป็นเจ้าส่งมาเพื่อเตรียมรับพระเยซูเรียกว่าให้เตรียมชาวตะวันออกไว้ต้อนรับพระเยซู และมีการนออกธรรมะของพุทธศาสนาไปอธิบายให้เข้ากับคริสต์ให้เป็นว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าสั่งมาให้สอนดังที่จะอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างบาทหลวงมอเขียนไว้ในวาราสารแสดงธรรมปริทัต์ปีที่หฉบับที่สองพฤษภาคมถึงสิงหาคม2524สองหน้า 102-104 ถึงบอกว่าปฐมเหตุของสรรพสิ่งคือพระเจ้า พระผู้สร้างพระองค์คือองค์สยมภูเป็นผู้สร้างสากลจักรวาลและทรงตั้งกฎปฏิจจสมุปบาทขึ้นเพื่อครองโลกพระผู้เป็นเจ้าตั้งกฎปฏิจจสมุปบาทขึ้นเพื่อครองโลกปฏิจจสมุปบาทคือแผนการของพระเจ้าที่มีต่อโลกและมนุษย์พระเจ้าทรงไขแสดงให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาตีแผ่ นี่คือวิธีที่ว่ากลมกลืนโดยรวบรัดให้เป็นว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้ก็เพราะพระผู้เป็นเจ้าไขาแสดงให้ถ้าใช้ัพท์ฝรัร่งก็คือ revelation คือกอดของเขาไขาแสดงให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาตีแผ่หลักอื่นก็ทนองเดียวกันอย่างเรื่องไตรลักษ์บาทหลวงจะอธิบายนำเป็นแนวทางว่าชาวคริส หรือบาทหลวงผู้เผยแผ่จะนําเอาหลักธรรมะของพุทธไปใช้ได้อย่างไรเขาอธิบายว่าอ น, นิจจังในคัมภีร์ไบเบิลก็สอนไว้ไว่าอย่างนี้ทุกขังก็สอนไว้ไว่าอย่างนี้อนัตตาก็สอนไว้ไว่าอย่างนี้อัตมาอ่านแล้วตอนนั้นก็ไปค้นดูว่าคัมภีร์ไบเบิลมีสอนอย่างนี้จริงหรือเปล่าไปดูแล้วไม่เห็นน่าจะแปลยอย่างนั้นเลยไม่รู้เข้าแปลได้อย่างไร ตรงนี้แปลเป็นอนิจจังตรงนั้นแปลเป็นทุกขังเขาแปลไปจนได้ทั้งที่เนื้อความและถ้อยคําไปกันไม่ได้เลยอนัตตาเขาบอกว่าคริสตก็มีเสร็จแล้วเขาก็พูดไปพูดไปสรุปได้ความว่าในกุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนไปได้ถึงแค่อนาตตาคือสอนอนิจจังทุกขังอนาตตาได้จบแค่นั้นแล้ว ต้องอาศัยรอพระเยซูมาสอนอัตตาอีกทีหนึ่งคือพระเยซูนี้มาทำให้จบต้องไปสู่อัตตาของพระเยซูอีกทีอัตมาจะอ่านให้ฟังสักตอนหนึ่งอันนี้มาจากหนังสือสัปดาสารนิตยสารรายสัปดาพิมพ์โดยโบสถ์นักบุญยอแซบอำเภอบ้านโปง่งราชบุรีเขียนว่าพระเจ้าทรงใช้พระธรรมสร้างทุกสิ่งพระธรรมนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แท้ หมายถึงพระธรรมมาเกิดเป็นพระเยซูพระธรรมองค์นิจจังสุขอัตตามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อมนุษย์จะได้รับสภาพนิจจังสุขอัตตาจากพระธรรมพระธรรมเป็นบุตรองค์เดียวจากพระเจ้ามนุษย์ที่รับสภาพนิจจังสุขอัตตาเป็นคริสตชนถึงแก่ความตายอนัตตาก็สูญสิ้นไป เหลือแต่อัตตาในโลกุตระซึ่งเป็นนิจจังและสุขอย่างสมบูรณ์นี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเขาได้เอาโนโยบายมาปฏิบัติจริงอย่างนี้คือเอาธรรมะในพุทธศาสนานี้มาอธิบายใหม่ให้เป็นของคริสศาสนาแต่มีโนโยบายไว้ชัดว่าต้องให้คริสสูงกว่าคือเอาพุทธไปอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งเรียกว่าเป็นวิธีครอบ ที่พูดมานี้เป็นเรื่องที่ว่าควรจะรู้อัตมาคิดว่าชาวพุทธไม่เคยรู้ทั้งทั้งที่เป็นเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวกันครั้งใหญ่ตั้งแต่พุทธศักราช25 2525แล้วก็เงียบหายไปไม่ได้มีการเอาจริงเอาจังอะไรกลายเป็นเรื่องตุมตามหรือไฟไม่ฟงังแล้วก็จบไปถึงได้บอกว่ามาถึงเวลานี้แทบจะสายเกินไปหรือเปล่าที่เราจะมาตื่นตัวกันเพราะว่าเวลานี้ อะไรต่ออะไรมันไปไกลมากแล้วภายนอกภายในต้องแก้ไขทั้งสองมองให้รู้เข้าใจการศึกษาจึงจะได้ผลดีเรื่องภายนอกภายในนั้น ก็อย่างที่พูดแล้วแต่ต้นว่าบางคนก็จะดิ่งไปข้างเดียวคนหนึ่งเอาแต่ภายนอกเอาใจใส่แต่เรื่องที่ว่าใครจะมาทำลายพระพุทธศาสนาแต่อีกคนหนึ่งก็จะเอาแต่ภายในไม่สนใจภัยอันตรายว่าใครข้างนอกจะมาทำอะไรแต่เมื่ออยู่กับความเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่าภัยมีทั้งจากข้างนอกและเกิดขึ้นได้ข้างใน ต้องไม่ประมาทป้องกันแก้ไขทั้งสองด้านจริงอยู่ภัยที่เกิดภายในสําคัญที่สุดเพราะถ้าไม่ทำบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรงถึงไม่มีใครมาทำอะไรบ้านเรือนก็พังได้บางทีก็เผาบ้านตัวเองเสียเลยแต่กระนั้นถึงจะสร้างบ้านแข็งแรงมากเท่าใดถ้ามีโจรผู้ร้ายภายนอกก็ต้องระวังป้องกันแม้แต่ปลวกก็ยังต้องดูแลระวังไว้ บางทีคนที่มุ่งร้ายอาจจะมาลอกวางเพลิงเผาบ้านก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ดีมาเผาป่าข้างนอกไฟอาจลามมาไหม้บ้านเราก็ต้องระวังป้องกันด้วยแต่ร้ายกว่านั้นบางทีคนนอกปลอมแปลงหรือแอบแฝงเข้ามาอยู่ข้างในแล้วรอจังหวะทาลายหรือค่อยๆทำลายระยะยาวหรือยิ่งกว่านั้นคนในสรงคบกับคนนอกทำลายไม่ให้รู้ตัวก็มี ยิ่งกว่านั้นขณะที่ไฟกำลังไหม้บ้านอยู่ใครจะบอกว่าคุณอยู่ในบ้านมีหน้าที่ทำครัวก็ทำกับข้าวต่อไปหรือเธอมีหน้าที่ทำความสะอาดก็กวาดบ้านถูบ้านไปไม่ต้องดูแลของไม่ต้องดับไฟอย่างนี้ไม่ถูกแน่แม้แต่แผ่นกระดานก็จะไม่มีให้เช็ดถูเรื่องการที่บาดหลวงหรือนักสอนศาสนาคริส นำถ้อยคาในพระพุทธศาสนาไปใช้ก็เป็นตัวอย่างของการไปสุดตรงหรือเอียงดิ่งนี้บางท่านก็ด่าว่าไปหมดทางคริสตจะเอาคำอะไรของเราไปใช้ไม่ได้ทั้งนั้นบางท่านก็ไปสุดอีกทางหนึ่งว่าเขาจะเอาคำพุทธไปใช้ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นความเสียหายอะไรก่อนจะวินิจฉัยอยากให้ศึกษา จะได้เกิดความพอดีและเป็นการยอมรับหรือตำหนิตีเตียนโดยชอบธรรมการยืมถ้อยคำของศาสนาอื่นมาใช้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาในระดับหนึ่งแต่จะต้องดูว่าเป็นการใช้เกินธรรมดาหรือไม่โดยพิจารณาข้อที่หนึ่งเรื่องราวความเป็นไปหรือข้อมูลที่เป็นจริงข้อที่สองเจตนาของผู้ใช้ ซึ่งกรรมของเขาจะสอดแสดงออกมาถ้าเป็นการนำไปใช้อย่างมีเจตนาไม่สุจริตแอบแฝงโดยไม่ชอบทำก็เกิดโทษซึ่งจะต้องรู้เท่าทันและติติงกันจึงต้องมีการพิจารณาจำแนกแยกแยะท่านที่มองคลุมคลุมว่าเขาควรใช้ได้ไม่เสียหายมักอ้างเหตุผลต่อไปนี้คือเหตุผลที่หนึ่ง พระพุทธเจ้าก็ทรงนำศั์หรือถ้อยคําของศาสนาพราหมณ์มาใช้ในความหมายของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นชาวคริสต์ก็ควร น, นำสัพ์พุทธศาสนาไปใช้ในความหมายของคริสต์ได้เช่นเดียวกันเหตุผลที่สองเมื่อชาวพุทธไทยแปลคําสอนหรือเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คาภาษาอังกฤษของคริสต์ มาเป็นคำแปลเพราะฉะนั้นชาวคริสต์แปลศัพท์ของเขาเป็นไทยก็ควรใช้คำพุทธได้เช่นเดียวกันถ้าฟังเผินๆก็ดูคล้ายจะเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องจริงซับซ้อนกว่านั้นจึงบอกว่าต้องศึกษาเรื่องราวให้ชัดและแยกยะให้ดีขอทำความเข้าใจทีละข้อเหตุผลข้อที่หนึ่งที่ว่าพระพุทธเจ้า ก็นำคำของพรหา ม, มาใช้ในความหมายใหม่ของพุทธดังนั้นชาวคริสต์ก็นำคำของพุทธไปใช้ในความหมายของคริสต์ได้เหมือนกันนั้นต้องชี้แจงว่าที่จริงไม่เหมือนกันเลยพระพุทธเจ้าประสูตย์ในชมพูทวีปและทรงเจริญเติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ์พูดคร่าวๆ ว, ว่าทรงเหมือนเป็นศาสนกพราหมณ์โดยกาเนิด และต้องทรงใช้ถ้อยคําภาษาที่เป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ต่อมาพระองค์ทรงเห็นว่าคําสอนความเชื่อถือปฏิบัติของพราหมณ์ที่ต้องทรงเชื่อถือปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องพระองค์ก็คัดค้านถกเถียงโดยตรงยกตัวอย่างคําว่าอาริยะหรืออารยะหรืออารยันคือผู้ประเสริฐหรือผู้เจริญพราหมณ์สอนกันมาว่าได้แก่คนชั้นสูง คือคนที่เกิดในวันนากษัตริย์พราหมณ์และแพทย์หรือไวยสยะส่วนพวกสูตรไม่เป็นอริยะไม่เป็นอาริยะพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยว่าคนจะต้องเป็นอริยะหรืออาริยะโดยชาติกําเนิดตามระบบวันณนะพระองค์ก็ทรงคัดค้านโดยตรัสว่าคนจะเป็นอริยะหรืออาริยะคือเป็นผู้ประเสริฐด้วยชาติกําเนิดก็หาไม่ คนจะเป็นอาริยะหรืออรารยะก็เพราะไม่เบียดเบียนใครใคําำว่าอาริยะอรารยะอรารยันก็เกิดมีความหมายแบบพุทธขึ้นมาที่ต่างจากของพราหมณ์แม้แต่พราหมณ์ซึ่งชาวชมพูทวีปถือตามหลักที่พวกพราหมณ์สอนว่าเป็นคนบริสุทธิ์วันนาสูงเกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมคนทั้งหลายทั่วไปจะต้องเคารพพราหมณ์ แต่พระองค์ได้ทรงเห็นอยู่ว่าพราหมณ์เกิดมาอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรพระองค์จึงตรัสคัดค้านไปตรงๆว่าคนจะเป็นพราหมณ์คือเป็นคนบริสุทธิ์สูงประเสริฐเป็นที่เคารพเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่คนจะเป็นพราหมณ์ได้ต้องประพฤติตัวให้ดีจิตใจไม่มีกิเลสดังนี้เป็นต้นคําว่าพราหมณ์ในพระพุทธศาสนาก็เลยมีความหมายต่างออกไปจากเดิม นี่คือการที่เราเรียกว่าพระพุทธศาสนานำคําของพระมาใช้ในความหมายใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติตรงไปตรงมาซึ่งหน้าไม่เป็นเรื่องที่มีเจตนาซ่อนเร้นแอบแฝงอะไรเลยในบางกรณีพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเรื่องของพร์ที่เชื่อถือพระพุทธปฏิบัติกันไม่ดีงามดังปรากฏในสมัยพุทธกาณนั้น เป็นเรื่องที่เพี้ยนหรือเสื่อมโทรมลงไปแท้จริงหลักของพราหมณ์แต่เดิมยุคเ ก, ก่าก่อนก็ดีงามจากนั้นพระองค์ก็ทรงเล่าถึงความเป็นไปเดิมที่ดีงามของพราหมณ์เท่ากับเตือนให้พราหมณ์เองฟื้นฟูสิ่งดีงามของตนเองและทรงยอมรับดีที่เขามีอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ว่าไม่ดีแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้มาทรงยกพระองค์ ด้วยการตั้งของใหม่เพื่อกดเขาเรื่องอย่างนี้ขอให้ดูพรามณธรรมิกสูตรในสุตตานิบาตพระไตรปิฎกเล่ม25หเป็นตน้นจึงเห็นได้ชัดว่าการนำคำที่เรียกว่าเป็นของพรามาใช้ในพระพุทธศาสนาในความหมายใหม่นั้นเป็นเรื่องตามธรรมดาธรรมชาติตรงไปตรงมาและโดยชอบธรรม หากบาดหลวงจะนําคําพุทธไปใช้ขอโปรโดให้อยู่ในระบบเทียบเคียงแต่ในฝ่ายนักสอนศาสนาคริสตที่ชาวพุทธจะต้องติเตือนหรือต่อว่านั้นก็เพราะว่าศา ส, สนาคริสตมาจากตะวันตกมีถ้อยคําของตัวเองอยู่แล้วถ้ามาเมืองไทยแล้วหาคําแปล ى, เพื่อใช้แบบเทียบเคียงเท่านั้นชาวพุทธไม่ควรว่าอะไร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 หลายอย่างต้องยอมรับว่าปัญหาก็มาจากชาวพุทธเองด้วยคือการที่เรามีลักษณะเรื่อยๆเฉยๆไม่ค่อยจะถืออะไรเป็นจริงเป็นจังจึงกลายเป็นคนที่ตกอยู่ในความประมาทแล้วก็มาเข้ากับลักษณะที่ว่าอยู่สบายๆก็เลยประมาทถ้าจะเป็นชาวพุทธจริงก็ต้องไม่ประมาทได้ทั้งๆที่สุขสบายหรือว่าทั้งๆที่สุขสบายก็ไม่ประมาท อีกอย่างหนึง่งนอกจากความประมาทก็คือความเป็นคนใจกว้างจนไม่มีหลักเรื่องนี้ขอเล่าตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการ์เชิงเปรียบเทียบเห็นได้ชัดดีเมื่อหลายปีมาแล้วยังอยู่ในกรุงเทพวันหนึ่งมีคนยิวมาหาที่วัดทั้งที่ไม่รู้จักกันสักหน่อยมีคนแนะนำว่าถ้าเขาอยากจะปรึกษาเรื่องนี้จะไปที่ไหนก็ไปหาที่วัดเขาเล่าว่า ตัวเขาเป็นคนอยู่เดินทางมากับพัญญาซึ่งมาทําวิทยานิพนธ์อยู่ที่โรงพยาบาลคริสตแห่งหนึ่งในเมืองเหนือก็บอกชื่อชัดเจนเลยแต่อัตมาขอสงวนชื่อไว้เขาบอกว่าเขาได้เห็นภาพที่เขาไม่สบายใจว่าทําไมเมืองไทยปล่อยอย่างนี้คือที่โรงพยาบาลนั้นนักบวชหรือศาสนจารย์ของศาสนาคริสตเอาข้าวของรางวัลเงินทองให้ เพื่อชักชวนคนไทยเป็นนับถือศาสนาคริสต์การที่จะให้คนเป็นนับถือศาสนาด้วยวิธีการเอาอามิดเหยื่อล่อนี้เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ในประเทศของเขาถือว่าต้องไล่ออกจากประเทศเลยแต่ทําไมเมืองไทยจึงปล่อยเขาว่าอย่างนั้นเขาเป็นคนต่างประเทศเขายังไม่สบายใจทนไม่ได้ที่จะมองเห็นอย่างนั้นทําไมคนไทยจึงปล่อย สภาพเป็นอย่างนี้ก็เพราะคนไทยเราไม่รู้จักปัญหาใครจะทำอะไรก็ทำไปฉันไม่ถือฉันไม่คิดอะไรเพราะว่าใจกว้างทีนี้ใจกว้างเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขามีเจตนาอย่างไรก็กลายเป็นความเคลาที่ทำให้เป็นเหยื่อเข้าไปเพราะฉะนั้นในความใจกว้างนั้นจึงจะต้องมีความรู้และไม่ประมาท แม้ว่าเราจะใจดีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีเมตตาแต่เมตตานั้นต้องมากับปัญญาไม่ใช่เมตตาลอยๆถ้าเมตตามากับโมหะความโง่ก็หมดเท่านั้นไม่มีอะไรเหลือเรื่องของคนไทยที่ปล่อยให้ความไม่รู้มาคู่กับความใจกว้างนี้เป็นปัญหามากแล้วก็เป็นปัญหากับคนสมัยใหม่ที่ว่ามีการศึกษาดีด้วย คนสมัยใหม่นี้ไปเรียนต่างประเทศกันมากแล้วกลับมาเป็นผู้ปกครองบริหารบ้านเมืองแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องประเทศของตัวเองรวมทั้งไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาด้วยแม้แต่เรื่องประชาธิปไตยบางทีก็ทำเป็นประชาธิปไตยกันไปเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ก็แสดงขึ้นมาว่าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยอะไรต่างๆแต่น่าสังเกตว่า ถ้าใครพวกไหนรุนแรงเขาจะไม่กล้าจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นก็แล้วแต่พอเจอพวกรุนแรงเข้าก็เงียบแต่สำหรับชาพุทธเนี่ยเป็นคนอ่อนๆถ้าชาพุทธทำอะไรนิดๆหน่อยๆพวกนักประชาธิปไตยแบบนี้จะออกมาว่าแต่ถ้าเป็นพวกศาสนาที่รุนแรงออกมาเขากลับเงียบเลยหรือมิฉนั้นก็ออกมาเอาใจอีกด้วย แม้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญเวลานี้ก็อ้างกันหนักจนไม่รู้ขอบเขตว่าอะไรแค่ไหนอย่างในเรื่องพุทธศาสนาก็เหมือนกับว่าเขาจะเอารัฐธรรมนูญมาตาัดสินธรรมวินัยบางคนก็จะเอาสิทธิมนุษยชนมาตาัดสินความจริงของธรรมชาติประชาธิปไตยจริงต้องเอาเหตุเอาผลเอาความจริงความถูกต้องและยอมรับหลักการ ไม่ใช่เอาแต่ความต้องการต้องหาความรู้ไม่ใช่อยู่กันแค่ความเห็นต้องวิจัยด้วยไม่ใช่เอาแค่วิจารณ์ไม่ใช่แค่กล้าสแสดงออกแต่ต้องมีสาระที่จะเอามาแสดงด้วยสภาพที่เป็นอยู่เวลานี้ทำให้น่ากลัวว่าถ้าเอาแต่แสดงออกกันเรื่อยไปแต่เจอด้านไหนรุนแรงนอกการเมืองก็สยบอย่างนี้ก็แย่ สังคมของเราจะไปไม่ไหวหลายคนที่ไปเรียนกลับมาจากเมืองนอกนั้นนอกจากไม่รู้จักประเทศของตัวเองแล้วมักไม่รู้จักฝรั่งจริงด้วยทั้งที่ไปเรียนอเมริกาแต่ไม่ได้ใส่ใจศึกษาให้รู้เข้าใจรากเง่าพื้นแพรภูมิหลังของเขาเรื่องศาสนาที่เขาแบ่งแยกรัดกับศาสนานั้นที่แท้มันเป็นอย่างไรมีเหตุผล มีภูมิหลังเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สักแต่ว่าเมื่อเขามีแบบมีแผนมีกฎหมายอย่างไรก็อยากจะนํามาใช้การที่นําแบบแผนของเขามาโดยไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเรานี้เป็นการกระทําที่ก่อผลเสียหายเป็นการทําลายมากกว่าจะสร้างสรร์ถ้าว่าในแง่ของการบริหารประเทศชาตินี้ต้องถือว่าอาภัยไม่ได้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 ส่วนชาวบ้านก็ฝันหวังลาบลอยคอยขูดหาเลขหวยกราบไหว้สัตว์วิปลาดพิการภายในนี้ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้คือความไม่รู้คนมากมายทั้งที่เป็นคนไทยบอกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรไม่รู้ว่าเชื่ออย่างไรถูก เชื่ออย่างไรผิดจะเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้มากมายมีข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ว่าไปขูดต้นไม้หาเลขหาหวยบ้างสัตว์เกิดมาพิการขาหางไม่เต็มหรือมีอวัยวะวิปริตก็ไปกราบไปไหว้ขอหวยอย่างนี้หรือคือชาวพุทธเคยบอกว่าเอลูกสัตว์พิการเกิดมาคนพากันไปกราบไหว้แล้วทาไมลูกคนประเสริฐกว่าเมื่อลูกคนเกิดมาพิการ ทำไมไม่ไปกราบไปไหว้ไปกราบไหว้ลูกคนที่พิการยังดีกว่าแต่นี่ลูกคนเกิดมาพิการกลับไม่เอาใจใส่ลูกสัตว์เกิดมาพิการไปกราบไปไหว้เห็นเป็นเรื่องดีไปได้เป็นเรื่องแปลกๆรวมแล้วก็คือคนไทยเนี่ยไม่รู้จักพระพุทธศาสนาไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อถือ และมีการปฏิบัติที่วิปริตผิดเพี้ยนต่างๆเมื่อเป็นอย่างนี้เราเอามายงกับสภาพสังคมปัจจุบันเราบอกว่าไทยเป็นประเทศพุทธศาสนาทำไมจึงมีปัญหามากมายตั้งแต่เรื่องอาชญากรรมตลอดจนพฤติกรรมอะไรแปลกๆอย่างที่ท่านประธานเสวนาได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้รวมทั้งเรื่องในโรงเรียนเรื่องเด็กและอื่นๆที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า คนที่เป็นชาวพุทธนี้ไม่รู้จักพุทธศาสนาแต่เหินห่างจากพระพุทธศาสนาออกไปแล้วเชื่อถือผิดปฏิบัติผิดจึงเกิดปัญหาขึ้นพูดสั้นๆ ส, สรุปว่าปัญหาไม่ใช่เป็นเพราะนับถือพุทธศาสนาแต่เป็นเพราะคนไทยละทิ้งพุทธศาสนาเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้ก็พูดได้เลยว่า วิธีแก้ปัญหาสังคมไทยนั้นง่ายๆตรงไปตรงมาในเมื่อคนไทยซึ่งส่วนใหญ่95อร์ซ์หรือในหลายถิ่นส่วนมากเต็มร้อเปอร์เซ็นเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่รู้จักพุทธศาสนาจึงได้เชื่อผิดปฏิบัติผิดและก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมายเพราะฉะนั้นการแก้ไขซึ่งง่ายที่สุดคือให้เขารู้จักพุทธศาสนาเสีย ขอคนที่เป็นชาวพุทธหรือชื่อว่าเป็นชาวพุทธหรือเรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธเหล่านี้มารู้จักพระพุทธศาสนาเชื่อถูกปฏิบัติถูกแล้วก็แก้ปัญหาสังคมเสร็จไปในตัวเลยทำไมจะไปต้องคิดอะไรต่ออะไรหาทางแก้ปัญหากันซับซ้อนเรากับเป็นปัญหายุ่งยากให้มันวุ่นวายเช่นจะจัดการศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้จะเอาอนุนอันนี้มาแก้ปัญหา แล้วก็ไม่ตรงจุดเลยทั้งที่เรื่องก็ชัดอยู่แล้วว่าชาวพุทธไม่รู้จักพุทธศาสนาจึงยุ่งก็แก้ให้รู้เสียพอแก้ให้รู้แล้วคนปฏิบัติถูกก็จะได้ผลเองเป็นการแก้ปัญหาสังคมเสร็จไปในตัวแต่อย่างนี้เรากลับไม่เอาใจใส่จะไปใช้วิธีแก้ปัญหาแบบอ้อมไปอ้อมมาอย่างเดียวกันนี่แหละ ในเรื่องปฏิรูปการศึกษาก็ได้เคยบอกว่ามีคำถามหลักอยู่ข้อหนึ่งที่ต้องขอให้ตอบคือที่ถามเมื่อกี้ว่าคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิก 95% นั้นไม่รู้จักพุทธศาสนาจริงหรือไม่ถ้าตอบว่าจริงทางแก้ปัญหาก็ตามมาทันทีว่าทำอย่างไรจะให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยทั่วประเทศได้เรียนพุทธศาสนา ได้รู้จักคำสอนของศาสนาที่ตัวเขาเองบอกว่าเขานับถืออันนี้คือการปฏิรูปการศึกษาที่ตรงปัญหาและตรงตามเหตุปัจจัยที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ขอย้าว่าเพราะที่ผ่านมานี้ชาวพุทธไม่รู้จักพุทธศาสนาจึงทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้แต่พอจะปฏิรูปการศึกษากันเรากลับไปพูดเรื่องอื่น จะส่งเสริมอย่างโน้นอย่างนี้แต่ตัวปัญหาหลักยังไม่ได้ตอบเพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิรูปการศึกษาในแง่ที่เกี่ยวกับพระศาสนาหรือในแง่ที่เกี่ยวกับศิลธรรมจริยธรรมอะไรนี้ก็ขอให้ตอบคำถามหลักนี้ก่อนว่าในโรงเรียนที่มีอยู่ทั่วประเทศเด็กนักเรียนที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยนี้ทาอย่างไรจะให้ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ให้สมกับชื่อที่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิ ก, กชนยิ่งกว่านั้นเวลานี้ก็รู้ๆเห็นๆกันชัดเหลือเกินว่าสภาพแวดล้อมทั่วไปกระแสสังคมและความนิยมวัฒนธรรมต่างประเทศมีถดทอให้เด็กและเยาวชนห่างเหินออกไปจากความเป็นไทยไม่ได้ยินได้ฟังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ห่างเหินออกไปจากวัฒนธรรมของตัวและตกต่ำในทางศิลธรรมจัญญาในภาวะเช่นนี้ถ้าจะทําให้ถูกให้ดีการศึกษาจะยิ่งต้องเน้นต้องย้ําต้องให้การเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาและศิลธรรมจัญญาตลอดจนเรื่องวัฒนธรรมกระชับหนักแน่นมั่นคงสวนกระแสและแก้ไขความเสื่อมโทมนั้นแต่นี้การศึกษากลับทําท่าจะพลอยเลอะ เลื่อนไหลลงไปตามและซ้ำเติมกระแสที่โสมซามนั้นด้วยทั้งที่เป็นสิทธิ์ของตัวและต้องร่วมรับผิดชอบกลับทำตัวเป็นคนนอกเหมือนบอกว่าฉันไม่เกี่ยวต่อไปก็คือคนไทยเราชาวพุทธ ไม่มีจิตสํานึกในความเป็นเจ้าของที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบพระพุทธศาสนาเรื่องนี้สังเกตได้ว่าเป็นมานานแล้วคือเวลามีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นคนไทยที่บอกว่าตัวเป็นชาวพุทธนั้นจะวิจารณ์เหตุการณ์เหมือนกับว่าตัวเป็นคนนอกหรือเหมือนกับว่าฉันไม่เกี่ยวไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธว่าฉันมีส่วนร่วมด้วยฉันจะต้องรับผิดชอบ ฉันจะต้องร่วมแก้ไขได้แต่วิจารณ์ติว่ากันไปกลายเป็นเรื่องของคนอื่นอย่างพระประพฤติไม่ดีก็ว่าพระประพฤติไม่ได้เรื่องแทนที่จะมองว่าเกิดภัยอันตรายขึ้นแล้วแก่พุทธศา ส, สนาแล้วฉันจะต้องทําอะไรหรือฉันมีความรับผิดชอบอย่างไรบางทีดีไม่ดีก็จะยกศาสนาไปให้เป็นของพระเสียเลยเหมือนกับว่าพระเนี่ย เป็นเจ้าของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นของพุทธบริษัทสพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วพุทธบริษัททั้งสี่ไม่ใช่มีแค่พระฝ่ายเดียวแต่มีทั้งพระสงฆ์และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาหรือบรรพชิตและรคฤหัสทั้งหมดนี่เป็นเจ้าของพุทธศาสนาเรามีสิทธิเท่ากันญาติโยมถ้าอยากจะบวช ก็มีสิทธิ์ที่จะบวชเท่ากับพระที่บวชมาแล้วเหมือนกันในเมื่อพุทธบริษัททุกคนมีสิทธ์เท่ากันทีนี้บางคนในหมู่พวกเราเองก็ใช้สิทธิ์นี้เข้ามาบวชแต่บางคนเข้ามาแล้วไม่ซื่อก็เข้ามาทำผิดทำพลาดเสียหายเข้ามาเอามาสแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองคนอย่างนี้เราจะยอมให้เขาเป็นเจ้าของพุทธศาสนาหรือที่จริงนั้น เขาเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาจะเอาประโยชน์จากพระศาสนาเขามีหน้าที่และมีสถานะเหมือนกับเราเมื่อเขาทำไม่ถูกเราก็ต้องเอาเขาออกไปแล้วเรื่องอะไรไปยกศาสนาให้เขาหรือทำเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาเวลาเขาทำอะไรไม่ดีก็กลายเป็นว่าพุทธศาสนาไม่ดีอย่างนี้เป็นการคิดผิด เพราะฉะนั้นขอให้คิดเสื้อใหม่ถ้ามีพระประพฤติไม่ดีต้องคิดว่าพระองค์นี้ก็เหมือนอย่างพวกเรานี่แหละคือเป็นคนหนึ่งอย่างเราเราแต่เขาใช้สิทธ์เข้าไปในนั้นคือเข้าไปอยู่วัดหรือเข้าไปบวชเสร็จแล้วเมื่อเขาประพฤติไม่ดีไม่สมกับการที่จะใช้สิทธินี้เราก็บอกให้เขาออกมาเสียก็จบไปแต่ถ้าท่านประพฤติดี เราก็ส่งเสริมสนับสนุนเพราะว่าพุทธศาสนายกย่องคนที่มีเจตนาดีเป็นกุศลซึ่งต้องการเข้ามาฝึกตนการที่มาบวชนี้ก็เป็นการเข้ามาฝึกตนหรือเข้ามารับสิกขาคือการศึกษาของพระพุทธศาสนาหมายความว่าเข้ามาฝึกตนในศีลสมาธิปัญญาใครที่มีเจตนาดี ้อมที่จะฝึกตนให้เจริญในไตรสิกขาเราก็ให้เกียรติเคารพ ก, กราบไหว้แต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรจะเป็นไม่ยอมรับสิกขาเราก็ไม่ยอมให้อยู่เหมือนกันเพราะเขาหมดสิทธ์แล้วอันนี้ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของชาวพุทธนั่นเองในเมื่อทุกคนมีสิทธ์เท่ากันก็ใช้ความถูกต้องใช้ธรรมวินัยตัดสินเพราะฉะนั้น ต้องตั้งจิตคิดกันใหม่ถ้าขืนไปตั้งใจแบบยกศาสนาให้เป็นของพระไปหรือตัวไม่เกี่ยวไม่มีความสำนึกในความรับผิดชอบแบบนี้พระศาสนาก็อยู่ไม่ได้เรื่องนี้ต้องรีบแก้ไขที่ว่าวางเฉยมีอุเบกขาไม่แน่นะว่าจะดี ถ้าเฉยไม่รู้เฉยเฉยมยกลายเป็นเฉยโง่ยิ่งเต็มทีท่าทีการมองอีกอย่างหนึ่งเป็นท่าทีที่ผิดมานานแล้วในสังคมไทยคือมองไปว่าถ้าใครไม่เอาเรื่องเอาเราเรียกว่าวางเฉยก็ถือว่าดีทําท่าจะยกให้ว่าเป็นผู้หมดกิเลสอันนี้เป็นอันตรายมากต่อพระพุทธศาสนา คือเป็นนึกว่าทำอย่างนั้นเป็นอุเบกขาอุเบกขามีหลายอย่างแต่อุเบกขาที่เป็นหลักใหญ่มีสองอย่างคืออุเบกขาที่ถูกกับอุเบกขาที่ผิดอุเบกขาที่ถูกนั้นเป็นธรรมชั้นสูงมากับปัญญาคือมีปัญญาที่รู้และทำให้วางใจพอดีได้เหมือนที่บอกตอนต้นว่าญาติโยมฟังเรื่องนี้ ให้เป็นเรื่องของปัญญาที่ต้องรู้และต้องวางใจให้อยู่ในความสงบได้ไม่ใช่เป็นไปตามอารมณ์อย่างนี้แหละถ้าวางใจพอดีได้ก็คือฝึกในธรรมข้ออุเบกขาคือรู้ละวางตัววางใจสงบเรียบแต่ต้องไม่ประมาทด้วยเหมือนอย่างเวลาเกิดเหตุตุ่มตามหน้าตื่นเต้นขึ้นมาจะมีคนสามประเภทพวกที่หนึ่ง คือคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้พวกนี้ก็เฉยแต่เฉยเพราะไม่รู้พวกที่สองคือคนที่รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งรู้แต่ว่าเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแต่ไม่รู้ว่าเรื่องไปอย่างไรมาอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรก็ลุกขึ้นเต้นโวยวายโวยวายพวกนี้ก็ทำให้เรื่องยิ่งวุ่นและบางทีก็ทำให้สถานการณ์เลวร้ายหนักเข้าไปอีก พวกที่สามคือคนที่รู้จริงแลรู้ทางแก้ไขด้วยพวกนี้จะนิ่งและเฉยได้ด้วยความรู้อย่างนี้แหละคือที่เราต้องการคือเพราะรู้เข้าใจและมองออกว่าเรื่องเป็นอย่างไรและจะต้องแก้ไขอย่างไรมีขั้นตอนและจังหวะอย่างไรจึงวางไว้ในใจเพื่อจะปฏิบัติการเมื่อถึงจุดนั้นเวลานั้นแต่ระหว่างนี้ก็วางท่าทีเฉย นิ่งเป็นกลางอยู่อย่างนี้คือที่เขาเรียกว่าอุเบกขาแท้ซึ่งเป็นอุเบกขาด้วยปัญญาถ้าเป็นอุเบกขาของพวกที่ไม่รู้แล้วเฉยท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาแปลว่าเฉยด้วยไม่รู้แปลเป็นไทยว่าเฉยงโง่ต้องระวังเราต้องเฉยให้ถูกต้องคือเฉยด้วยปัญญา อย่าให้เป็นอุเบกขาแบบเฉยไม่รู้เรื่องเฉยเมยเฉยเมิเเมนเฉยไม่เอาเรื่องเอาเราวคือเฉยโง่ที่เรียกว่าอัญญานุเบคขาปล่อยวางได้คือจิตใจของบัณฑิตแต่ถ้าปล่อยปละละเลยก็ผิดกลายเป็นกรรมของคนผ่าน ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาท่านให้ถือกิจส่วนรวมเป็นสำคัญตามหลักพระวินัยกิจของสงฆ์พระภิกษุทุกรูปต้องเคารพให้เป็นใหญ่แม้แต่พระอรหันต์จะไปเข้านิโรธสมาบัติก็ต้องวางใจไว้ก่อนว่าถ้ามีเรื่องส่วนรวมของสงฆ์เกิดขึ้นต้องออกจากนิโรธสมาบัติทันทีเวลาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้น เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพานมีพระรูปหนึ่งพูดไม่ดีว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็ดีเหมือนกันเพราะเมื่อพระองค์ยังอยู่ก็ทรงกำชับโน่นกำชับนี่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เราจะทำอะไรก็ไม่สะดวกเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้ตามสบายแล้วพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้ใหญ่ได้ยินเท่านี้ ก็กระตือรือร้อนขวนขวายไปหารรือกับพระอรหันต์องค์อื่นแล้วชวนทำสังคยาพระมหากรสปานี้เป็นพระที่ถือทุดงตลอดชีวิตอยู่ป่าแต่ในฐานะเป็นพระอรหันต์เมื่อมีเรื่องส่วนรวมท่านจะไม่นิ่งเฉยคือมีอุเบกขาให้พร้อมที่จะทำการต่างๆอย่างมีปัญญาท่านจึงเป็นหัวหน้าในการที่จะกระตือรือร้อน ลุกขึ้นมาชักชวนให้จัดประชุมสังคยนาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เช่นพระมหากสปานี้จึงเป็นแบบอย่างของพระที่มองดูเผลนๆเหมือนกับว่าท่านไม่เอาเรื่องทางสังคมแต่ที่จริงท่านไม่ได้เฉยไม่ได้นิ่งไม่ได้ปล่อยปลาละเลยถ้าพูดสรุปด้วยสาวะ ก, ก็คือปล่อยวางได้แต่อย่าให้กลายเป็นปล่อยปละละเลย ปล่อยวางเป็นเรื่องของจิตใจที่ไม่ยึดติดถือมัน่นแต่ปล่อยปละละเลยคือความประมาทเป็นอกุศลเป็นความเสื่อมเข้าหลักที่ว่าประมาโทโมัจจุโนโอปังแปลว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายฉะนั้นต้องแยกให้ถูกว่าเป็นการปล่อยวางหรือปล่อยปละละเลยถ้าปล่อยวางได้ก็ดี แต่ถ้าปล่อยประละเลยก็กลายเป็นประมาทผิดใช้ไม่ได้พระอระหันมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเป็นผู้ที่ไม่อาจจะประมาทขอให้ไปอ่านหลักดูเถอะพระอระหันเป็นผู้ปล่อยวางในทางจิตใจเพราะท่านไม่ยึดติดอะไรแต่เพราะท่านไม่ยึดติดอะไรนี่หละจึงหมายถึงว่าท่านไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเอง คือไม่มีกิเลส ท, ที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองเลยท่านจึงยกชีวิตนี้ให้เป็นของส่วนรวมเพื่อทําประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทั้งปวงให้เต็มที่พูดตามภาษาพระว่าพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะคือเพื่อประโยชน์สุขแก่พระหูชนเพื่อเกื้อกูลแก่ชาวโลก พระพุทธเจ้าทําไมตรัสรู้แล้วจึงเที่ยวจาริกไปโปรดสัตว์ยังไม่เห็นแกเน็ตแก่เหนื่อยเดินทางไปไหนก็ได้นอนกลางดินกินกลางทรายได้ก็เพราะไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองจึงทรงยกกําลังพระชนชีพให้แกส่สัพพสัตว์อันนี้เป็นลักษณะ ข, ของพระอระหันต์เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีกิจที่จะต้องทําเพื่อตอนเองอีกต่อไปนี้แหละ คือคติของพระอระหันต์ท่านนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นคนไทยชาวพุทธจะต้องคิดเรื่องนี้ให้มากเมื่อเป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมพระอระหันต์จะต้องมาเป็นผู้นำในการที่จะกระตือรือร้อนขวนขวายทําการที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยด้วยเหตุนี้ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาจึงมีหลายครั้งที่ว่า บางทีพระอระหันต์ก็ถูกลงโทษโยมคงสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรใครจะลงโทษพระอระหันต์ที่ว่านี้ไม่ใช่คฤรืหั์มาลงโทษแต่เป็นเรื่องของที่ประชุมสงฆ์ได้มีการลงโทษพระอระหันต์ลงโทษอย่างไรขออธิบายว่าเวลามีเรื่องของส่วนรวมเช่นมีเหตุการณ์กระทบกระเทือนต่อประโยชน์สุขหรือความมั่นคงของพระศาสนาขึ้น พระสงฆ์ที่รับผิดชอบการพระาศาสนาโดยเฉพาะพระอรหันต์จะมาประชุมกันเพื่อพิจารณาปรึกษาว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจะมอบให้ใครทำหน้าที่อะไรอย่างในเรื่องพระนาเคเษนมีปัญหาส่วนรวมเกิดขึ้นพระอรหันต์ก็มาประชุมกันและพิจารณาว่าพระองค์ใดมีความสามารถที่จะมาช่วยได้ถ้าองค์นั้นไมมาในที่ประชุม ก็ดูว่าทำไมไม่มาเช่นมัวไปหาความสงบห่างไกลในป่าเสียไม่เอาภาระของที่ประชุมหรืองานของสงฆ์เท่าที่ควรท่านก็ลงโทษการลงโทษพระอระหันต์ก็คือเรียกตัวมาแล้วก็มอบภาระให้หมายความว่ามอบงานให้ทำไม่ใช่ลงโทษอะไรที่เสียหาย อย่างกรณีพระนาคเกษก็คือเมื่อประมาณพุทธศักราช500มีกษัตรินักปราชพระนามว่ามิลินซึ่งมีเชื้อสายกรีกเรียกแบบกรีกว่าเมนันเดอร์ได้ถามปัญหาโตวาทากับนักบวช ท, ทั้งหลายในชมพูทวีปจนกระเทือนไปทั่ววงการพระพุทธศาสนาก็พลอยกระเทือนไปด้วยครั้งนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงมาประชุมกันเพื่อหาตัวพระที่จะโตให้ทันพระยามิลิน และตกลงว่าจะต้องฝึกเด็กขึ้นมาเวลานั้นพระอระหันต์องค์หนึ่งชื่อโรหณนะขาดประชุมที่ประชุมเลยลงโทษโดยมอบภาระให้ไปติดตามดูและเอาตัวเด็กชายนาคเสนมาบวชและสั่งสอนให้การศึกษาจนกระทั่งมีความรู้ความสามารถที่จะไปโต้วาทะช่วยรักษาพระศาสนาได้นี่คือคติพระอระหันต์ที่เรามีหลักปฏิบัติกันมา ดังนั้นชาวพุทธจะต้องตั้งท่าทีให้ถูกต้องว่าพระอระหันต์เป็นผู้นำของพระศาสนาเป็นผู้นำของพุทธบริษัทเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อประโยชน์สุขของโวนรวมและจะไม่ปล่อยปลาละเลยเพราะว่าการปล่อยปลาละเลยนั้นเป็นความประมาทอย่างที่ว่าแล้ว อย่ามองแต่ผลวิจารณแค่เปลือกผิวต้องใช้ปัญญาอย่างเหตุปัจจัยให้เห็นไกลให้เห็นยาวอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นภัยภายในสาคัญที่ท่านประธานเสวนาก็ได้พูดยกตัวอย่างไปบ้างแล้วเช่นจับพระที่ยักยอกเงินวัดเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสื่อมในวงการพระสงฆ์ซึ่งเราจะต้องยอมรับความจริงว่า เวลานี้ปัญหาของเรามีมากทีเดียวเรื่องความเสื่อมนี้ได้พูดมานานแล้วพูดแล้วพูดอีกพูดจนกระทั่งว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรบอกว่าเหมือนกับถูกพัดพามากับกระแสน้ำที่ไหลมาจวนจะตกเหวควรจะรีบตะเกียกตะกายออกจากกระแสน้ำที่มันจะไหลลงเหวเสียโดยเฉพาะก็คือว่าปัญหาของเรามันสะสมมานานมันหมักหมมหลายชั้น ไม่ควรจะมัวดูแต่ผลปลายที่ปรากฏผลที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นเพียงอาการปรากฏของโรคเท่านั้นเหมือนแผลผุพองสิ่งที่เราจะต้องแก้ก็คือเลือดเสียลมเสียน้ำเหลืองเสียอะไรต่างต่างเหล่านี้จะต้องดูว่าสาเหตุมาจากไหนแล้วไปแก้ที่นั่นธ้ามิมาพูดมาบ่นกันเฉพาะอาการปรากฏนี่มันแก้ไขอะไรไม่ได้ เราต้องดูว่าการที่มีปรากฏการปัญหาความเสื่อมต่างๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นมานั้นเป็นเครื่องฟ้องว่าการพระาศาสนาของเรารวมทั้งวงการพุทธบริษัทนี้ได้เสื่อมมานานแล้วเนื่องจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ได้สร้างกันมาทำให้กระแสความเสื่อมหมักหมมจนกระทั่งแสดงผลออกมาเป็นแผลผุพองเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปแก้สาเหตุของมัน แต่อาการปรากฏชั่วคราวเฉพาะหน้าก็แก้ด้วยไม่ใช่ทิ้งคือต้องแก้ทั้งสองอย่างแก้เฉพาะหน้าระยะสั้นกับแก้ลงไปถึงเหตุปัจจัยระยะยาวปัญหาสำคัญของเราเวลานี้ที่เป็นเหตุปัจจัยของปัญหาทั้งหลายข้อสำคัญที่สุดคือสภาพขาดการศึกษาโยมลองดูเถอะในต่างจังหวัดมากมายพระใหม่บวชเข้ามาไม่ไดเรียนอะไรเลย การบวชตามประเพณีตามคติโบราณเรียกว่าบวชเรียนเราได้ยินกันเรื่อยมาว่าบวชเรียนบวชเรียนแต่เดี๋ยวนี้เหลือแค่บวชเฉยๆที่ว่าบวชตามประเพณีเวลานี้มักบวชเพียงให้ได้ชื่อว่าบวชพ่อแม่ก็เอาจริงเอาจาังด้านพิธีบางทีก็จัดงานเลี้ยงและฉลองจนกระทั่งว่าหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่บวชไม่กี่วันศึกมาแล้ว แต่พ่อแม่ยังเป็นหนี้ต่อไปในต่างจังหวัดมากทีเดียวเวลาบวชลูกบางทีต้องไปกู้เงินเข้ามาเลี้ยงโตจีนเป็นสรรสนแล้วลูกบวชแค่ครึ่งเดือนเดือนหนึ่งหรือแม้แต่เจ็ดวันบวชเข้าไปแล้ววัดนั้นบางทีไม่ได้สอนอะไรก็ไปอยู่เฉยๆและทีนี้ถ้ายิ่งเป็นวัดที่มีปัญหาไปเห็นพระประพฤติไม่ดีคนที่บวชเข้าไป ก็ยิ่งเบื่อนายพระศาสนาออกมาอีกพระธรรมวินัยก็ไม่รู้จักเงินทองก็สิ้นเปลืองไปเปล่าไม่ได้อะไรขึ้นมาแถมกลายเป็นโทษบวชแล้วก็สักแต่ว่าบวชผ่านานไปสภาพเช่นนี้เกิดมีขึ้นมากมายจนน่ากลัวอย่างยิ่งเราต้องให้พระที่บวชเข้ามานี้ได้เรียนคำว่าเรียนก็คือได้เรียนพระธรรมวินยัยทั้งเล่าเรียนปริัต และได้เรียนโดยการประพฤติปฏิบัติเช่นการทากิจวัตรต่างๆและการฝึกจิตเจริญปัญญาที่เรียกว่าเรียนนั้นไม่ใช่เฉพาะต้องเรียนในห้องเรียนไม่ใช่เรียนเฉพาะคำสอนคำว่าศึกษาหรือเรียนนี้ก็คือเรียนด้วยชีวิตจริงจากการเป็นอยู่อย่างพระภิกษุและฝึกฝนปฏิบัติต่างๆคือฝึกอบรมกายวาจาใจและปัญญา เรียกตามหลักว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเราจะต้องพยายามฟื้นฟูให้การศึกษาเล่าเรียนมีขึ้นมาให้ได้ผู้ที่บวชเข้ามาแล้วนี้อย่าให้บวชเปล่าต้องให้สมกับชื่อที่ว่าบวชเรียนให้ได้เพราะทัดขาดการศึกษาแล้วก็จะปฏิบัติไม่ถูกเมื่อปฏิบัติไม่ถูกพระศาสนาก็เลอะเลือนเพราะพระทำผิดทำพลาดเขวออกไป อย่างผู้ที่บวชมาแล้วบางท่านบางทีก็เจตนาดีอยากจะสงเคราะห์ชาวบ้านไม่ได้มีอากุศลจิตอะไรเลยแต่เพราะไม่ได้เล่าเรียนไม่รู้ว่าอะไรเป็นหลักพระศาสนาจะแนะนำสั่งสอนเขาก็ไม่เป็นแต่อยากจะสงเคราะห์ชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปช่วยเขาอย่างไรเมื่อไม่มีวิธีช่วยอย่างอื่นก็เบิดทำเรื่องนอกรีดนอกรอยเช่นให้หวย เรียกว่าเป็นพวกที่เจตนาดีแต่ทำไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้เรียนรู้ไม่มีธรรมะที่จะสอนเขาส่วนอีกพวกหนึ่งมีเจตนาไม่ดีมาแต่ต้นคือพวกบวชเข้ามาใช้วัดเป็นแหล่งหากินและใช้ผ้าเหลืองเป็นเครื่องมือหลอกชาวบ้านพวกนี้เห็นได้ชัดว่าต้องทำให้พระศาสนาเสื่อมอย่างแน่นอนขอให้สังเกตปัจจุบัน และดูบทเรียนจากอดีตว่าพระพุทธศาสนานี้มักจะเสื่อมในเวลาที่จเจริญที่สุดเมื่อไร่พระพุทธศาสนาจเจริญที่สุดแล้วก็จะเสื่อมเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังมากเมืองไทยเรานี้เป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาจเจริญมากแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องระวังไม่ประมาทอย่างยิ่งเพราะความเสื่อมพร้อมที่จะเข้ามา พระพุทธศาสนาเสื่อมในเวลาเจริญเนี่ยเป็นอย่างไรก็หมายความว่าเมื่อพุทธบริษัทมีศรัทธาญาติโยมมีความเลื่อมใสในพระศาสนาก็ทานุบบำรุงกันใหญ่เมื่อทานุบบำรุงกันมากคนที่บวชเข้ามาก็มีลาบสักการะมากและเป็นอยู่สบายบางทีญาติโยมบำรุงอย่างชนิดบำรเรหรือปลนเปเรเเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าพระไม่มีสติ และไม่กวดขันให้การศึกษากันให้ดีก็จะเผลอและเห็นแก่ความสุขสบาย 1. พระสงฆ์ก็จะประพฤติย่อหย่อนลงแล้วก็ประมาทเมื่อพระประมาทก่อนแล้วญาติโยมก็ประมาทตาม 2. พวกที่อยู่ข้างนอกก็เห็นเป็นช่องทางหรือเป็นโอกาสว่าถ้าได้เข้ามาบวชพระแล้วก็จะสบายหากินได้ง่ายจึงบวชเข้ามามากมาย เพื่อเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องมือและใช้วัดเป็นแหล่งหากินตัวอย่างมีมาเรื่อยเช่นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากบ้านเมืองอย่างมากเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญมากก็เกิดปัญหาตามมาคือเดียร์ถีปลอมบวชกันใหญ่เพราะบวชเข้ามาแล้วสบายมีลาบหากินอย่างไรก็ได้พระเจ้าอาโศก เมื่อทรงทราบ ป, ปัญหาจึงจัดการแก้ไขโดยจัดการสอบความรู้พระแล้วจับศึกไปตั้งหก0มื่นองสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็เหมือนกันในเมืองไทยเรานี้พระพุทธศาสนาก็เจริญมีพวกบวชเข้ามาเพราะอยากอยู่สบายไม่ได้เล่าเรียนศึกษาสมเด็จพระนารายมหาราชก็ต้องจัดการสอบความรู้พระผู้ใดไม่มีความรู้สมเป็นพระ เมื่อเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาแล้วไม่รู้ธรรมวินัยเป็นไปได้อย่างไรฉะนั้นก็ไม่สมควรอยู่แต่สมควรศึกไปเสียได้ทรงให้ศึกไปเป็นจํานวนมากการจับศึกนี้ไม่ใช่เป็นการทําร้ายหรือฆ่าแกงอะไรเมื่อเขาห่มผ้าของพระภิกษุและใช้ชื่อของพุทธศาสนาแต่ตัวเขาไม่เป็นพระไม่ได้เป็นพุทธก็เพียงให้เขาสละออกไป เป็นการทำให้ตรงกับภาวะที่เขาเป็นจริงเท่านั้นทีนี้ชาวพุทธปัจจุบันนี้เรามีหลักเกณฑ์หรือมีวิธีการอะไรที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้บ้างไหมเวลาพระศาสนาเจริญแล้วเกิดมีร่องรอยของความเสื่อมเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขที่ว่านี้ไม่ได้มาสนับสนุนให้โยมจับพระศึกแต่หมายความว่า ให้เราไม่ประมาทคือมีวิธีปฏิบัติอยู่แล้วตั้งแต่โบราณท่านวางไว้ให้แล้วแต่เราไม่ได้เอามาใช้รักษาพระพุทธศาสนาคือรักษาพระธรรมวินยัยศึกษาให้รู้และใช้เป็นหลักวินิจฉัย ความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยหรือเรียกสั้นๆว่าบวชเรียนต้องเน้นต้องย้ากันไว้เพราะเป็นทั้งการรักษาพระพุทธศาสนาเป็นการทำให้พระพุทธศาสนาปรากฏและทำให้คนได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราพูดว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาก็ต้องรู้ว่าเนื้อตัวของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนหรือว่าอะไรเป็นเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา มีฉะนั้นพูดว่ารักษาพระพุทธศาสนาแต่อาจจะไปรักษาอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเลยซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพระพุทธศาสนาก็ได้บางทีก็ได้แค่เปลือกหรือเครื่องห่อหุ้มเหมือนจะรักษาคนกลับไปเอาขี้เหงื่อขี้ใครหรื อ, อยังดีก็ได้แค่เสื้อผ้าที่คนสวมใส่อะไรเป็นเนื้อเป็นตัวของพระพุทธศาสนา ถามว่าพระพุทธศาสนาเกิดจากไหนก็ตอบว่าเกิดจากพระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นหรือทรงค้นพบแล้วประกาศขึ้นมาคือพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ทรงนํามาเทศนาสั่งสอนพูดง่ายๆว่าเกิดจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือพระธรรมวินยัยซึ่งเป็นคําสั้นๆ ที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสงรรั่งสอนไว้จากพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือจากพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและจากพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็เกิดพระสาวกผู้ฟังและปฏิบัติตามและได้บรร ล, ลุผลแห่งพระธรรมวินัยนั้นเกิดมีสงฆ์ที่เป็นแหล่งศึกษาปฏิบัติสั่งสอนสืบทอดพระธรรมวินัยนั้น เกิดม <S an> ีวัดเป็นที่ให้พระอยู่และให้คนไปเพื่อได้ฟังได้เรียนได้ปฏิบัติได้ทำกิจกรรมที่จะให้ได้ประโยชน์จากพระธรรมวินัยเกิดมีพิธีกรรมที่จะเป็นขั้นตอนชักนำให้พระนำพระธรรมวินัยมาสื่อสารกับญาติโยมตลอดจนแม้กระทั่งเกิดภาษาศิลปะวัตถุโบราณสถานวัฒนธรรมต่างๆที่สืบเนื่องออกมามากมายจนกระทั่งถ้าคนมองไม่เป็น ก็จะถูกสิ่งเหล่านี้บังมองไม่เห็นเนื้อตัวของพระพุทธศาสนาสิ่งต้องย้ำกันไว้เสมอว่าแกนกลางหรือเนื้อตัวของพระพุทธศาสนานั้นก็คือพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงและบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เองว่าอา น, นุนโดยการที่เราล่วงับไปทและวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แต่ถ้าธรรมวินัยที่พระองค์สั่งสอนไว้ยังอยู่ก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เหมือนกันคือเรายังฟังยังรู้คำสั่งสอนของพระองค์และเอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเนื้อตัวแท้ๆของพระพุทธศาสนาจึงอยู่ที่พระธรรมวินัยนี้ และถ้าเราจะรักษาพระพุทธศาสนาก็ต้องรักษาพระธรรมวินัยไว้ให้ได้แล้วก็ถามต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าผรินิพานานาน2600กว่าปีแล้วพระธรรมวินัยที่เป็นคําสั่งสอนของพระองค์เป็นศาสนาแทนพระองค์นั้นมาถึงเราได้อย่างไรเราจะหาพระธรรมวินัยได้ที่ไหนก็ตอบพรวบพลัดง่ายที่สุดเลยว่า พระธรรมวินัยนั้นท่านจารึกไว้เป็นพระไตรปิฎกและพระสงฆ์ตั้งแต่พระสาวกรุ่นใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้รักษาสืบทอดกันมาด้วยการทรงจำสาทยายและจารึกไว้ด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกจึงเป็นที่บรรจุรวบรวมพระธรรมวินัยไว้และจึงใช้เป็นหลักในการศึกษาสั่งสอนพระพุทธศาสนา และเป็นมาตรฐานหรือเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าอะไรเป็นพระพุทธศาสนาหรือไม่บรรพบุรุษไทยเพียนรักษาพระไตรปิฎกไว้ขอให้เพียนนำมาเรียนมาใช้จะได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานที่ดีพระไตรปิฎกของดั้งเดิมนั้นเป็นภาษาบาลี เรียกว่าเป็นฉบับเทรวาสสืบต่อกันมาตั้งแต่พระสา ว, วก500องค์ที่ท่านเห็นทันฟังพระพุทธเจ้าประชุมกันรวบรวมธรรมวินัยไว้เรียกว่าสังคยนาพระธรรมวินัยหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานเพียงสามเดือนประเทศพุทธศาสนาอย่างเมืองไทยเรานี้ได้พยายามระวังรักษาพระไตรปิฎกเดิมที่เป็นภาษาบาลีไว้โดยถือเป็นกิจสาคัญสูงสุดของชาวพทธ ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์ลงมาดังเช่นมีการสังคยนาตั้งแต่สมัยล้านนาและครั้งที่กรุงศรีอยุธยาแตกถูกเผาแล้วเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติตั้งกรุงธนบุรีพระราชกิจสำคัญที่จะฟื้นฟู ร, รักษาพระพุทธศาสนาก็คือพอจัดบ้านเมืองในด้านการพระศาสนาก็ทรงให้รวบรวมพระไตรปิฎกจากเมืองเหนือเมืองใต้ ส่งมาหรือคัดลอกส่งมาไว้ที่กรุงธนบุรีสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประชการที่หนึ่งเมื่อตั้งกรุงเทพก็ทรงจัดให้มีการสังคายนาครั้งใหญ่และจัดตั้งอาคารที่เป็นหอเก็บพระไตรปิฎกไว้เป็นหลักประจําบ้านเมืองที่วัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังแม้ในยามที่บ้านเมืองสงบ ซึ่งพระไตรปิฎกก็ยังอยู่เป็นหลักในที่ที่รักษาไว้เมื่อจะส่งเสริมรักษาพระพุทธศาสนางานเกี่ยวกับพระไตรปิฎกก็เป็นเรื่องสําคัญของกิจการบ้านเมืองดังที่เมื่อเกิดมีการพิมพ์สมัยใหม่ในหลวงราชการที่หสมเด็จพระปิยา m a h a r a ก็ทรงให้พิมพ์พระไตรปิฎกบาลีด้วยอักษรไทยเป็นเล่มหนังสือและวส่งส่งไปพระราชทานแก่ประเทศต่างๆ แม้แต่แก่ประเทศฝรั่งชาติตวันตกหลังจากราชการที่6สวรรคตราชการที่7ก็โปรดกล่าวให้พิมพ์พระไตปิดกบาลีและคัมภีร์อื่นๆถวายอุทิศพระราชกุศลและเป็นราชานุสรในราชการที่9เมื่อคัมภีร์พระไตปิดกบาลียังคงอยู่ดีซสรบมาก็ยังมีการทำให้แพร่หลายยิ่งขึ้นโดยมีการตรวจทาน ที่เรียกว่าการสังเขยนาครั้งใหม่มีการพิมพ์พระไตรปิฎกบาลีเพิ่มขึ้นเป็นหลายฉบับและพิมพ์คัมภีอัตถกถาดีกาเป็นต้นตลอดจนนำเอาพระไตรปิฎกบาลีที่เป็นเล่มหนังสือเข้าไปลงไว้ในคอมพิวเตอร์เป็นพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์กันหลายฉบับจากพระไตรปิฎกบาลีของเดิมนั้นในประเทศของเราก็ได้มีการแปลเป็นภาษาไทย และพิมพ์เป็นชุดเรียกว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยซึ่งเริ่มมีตั้งแต่ฉบับพุทธศักราชสอ0พหรือฉบับฉลอง25พุทธศตวตรรษสำหรับใช้ประกอบในการศึกษาพระธรรมวินัยเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ภาษาบาลีต้องศึกษาผ่านคำแปลที่เป็นภาษาไทยแต่ตัวแท้ก็ยังเป็นภาษาบาลีตามเดิม แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะแพร่ขยายไปนในประเทศต่างๆหลังจากเวลาผ่านมายาวนานเกิดพระพุทธศาสนาแบบที่แยกออกไปเป็นมหายานแต่ก็รู้กันว่าจะหาคำสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าเท่าที่มีก็ต้องมาที่พระไตรปิฎกบาลีดังที่ในประเทศญี่ปุ่นเวลานี้พระญี่ปุ่นมหายานก็มกรู้กันว่าเมื่อศึกษาพระพุทธศาสนา พึงศึกษาพระธรรมวินัยดั้งเดิมในพระไตรปิฎกบาลีเช่นที่มีในเมืองไทยนี้เป็นพื้นฐานชาวพุทธจะต้องรู้จักใช้พระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานในการตัดสินคำสอนคำอธิบายความเชื่อถือและการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาถ้าเกิดมีการถกเถียงขึ้นว่า อันไหนเป็นพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นพระพุทธศาสนาหรือไม่เรื่องนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าอย่างไรก็ต้องมาจบกันที่พระไตรปิฎกเป็นเครื่องวินิจฉัยถ้าใครถามว่านิพพานเป็นอย่างไรก็อาจจะตอบว่าฉันไม่รู้เพราะฉันยังไม่บรรลุนิพพานหรือบางคนอาจจะพูดว่าอาจารย์ท่านน้นว่าอย่างนี้ท่านนี้ว่าอย่างนั้น แต่ถ้าเขาถามว่านิพพานตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรถึงเราจะยังไม่บรรลุ น, ลนิพพานก็ตอบได้ทันทีว่านิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามหลักพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกคือยกเอาคำตอบจากพระไตรปิฎกมาตอบได้เลยถ้ารู้จักหลักฐานที่มาแล้วรู้จักตอบอย่างนี้เราก็ช่วยรักษาพระพุทธศาสนาได้ ภัยแห่งพระพุทธศาสนาที่ใครก็ตามกระทำต่อพระธรรมวินัยนี้ถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดการทําร้ายอาจมาในรูปของการทําพระธรรมวินัยให้วิปริตซึ่งร้ายแรงกว่าการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินยัยการอ้างหลักฐานด้วยการแดัดแปลงแทรกเสริมปลอมปนการทําลายความเชื่อถือต่อพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎก ด้วยวิธีหลอกลวงการทําให้ประชาชนเข้าใจสับสนไข้เขวและลงประเด็นสับสนระหว่างหลักการกับความคิดเห็นของบุคคลและระหว่างหลักฐานหรือข้อมูลเดิมกับการตีความเป็นต้นตลอดจนทําให้สับสนถึงขั้นที่เหมือนกับว่าในพระพุทธศาสนาไม่มีหลักเกณฑ์อะไรจะตัดสินแล้วแต่ใครจะคิดเห็นอย่างไร ซึ่งในระยะ3 4ถึงปีที่ผ่านมานี้ได้มีขึ้นบ่อยครั้งบางทีถึงกับทาแอบแฝงในรูปแบบที่ล่อหลอกให้เห็นว่าเป็นวิชาการชาวพุทธจึงต้องฝึกตัวให้รู้เท่าทันและชี้ความเป็นเท็จให้ถูกจุดพระราชบัญญัติสงฆ์จะไร้ความหมาย ถ้าไม่เป็นฐานรองรับธรรมวินัยและไม่เป็นหลักประกันให้พระเนนเจริญในตรัยสิกขาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระธรรมวินัยเป็นเนื้อเป็นตัวของพระพุทธศาสนาตัวแท้ของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระธรรมวินัยจะรักษาพระพุทธศาสนาก็ต้องรักษาพระธรรมวินัย และยึดเอาพระธรรมวินัยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาเราจะรักษาพระธรรมวินัยและเอาพระธรรมวินัยมาตั้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้อย่างไรก็ต้องมีการศึกษาเล่าเรียนเมื่อเล่าเรียนก็รู้เมื่อรู้แล้วนามาปฏิบัติพระธรรมวินัยก็ปรากฏออกมาในการประพฤติปฏิบัตินั้นเช่นในจารียาวัดของพระเนนเป็นต้นพร้อมกันนั้น เมื่อคนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระเนนนามาสั่งสอนประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเช่นทำให้สังคมดีมีศีลธรรมอยู่กันสงบเรียบร้อยร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตพัฒนาดียิ่งขึ้นไปถ้าตัวเราเองไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยแต่ช่วยสนับสนุนพระเนนให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ก็เท่ากับช่วยรักษาสืบต่อพระพุทธศาสนายิ่งถ้าตัวเองก็ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยด้วยสนับสนุนผู้อื่นด้วยก็ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลทรงจัดตั้งวางระเบียบต่างๆก็เพื่อให้พุทธบริษัทคือพระสงฆ์และประชาชนได้ประโยชน์จากพระธรรมวินยัยที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอน พูดง่ายๆว่าคนทั้งหลายจะมาเอาพระธรรมวินัยจากพระองค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงจัดระเบียบพระสงฆ์และวัดวาอารามให้มั่นใจว่าพุทธบริษัททุกคนจะได้รรมวินัยไปอย่างดีที่สุดเรียกว่าพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นเป้าหมายของการปกครองคณะสงฆ์และก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์นในการจัดการปกครองนั้นด้วย คนจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาคือจากพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนก็ด้วยการศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นที่ท่านเรียกว่าไตรสิกขาให้พระเนรเป็นต้นจเจริญในศีลสมาธิปัญญาถ้าจัดการปกครองจัดระเบียร์พระสงฆ์และวัดวาอารามให้เป็นเครื่องกำกับ หรือเกื้อหนุนให้พระเนนได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนมั่นใจได้ว่าพระเนนเหล่านั้นจะเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาและสามารถมาสอนประชาชนให้รู้เข้าใจประพฤติปฏิบัติในทานศีลภาวนาดำเนินชีวิตให้ดีงามและช่วยกันสร้างสันสังคมได้ก็พูดได้ว่าการปกครองคณะสงฆ์และการจัดตั้งวางระเบียบการคณะสงฆ์นั้น ประสบความสาเร็จแต่ถ้าปกครองกันไปแล้วจัดตั้งวางระเบียบไปแล้วไม่เกิดผลตามนี้ไม่ว่าจะมีวัตถุอาคารสถานที่หรืออะไรๆมากมายเพิ่มขึ้นมาหรือแม้แต่ลงโทษคนร้ายเดียดเฉียบขาดรุนแรงก็ต้องพูดว่าเป็นความล้มเหลวเวลานี้พูดกันว่าจะแก้ไขพรบคณะสงฆ์จะออกกฎหมายคณะสงฆ์ใหม่ ก็ควรจะมีความชัดเจนว่าจะออกกฎหมายมาเพื่ออะไรจะปกครองเพื่ออะไรจะจัดระเบียบการคณะสงฆ์เพื่ออะไรถ้าต้องการจัดการปกครองคณะสงฆ์เพื่อดํารงรักษาพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนาปรากฏและให้พระพุทธศาสนาเกิดประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมประเทศชาติพรบรหรือกฎหมายคณะสงฆ์นั้นก็ต้องมีพระธรรมวินยัย เป็นหลักเป็นเป้าหมายกฎหมายจะต้องเป็นเครื่องมือที่จะรองรับพระธรรมวินัยและเป็นหลักประกันที่จะให้พระธรรมวินัยโดดเด่นออกมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์และออกมาสู่การรู้เข้าใจและการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งปวงพร้อมกันนั้นพรบรหรือกฎหมายคณะสงฆ์ก็จะต้องเป็นเครื่องกากับและเป็นหลักประกันให้พุทธบริษัท โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่เป็นเนื้อตัวของพระพุทธศาสนานั้นและมีความประพฤติศีลาจารรวัตมีจิตสำนึกมีคุณธรรมมีปัญญารู้เข้าใ จ, จเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นพระเนนที่ดีมีคุณภาพสามารถทำหน้าที่ต่อพุทธบริษัทด้วยการให้ธรรมะแก่ชาวบ้าน หรือใช้วัดเป็นที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ญาติโยมประชาชนตามหลักธรรมทานได้พูดง่ายๆว่าพรบคณะสงฆ์ต้องช่วยกำกับให้พุทธบริษัทเจริญในไตรสิกขาคือทำให้พระธรรมวินัยเกิดประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมประเทศชาติด้วยไตรสิกขาอย่างน้อยง่ายและสั้นที่สุดว่า ถ้าพรบหรือกฎหมายคณะสงฆ์นี้จะเป็นเครื่องกำกับและเป็นหลักประกันให้การคณะสงฆ์ไทยทั้งหมดยังเป็นระบบการบวชเรียนคือบวชเพื่อเรียนหรือบวชแล้วต้องศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแค่นี้การออกพรบคณะสงฆ์นั้นก็คุ้มค่าบรรลุวัตถุประสงค์แต่ถ้าไม่เกิดผลอย่างนี้ถึงจะตรากฎหมายให้วิจิตพิสดารเพียงใด ก็ต้องพูดว่าล้มเหลวไร้ความหมายที่ว่าให้พรบรคณะสงฆ์เป็นหลักประกันระบบการบวชเรียนนั้นจะต้องเน้นและทำให้มั่นใจว่าจะต้องให้มาตรการนี้เกิดขึ้นที่วัดซึ่งอยู่กับชุมชนเล็กน้อยทั้งหลายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยนี้ความสาเร็จของพรบรคณะสงฆ์วัดได้ตรงนี้คือที่วัดและชุมชนหน่วยย่อย ทุกตำบลหมู่บ้านถ้าฟื้นฟูวัดและชุมชนทั้งหลายขึ้นมาสู่พระธรรมวินัยและไตรสิกขาได้มเมืองไทยจะกลายเป็นประเทศพัฒนาที่แท้อยังแน่นอนเวลานี้รู้กันดีว่าพระเนรมากมายหรือจะว่าส่วนใหญ่ก็ได้ไม่รู้จักธรรมมัวินยัยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรว่าเชื่อถือหรือประพฤติปฏิบัติอย่างไรเป็นพระพุทธศาสนา ที่เราว่าการเรียนท่องจําได้อย่างนกแก้วนกขุนทองเป็นการศึกษาที่ไม่ดีแต่เวลานี้ถ้าพระเนียนไทยส่วนใหญ่จําคําสอนของพระพุทธเจ้าได้บ้างแม้เพียงอย่างนกแก้วนกขุนทองก็ต้องนับว่าดีมากทีเดียวอย่าดูถูกกันเป็นนกแก้วนกขุนทองให้เกินไปนักแม้นกแก้วนกขุนทองจะพูดเจ้าโดยไม่รู้ความหมายแต่ก็ช่วยเตือนสติเจ้าของได้ และทําให้ขโมยที่แอบเข้ามาชะ ง, งักไปนหน่อยเหมือนกันสรุปว่ากฎหมายคณะสงฆ์โดยเฉพาะพระบคณะสงฆ์จะต้องเป็นฐานรองรับให้พระธรรมวินัยปรากฏโดดเด่นขึ้นมาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องกํากับให้พระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาแล้วได้เจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาตามหลักไตรสิกขา สามารถสั่งสอนธรรมนำประชาชนให้พัฒนาชีวิตและสังคมประเทศชาติสู่ความเจริญมั่นคงและประโยชน์สุขที่แท้จริงยั่งยืนพูดอย่างสั้นว่าพรบคณะสงฆ์ต้องเป็นฐานรองรับพระธรรมวินัยกำกับพระเนรให้เจริญในตรายสิกขาและทำวัดให้เป็นแหล่งแพร่ธรรมขยายปัญญาสู่ชุมชน ศา ส, สนาขาดทายาทพระเนนขาดการศึกษาชาติไม่พ้นปัญหาไปได้อีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวก็คือพระศาสนาจะอยู่ได้ต้องมีศาสนาทายาทที่ผ่านมาเมืองไทยเราเพราะเป็นประเทศพุทธศาสนาโดยมากเราได้ศาสนาทายาทจากการให้ลูกหลานบวชเรียนกันมาดังที่ได้มีประเพณีบวชเรียน อย่างน้อยบวชเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์แต่ก่อนนี้ทุกคนบวชแล้วก็บอกว่าบวชตามบุญบารมีอยู่ได้เท่าไรก็เท่านั้นบางคนบวชพรรษาเดียวศึกบางคนยังมีศรัทธาก็บวชต่อสองปีสมปีบางคนก็ยืดไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตตามประเพณีของเรานี้บวชได้ศึกได้ตามสมัครใจจึงไม่มีปัญหา เพราะว่าถ้าตัวเองใจไม่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ประพฤติอย่างพระสงค์ต่อไปไม่ได้ก็สึกไปถ้าฝืนบังคับให้อยู่ใจไม่อยู่แต่ตัวอยู่ก็อาจจะประพฤติปฏิบัติผิดพลาดเสียหายแล้วพระาศาสนาก็เสื่อมประเพณีไทยเราก็ดีอย่างหนึ่งคือให้เสรีภาพอย่างนี้นอกจากบวชเมื่อถึงวัยหนุ่มอายุยี่สปีแล้ว ก็มีการบวชตั้งแต่เด็กอีกบางทีพอเด็กอายุเจ็ดขวบ ก, ก็เริ่มไปอยู่วัดและไปเรียนหนังสือกับหลวงพ่อพระอาจารย์ที่วัดส่งพินโตบ้างอะไรบ้างก็เลยได้เรียนหนังสือต่อมาบางคนหลวงพ่อเห็นว่าเด็กคนนี้มาวัดตั้งใจเรียนหนังสือดีมีแววดีก็ชวนบวชเนนพ่อแม่ก็เห็นด้วยเราจึงมีผู้ที่บวชเนนตั้งแต่เล็ก อายุเจ็ดขวบ8ขวบส0บขวบบวชกันมาจนกระทั่งเป็นพระเทระผู้ใหญ่มากมายพระเทระผู้รักษาพระศาสนารุ่นที่ผ่านๆมานี้โดยมากบวชมาตั้งแต่เป็นเนนเพราะว่าการที่จะรู้หลักพระศาสนาและรักษาพระศาสนาได้นี้ต้องอาศัยการศึกษายาวนานเหมือนกันก็เรียนกันมาตั้งแต่เป็นเนนอายุส2 1 3อง1 5สิห้า มาเรียนจบเอาก็เมื่อเป็นพระมีพรรษาพอสมควรเช่นมีพรรษาสิบเป็นต้นก็พอดีเริ่มรับผิดชอบงานพระศาสนาได้พระรุ่ น, ก, นก่อนก่อนก็อยู่กันมาอย่างนี้คือองค์ไหนอยู่ได้ก็อยู่ไปองค์ไหนอยู่ไม่ได้ก็สึกไปไม่ว่าอะไรแต่เวลานี้กำลังจะหมดแม้แต่คนที่บวชอายุยี่สิบก็บวชแค่สั้นๆ บางที7วันก็ยังมี15ห้าวันบ้างถ้าบวชได้เดือนหนึ่งก็ยังนับว่ายังดีแต่บวชเต็มพรรษาหนึ่งเวลานี้หาได้ยากที่ลำบากกว่านั้นก็คือไม่มีเด็กจะบวชเนนยิ่งขยายการศึกษาออกไปตอนนี้เนนแทบไม่มีแล้วก็ต้องอาศัยเนนบวชภาคฤดูร้อนซึ่งบางแห่งท่านยังเอามาเชื่อมกับประเพณีการรักษาพระศาสนาได้ ถือว่าทุกปีท่านจัดจัดให้มีการบวชเนรภาคฤดูร้อนแล้วเด็กที่บวชภาคฤดูร้อนนี้ส่วนหนึ่งจะยังรักพระศาสนาชอบชีวิตพระเนนอยากเรียนต่อก็ไม่ศึกยกตัวอย่างที่วัดพยัคฆารามอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเรียกกันง่ายๆว่าวัดเสือจเจ้าอาวาสท่านจัดบวชเนนภาคฤดูร้อนมานานมากแล้วเป็นสิสิบปี เวลานี้เนยนที่บวชภาคฤดูร้อนบางส่วนอยู่เล่าเรียนจนจบประโยคเก้าไปหลายองค์แล้วเดี๋ยวนี้ต้องเอาอย่างนั้นเพราะเราไม่มีเด็กที่จะไปบวชเนนแบบสมัยก่อนจึงต้องใช้วิธีนี้ช่วยแต่ต้องเอาจริงเอาจังคือต้องเอาใจใส่ให้การศึกษาจึงจะได้ศาสนทายาทแต่โดยทั่วไปไม่ค่อยได้อย่างนี้เพราะบวชภาคฤดูร้อนสั้น จบช่วงเวลานั้นแล้วก็ศึกกันหมดนอกจากที่จัดอย่างนี้แล้วแทบไม่มีเนนบวชเมื่อไม่มีเนนบวชก็ไม่มีการศึกษาเล่าเรียนคนที่เริ่มต้นด้วยบวชเป็นพระเล่าเรียนนั้นมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นการศึกษาปริยัติธรรมจึงเสื่อมโทรมลงไปศา ส, สนาทายาทก็ขาดแคลนจึงเป็นเรื่องที่จะต้องเอาจริงเอาจัง ว่าเราจะเอาปัญหานี้มาประสานกับการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างไรจะให้การปฏิรูปการศึกษามาเอื้อแก่พระศาสนาและพระศาสนาก็เกื้อหนุนประเทศชาติเช่นให้มีการบวชเนรเพื่อเล่าเรียนเราลองมาหาทางประสานหลักสูตรประสานระบบประสานแนวทางกันว่าจะเป็นไปได้ไหมเพื่อจะได้แก้ปัญหาจริยธรรมของเด็กนักเรียนไทยได้การศึกษาราคาถูก ที่มีค่าสูงทางจิตใจพร้อมกับสร้างศาสนทายาทไว้ด้ว ย, วยถ้าทำอย่างนี้ได้การปฏิรูปการศึกษาก็จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเพิ่มขึ้นมาอีกรวมทั้งข้อที่ว่าพระเนนที่บวชเหล่านี้ก็จะมาช่วยสังคมในระยะยาวเช่นมาสอนศาสนาสอนจริยธรรมให้แก่สังคมอย่างน้อยก็มาเป็นพลเมืองที่ดีมีศิลธรรม เมืองเหนือนั้นแต่ก่อนนี้เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีเนนมากกว่าพระคือเมืองไทยนี้ภาคกลางมีพระมากกว่าเนนภาคอีสานมีเนนกับพระพอๆกันภาคเหนือมีเนนมากกว่าพระนี่คือความเป็นมาในเมืองไทยแต่เวลานี้ไม่ว่าที่ไหนก็หมดเนนไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แม้แต่ภาคเหนือก็พลอยหมดเนนไปด้วย ทางเหนือเขาเรียกเนนว่าพระแล้วเรียกพระวะตัตุพระก็คือเนนและเนนก็มีมากเพราะการบวชพระคือบวชเนนนั้นเป็นเรื่องบุญใหญ่ของชาวเหนือเขาถือเป็นสำคัญแต่เวลานี้เมืองเหนือไม่มีเนนจนกระทั่งได้ทราบว่าต้องไปเอาเนนจากสิบสองปัญ น, นามาคือเอามาจากต่างประเทศทางเมืองจีนแต่เป็นไทยเหมือนกัน คือเป็นไทยจากนอกประเทศสิบสองปันนานโน้นส่วนคนไทยเองที่เป็นคนเหนือไม่มีบวชเนนเรื่องนี้เป็นความเสื่อมอย่างหนึ่งในระยะยาวที่จะต้องเอาใจใส่ด้วยถึงเวลาต้องช่วยวัดหลวงตาสร้างศาสนาทาญาต ถ้าหลวงตามีการศึกษาดีก็มีผู้นำให้แก่ชุมชนได้ไม่เฉพาะเน้นไม่มีพระที่จะรักษาวัดเดียวนี้ก็หายากจนกระทั่งได้เกิดมีวัดหลวงชนิดใหม่ขึ้นมามีผู้ถามปัญหาว่าเดียวนี้มีวัดหลวงชนิดใหม่อย่างหนึ่งรู้ไหมคนถูกถามก็งงว่าวัดหลวงอะไรพูดกันไปพูดกันมา สรุปว่าตอบไม่ถูกคนถามต้องเฉลยเองว่าวัดหลวงตาวัดหลวงชนิดใหม่คือวัดหลวงตาเพราะเหตุที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีพระอยู่วัดรักษาพระศาสนาไปๆมาๆคนแก๊แก่นั่นแหละเมื่อเลิกทำงานทำการบางคนต้องการหาความสงบมีความตั้งใจดีก็มาบวชแต่บางคนตั้งใจไม่ดีเพราะไม่มีทางไป ก็เลยเข้ามาใช้พระศาสนาเป็นที่พักผ่อนหาเลี้ยงชีพไปเลยก็มีแต่ไม่ว่าจะบวชเข้ามาด้วยตั้งใจดีหรือเจตนาไม่ดีก็ตามคนที่บวชเมื่ออายุมากแล้วมักไม่ได้ร่ำเรียนอะไรจึงไม่ค่อยมีความรู้ธรรมวินยัยถึงจะเป็นคนมีเจตนาดีก็ได้แต่เฝ้ารักษาวัดหลายปีมาแล้วเวลาไปต่างจังหวัดไปพบพระอายุเจ็สิบ เจหหรือต่ำลงมาห0บกว่าถามท่านว่าพรรษาเท่าไหร่ครับได้รับคำตอบว่าหนึ่งพรรษาสองพัรษ า, 2, าแต่ก่อนนี้เราไปที่ไหนเห็นพระสูงอายุก็ต้องนึกว่าเป็นพระผู้ใหญ่บวชมานานแต่เวลานี้ญาติโยมต้องระวังต้องมองเผื่อไว้ว่าอาจเป็นพระแก่บวชใหม่อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้ เมื่อพบพระต้องลองถามท่านดูด้วยว่าท่านบวชมากี่พรรษาเมื่อปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีพระที่ได้รับการศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยอย่างหนักแน่นจริงจังผู้ที่มาบวชเมื่อแก่อย่างนั้นถึงท่านจะตั้งใจมาดีก็ตามแต่เราต้องรู้ความจริงว่าท่านทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่เพราะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาเล่าเรียน แล้วร่างกายก็สุดโทรมแล้วจะเล่าเรียนอะไรก็ไม่ค่อยไหวได้แต่มาอยู่รักษาวัดอย่างไรก็ดีมองอีกทีในมุมกลับเมื่อเราขาดแคลนศาสนท า, ายาทอย่างที่เป็นอยู่นี้และคนบวชเมื่อแก่เป็นพระหลวงตาก็มีมากปฏิเสธไม่ได้ก็น่าจะหันไปจัด ก, การให้ดีที่สุดโดยเอาจริงเอาจังกับการให้การศึกษาแก่พระหลวงตา อย่างน้อยก็จะต้องมีบางท่านที่ศึกษาได้ผลและหลวงตาก็จะกลายเป็นกำลังของพระศาสนาเป็นศาสนาทายาตรุ่นใหม่ของยุคนี้ที่ช่วยรักษาพระพุท ธ, ธศาสนาไว้ได้ขอให้ลองช่วยกันคิดตั้งโครงการส่งเสริมหลวงตาและหลวงตาเองก็ขอให้ตั้งใจอยู่เพื่อพระพุท ธ, ธศาสนาและบำรุงศรัทธาของประชาชนด้วย เรื่องพระหลวงตานี้เวลาหนังสือพิมพ์ลงข่าวเราควรจะสืบหาความรู้ด้วยมีข่าวร้ายบ่อยขึ้นว่าพระบางทีอายุตั้งเยอะแล้วประพฤติไม่ดีหนังสือพิมพ์น่าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สังคมว่าองค์นี้บวชเมื่อไรมาจากไหนพื้นฐานเป็นอย่างไรบางทีอายุมากแต่เพิ่งบวชได้ปีสองปียิ่งกว่านั้น ทั้งที่เป็นคนที่ไม่ดีอยู่แล้วในหมู่บ้านนั้นเป็นคนที่ไม่มีใครเขาเอาแล้วเหลวไหลก็มาบวชพอบวชแล้วไม่ได้เฝ้าวัดแต่มาแฝงวัดเอาวัดเป็นที่ทําความชั่วให้สะดวกมากขึ้นก็มีเมื่อมีแต่คนบวชแบบนี้ก็เป็นปัญหามากถึงจะไม่ทําอะไรเสียหายเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่รู้อะไรก็ทําให้พระพุทธศาสนาตกตามลงไปเรื่อยๆ อย่างตอนอัตมาไปพักที่เขาในพนมสารคามเคยมีญาติโยมจากจังหวัดไกลๆมาเยี่ยมและเล่าให้ฟังว่าที่วัดของเขาพระบวชมามีแต่พรรษาน้อยๆเจ้าอาวาสก็ไม่มีแต่พระต้องเป็นหัวหน้าประกอบพิธีเวลาทําพิธีเขาก็ต้องคอยบอกท่านต้องให้โยมบอกบทหรือให้มกคนายกบอกว่าตอนนี้ให้ศีลตอนนี้สวดบทนั้นบทนี้ตอนนี้ให้ทาอย่างนั้น เพราะพระท่านบวชมาใหม่และแก่แล้วท่านทำอะไรไม่เป็นแทนที่พระจะนาโยมกลายเป็นโยมนำพระนี้คือสภาพที่เป็นจริงในเวลาปัจจุบันนี้ยิ่งร้ายกว่านั้นก็คือว่าหลายถิ่นไปไกลถึงขั้นต้องประมูลพระแล้วโยมเคยได้ยินไหมมีแต่วัดไม่มีพระญาติโยมต้องการพระในเวลามีเรื่องมีราว จ่นมีงานศพไม่มีพระก็เที่ยวหากันไปในที่สุดก็เลยมีการประมูลพระกันเคยมีพระอายุมากหน่อยเป็นกลุ่มๆ ม, มาที่วัดถามว่าท่านมาจากไหนไปอย่างไรมาอย่างไรได้ความว่าเดิมอยู่ที่โน่นที่โน่นแต่ตอนนี้ไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายไปอยู่ทําไมมีโยมเข้าไปติดต่อว่าถ้าไปอยู่นั่นจะถวายเงินเท่านี้ บางทีประมูลกันด้วยข้าวเท่านั้นกระสอบเท่านี้นกระสอบก็มีเรื่องอย่างนี้เป็นมาหลายปีแล้วญาติโยมทราบหรือเปล่านี่คือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่อย่างภาคใต้ในบางแห่งท่านเจ้าคณะจังหวัดองค์หนึ่งเล่าให้ฟังว่าที่บางวัดพอจะเข้าพรรษาทีหนึ่งคนในหมู่บ้านมาประชุมตกลงกันว่า ีนี้ใครจะบวชได้บ้างมาตกลงกันว่าไปบวชรักษาวัดและให้พอรับกระถินห้าองค์พอรับกระถินเสร็จใครจะสึกก็ศึกปีหน้าว่ากันใหม่นี่คือใช้วิธีแค่พอรักษาวัดได้และจะเอาอะไรกับพระศาสนาธรรมะอะไรที่จะสอนชาวบ้านก็มีรู้เรื่องรู้ราวไม่มีการฝึกอบรม สภาพการพระศาสนาอย่างนี้เป็นมานานแล้วประมาณสิบกว่าปีแล้วที่วัดในประเทศไทยไม่มีเจ้าอาวาสประมาณ5000วัดเราบอกว่ามีวัดตั้งสา0 0 0่นวัดใช่ไหมแล้วยมรู้หรือเปล่าว่าวัดที่ไม่มีเจ้าอาวาสมีเท่าไหร่เหตุที่ไม่มีเจ้าอาวาสเพราะไม่มีพระที่มีคุณสมบัติจะเป็นเจ้าอาวาสเพราะพระบวชมาได้สอ ง, ง 3, สาพรรษา หรือแม้จะบวชมานานแต่ไม่ได้ความรู้นักธรรมยังเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้ได้แต่รักษาการไว้วัดที่ไม่มีเจ้าอาวาสหรือพระไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าอาวาสอย่างนี้มีประมาณ 5,000 ันวัดแล้วเราจะเอาดีให้แก่พระศาสนาได้อย่างไรและชุมชนจะดีได้อย่างไรในเมื่อชุมชนมีศูนย์กลางที่ทํางานไม่ได้ และมีผู้นําที่ไม่มีคุณภาพอย่างนี้นี่คือภัยภายในทั้งนั้นภัยที่เกิดจากเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อคนภายนอกต้องการจะหาช่องทำลายจึงทำลายได้ง่ายทั้งเอกชนราชการสื่อสารมวลชน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 แม้แค่จะตามเราก็ยังไม่รู้ไม่เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเมืองไทยเรานี้เพราะเหตุที่เราใจดีมีความเป็นมิตรเต็มเปี่ยมด้วยน้าใจต่อแขกเรือคนนอกเราก็มีแนวโน้มที่จะให้เกียรติเขาและนิยมชมชอบคนอื่นได้ง่ายด้านดีไม่ต้องพูดถึงแต่ในแง่ร้ายก็กลายเป็นช่องให้เกิดผลเสียด้วย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 คนไทยเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างฝรั่งฝรั่งเขายังเป็นนักผลิตเครื่องหนึ่งที่จริงฝรั่งนั้นฐานเนื้อในของเขาคือความเป็นนักผลิตด้วยซ้ำส่วนความเป็นนักบริโภคเป็นเพียงส่วนเปลือกผิวแต่คนไทยเราไปมองและจับเอามาเฉพาะด้านเป็นนักบริโภคเราจึงเป็นนักบริโภคที่แก่งยิ่งกว่าฝรั่งข้อสาคัญอยู่ที่ว่า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 เพราะฉะนั้นจะต้องสอนเด็กไทยกันใหม่ในขณะที่คนไทยมินิัยชอบโก้เก๋และเอาความโก้เก๋ไปผูกไว้กับการเสบบริโภคว่าถ้ามีของกินของใช้อย่างนั้นแล้วโก้คราวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่รอว่าจะมีของโน้นใช้มีของนี้กินแล้วโก้ต้องคิดใหม่ว่าใครทําได้จึงจะโก้ถ้าใครมีบริโภคหรือมีเสบ อย่ายอมรับว่าโก้เลยอย่าไปยกย่องเลยเธอต้องทำได้ด้วยต่อเมื่อเธอทำได้ฉันจึงจะยกย่องคนไทยต้องเป็นนักทำนับผลิตให้ได้ความเป็นนักบริโภคบวกกับค่านิยมโก้อย่างนี้นาไปสู่ความเสื่อมเพราะเรื่องของการบริโภคนี้ไปสัมพันธ์กับพวกอบายมุขและความเป็นคนอ่อนแอ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 ถ้าเราพัฒนาเด็กของเราให้เป็นนักทำรรนักผลิตนักสร้างบ้างไม่ใช่เป็นแต่นักบริโภคอย่างเดียวไม่ใช่คอยรอบริโภคอย่างเดียวแต่ทำเป็นด้วยเห็นอะไรของฝรั่งหรือของผลิตจากญี่ปุ่นก็บอกว่าฝรั่งหรือญี่ปุ่นทาอะไรมาฉันจะต้องทำให้ได้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็เมืองไทยเปลี่ยนทิศเลยแต่ถ้าบอกว่าฝรั่งทาอะไรมา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 และจะเจริญเป็นประเทศที่พัฒนาและนำเข้าได้อย่างแน่นอนไทยจะก้าวหน้าได้ต้องเปลี่ยนวิธีตามซื้อใหม่ไทยจะก้าวนำต้องมีความอยากทำและอยากสร้างสรรค์ในการที่จะทำเป็นนั้น ก็ต้องเริ่มต้นด้วยมีความอยากทาจึงต้องสร้างจิตใจและลักษณะนิสัยของความเป็นคนอยากทาขึ้นมาแล้วก็ฝึกทำให้เก่งจนทำได้อย่างฝรั่งและญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้ดีกว่าเขาได้ด้วยหลักการในเรื่องนี้พระพุทธศาสนาสอนไว้ก่อนที่จะให้เรามีความขยันหมั่นเพียรท่านสอนให้มีชันทะซึ่งหมายถึงความอยากทา คนไทยเรานี้บางทีเรียนพุทธศาสนาไปได้เครื่องหนึ่งบ้างเพี้ยนไปบ้างคลาดเคลื่อนบ้างอย่างคําว่าอยากในทางพุทธศาสนาเราก็ได้มาเครื่องเดียวคําว่าอยากนี้ให้ญาติโยมแปลเป็นภาษาพระจะแปลว่ายอย่างไรลองนึกดูคนไทยก็จะนึกได้แต่ตันหาแปลว่าอยากแสดงว่าได้คะแนนเพียง50อร์ซเท่านั้น ท่านสอนเวลาว่าความอยากมีสองชนิดคือหนึ่งความอยากที่เป็นอกุศล 2. ความอยากที่เป็นกุศลที่คนไทยจํานวนมากบอกว่าความอยากคือตัณหานั้นเป็นความอยากฝ่ายอากุศลเท่านั้นคําพระว่าตัณหาปัทธนาทีนี้ความอยากฝ่ายกุศลคืออะไร เราต้องตอบให้ได้ความอยากฝ่ายกุศลคือฉันทะคำพระว่าฉันทะปัฒนาความอยากที่ชื่อว่าตัณหานั้นคืออยากเสพอยากบริโภคอยากบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นของตัวให้มันสู้ส่าสนุกสนานมีความสุขความอยากบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายด้านความรู้สึกนี่หละ ตัหาส่วนความอยากอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลท่านเรียกว่าฉันทะถ้าอธิบายแบบแปลบาลีเป็นบาลีฉันทะแปลว่ากัตุกรรมยตาคือความอยากทําเมืองไทยกําลังต้องการความอยากแบบที่สองนี้ส่วนตันหาอยากได้อยากเสพเนี่ยพอแล้วคนไทยมีมากไปหน่อย แต่ฉันทาอยากทำเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะฉะ น, นั้นต้องสร้างขึ้นมาให้ได้คือกัตตุกรรมยตาที่แปลว่าความอยากทาฉันทาที่ว่าอยากทำนั้นหมายถึงทำให้ดีไม่ใช่ทำเรื่อยเปยื่อยอยากทำให้มันดีนี้เมื่อมีขึ้นมาก็จเจริญมักจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่ออาทิตย์จะอุทัยมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนชั้นใดเมื่ออริยามากจะเกิดแก่ภิกษุก็มีชั้นท่า ม, มาก่อนชั้นนั้นถ้าภิกษุรูปใดมีชั้นทะาก็อยากจะทำอยากจะปฏิบัติอยากจะรู้อยากจะศึกษาพระธรรมวินัยอยากจะนำสิ่งที่ดีไปทำให้เป็นจริงกับตัวเองอยากจะพัฒนาในไตรสิกขาคือในศีลสมาธิปัญญา ญาติโยมก็เช่นเดียวกันถ้าจะมีชีวิตที่เจริญงอกงามต้องรู้ว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่เพียงให้ละความอยากที่ท่านว่าให้ละให้ลดนั้นเป็นเรื่องของตัณหาแต่ความอยากที่เป็นกุศลเรียกว่าฉันทะนั้นท่านให้ส่งเสริมตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลต้องมีฉันทะตลอดอย่างน้อย ต้องเปลี่ยนจากตัญหาในแง่อยากสนองความต้องการทางตาหูจมูกลิ้นและกายในด้านความรู้สึกมาเป็นฉันทะที่อยากสนองความต้องการทางตาหูจมูกลิ้นและกายในด้านความรู้ความอยากสองอย่างทั้งตัญหาและฉันทะนี้ต้องละแต่ละต่างกันคือตัญหานั้นเกิดเมื่อไรก็ละเสียเลยส่วนฉันทะนั้น ละด้วยการทำให้สำเร็จท่านว่าอย่างนั้นเมื่อทำให้สำเร็จแล้วก็ละได้เพราะฉะนั้นเราต้องละชันทะด้วยการทำให้สำเร็จชันทานี้จะมีอยู่กระทั่งเป็นพระอระหันต์แล้วพระพุทธเจ้ามีชันทะเป็นพุทธคุณข้อหนึ่งเรียกว่าเป็นพุทธธรรมอย่างหนึ่งพุทธธรรม ก็คือลักษณะหรือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งมี18ปประการรวมทั้งข้อหนึ่งคือมีชันทะไม่ลดถอยเลยนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าคิดดูสิว่าพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปสั่งสอนธรรมได้อย่างไรถ้าพระองค์ไม่มีชันทะให้จำไว้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีชันทะไม่ลดถอย คือพระองค์ต้องการจะทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต้องการช่วยเหลือประชาชนต้องการจะโปรดให้คนทั้งหลายได้ความสุขและให้เขาพ้นจากทุกข์ความต้องการอย่างนี้พระองค์มีไม่หยุดหย่อนเลยความมีชันท h ไม่ลดถอยบาลีว่านัตถิชันทสะหานิจึงเป็นพุทธคนอย่างหนึ่งในหลักที่เรียกว่าพุทธธรรม18ประการ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องสร้างชั้นทะนี้ขึ้นมาให้ได้และต้องสร้างเด็กให้เป็นคนที่มีนิสัยอยากทาอยากสร้างถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็คืออยากผลิตแต่ความอยากทางเศรษฐกิจนี้ไม่ค่อยปลอดภัยการผลิตนี้ต้องระวังกันหน่อยบางทีผลิตไปมีโทษแต่ถึงอย่างไรก็ให้มีนิสัยนักผลิตไว้ก็ยังดี เพียงขอว่าอย่าหยุดแค่นั้นต้องก้าวไปทําอย่างอื่นที่เรียกว่าสร้างสรรค์ต่อไปรวมความว่าการที่เราเป็นนิยมตามวัฒนธรรมฝรั่งแล้วก็ไปได้แค่เปลือกแค่ผิวนี่แหละเป็นความล้าหลังหรือความด้อยพัฒนาที่แท้ซึ่งเป็นอันตรายพร้อมกันนั้นสิ่งดีที่เรามีเราก็ไม่เอามาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้น จะต้องปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่การศึกษาของเราทีเดียวเปลี่ยนวิธีทางสังคมของเราให้เข้าสู่ทางที่ถูกต้องให้ได้ใจดีมีเมตตาไม่ประมาทที่จะใช้ปัญญาเอาความรู้มาพัฒนาคนในการนับถือศาสนา วันนี้อาตมาได้พูดเรื่องภัยแห่งพระพุทธศาสนามาก็ยาวนานแล้วขอทบทวนที่ได้พูดไปเมื่อกี้ว่าพระพุทธศาสนาได้ทำให้ประเทศไทยเป็นดินแดนที่ร่มเย็นเป็นสุขคนไทยชาวพุทธไม่มีความรังเกียจเดียดฉันต่อผู้ใดจะอยู่กับใครก็ได้และยินดีต้อนรับทุกคนสภาพนี้ได้มีตลอดมาในประเทศไทยที่เป็นดินแดนพุทธศาสนา แต่เมื่อสถานการณ์ของโลกและบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปและในสภาพโลกาพิวัตที่เหตุการณ์ความเป็นไปทั้งหลายในโลกส่งผลถึงกันนี้ก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะทำอะไรอย่างไรเพื่อให้สภาพที่ดีงามนี้คงอยู่ต่อไปอะไรที่เป็นหรือจะเป็นปัญหาก็ต้องรู้เข้าใจและก็ใช้ปัญญาคิดหาทางป้องกันแก้ไขด้วยความไม่ประมาท เพื่อว่าพระพุทธศาสนาจะช่วยให้คนไทยมีธรรมะที่จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและให้ธรรมะแผ่ไปเพื่อสันติสุขของมวลชาวโลกเพราะฉะนั้นพร้อมกับในใจที่มีเมตตาก็ต้องมีสติปัญญาที่เตือนอยู่รู้ทันด้วยตั้งแต่รู้เข้าใจสถานการณ์และมองเห็นสภาพที่เป็นจริงเมื่อรู้เข้าใจมีปัญญาแล้วก็ต้องไม่ประมาท โดยทำการไปด้วยจิตที่เที่ยงตรงสงบไม่ได้ทำด้วยกิเลสแต่ทำด้วยปัญญาและความปรารถนาดีเพื่อประโยชน์แก่คนแก่เพื่อนมนุษย์แก่สังคมประเทศชาติไทยและแก่ทั้งโลกเมตานั้นอยู่ในใจความไม่ประมาทก็ทำให้ไม่นิ่งนอนใจเร่งให้เอาใจใส่ที่จะปฏิบัติจัดการและทั้งหมดนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริง ก็ต้องใช้ปัญญาพูดโดยสาระก็คือใจเมตตาต้องการให้หมวลมนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยดีมีความร่มเย็นเป็นสุขความไม่ประมาทก็เร่งให้เอาปัญญามาจัดการดำเนินการให้สําเร็จผลตามที่เมตตานั้นต้องการทีนี้จะมีปัญญาและใช้ปัญญาทำงานได้ก็ต้องมีความรู้ นอกจากความรู้เฉพาะเรื่องเฉพาะสถานการณ์นั้นๆแล้วก็พึงมีความรู้พื้นฐานจำพวกภูมิหลังเช่นประวัติศาสตร์ที่จะช่วยให้มองกว้างมองไกลซึ่งเมื่อเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นก็จะมองออกและเข้าใจช่วยให้ปฏิบัติจัดการแก้ไขปัญหาและเรื่องราวทั้งหลายได้ถูกต้องและมั่นใจยิ่งขึ้นอย่างที่พูดไปแล้ว คนไทยมีพื้นเพภูมิหลังในการนับถือศาสนามาในลักษณะที่เป็นความใจกว้างมีน้ำใจให้เกียรติให้โอกาสแก่ผู้อื่นทำให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความมีคันติธรรมต่อลทัทธิศาสนาอื่นทั้งหลายเป็นไปเองอยู่ในตัวกลายเป็นคุณสมบัติประจำชนประจำชาติคุณสมบัตินี้เป็นที่ประจักษ์แก่คนภายนอก ดังที่บาทหลวงและบุคคลสำคัญจากประเทศตะวันตกที่มาเมืองไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้เขียนแสดงความชื่นชมยกย่องไว้อันคนไทยควรจะภูมิใจและรักษาไว้โดยตั้งเป็นพื้นจิตแห่งเมตตาที่จะอำนวยความร่วมเย็นเป็นสุขในการอยู่ร่วมกันของคนทุกศาสนาสืบต่อไปและแมตตาให้เป็นแบบอย่างที่จะแผ่ขยายจนลงคุณความดีนี้ ให้เป็นที่นิยมปฏิบัติกันกว้างขวางออกไปดังที่กล่าวแล้วเมื่อมีเมตตาก็ต้องใช้ปัญญาและในเรื่องของความสัมพันธ์ทางศาสนาปัญญาที่เป็นพื้นภูมิของตนก็มาจากการมีความรู้ในพื้นภูมิของมนุษย์ผู้นับถือศาสนาต่างๆที่จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในโลกนี้ แต่ไม่ใช่เท่านั้นศา ส, สนาเป็นองค์ร่วมสำคัญของอาริยธรรมซึ่งได้เป็นปัจจัยต่อ ก, กันกับองค์ประกอบส่วนอื่นของอาริยธรรมนั้นโดยเฉพาะในบางอาริยธรรมสถาบันและองค์กรศาสนาได้มีบทบาทครอบคลุมและครอบงำองค์ร่วมส่วนอื่นของอาริยธรรมแม้แต่เศรษฐกิจและการเมืองดังนั้นความรู้ภูมิหลังทางศาสนาของชนชาติทั้งหลายจึงเป็นส่วนสาคัญ ที่จะช่วยให้รู้เข้าใจอริยธรรมควรพูดเน้นลงไปทีเดียวว่าการที่จะรู้เข้าใจอริยธรรมใดให้ชัดเจนจําเป็นต้องรู้เข้าใจภูมิหลังทางศาสนาของอริยธรรมนั้นด้วยโดยเฉพาะอริยธรรมที่สถาบันและองค์กรศาสนาได้มีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากต่อการเมืองและเศรษฐกิจของชาติประเทศต่างๆดังที่เราอาริยะประเทศ มีการค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องนี้และพยายามเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงความรู้นั้นได้ง่ายพร้อมทั้งให้สนใจศึกษากันทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการรู้จักตนเองรู้จักเพื่อนมนุษย์และรู้ทิศรู้ทางในการพัฒนาอริยธรรมเป็นตน้นอริยชนจึงไม่กลัวไม่กีดกันไม่ปิดบังความรู้แต่ค้นคว้าสแสวงหาความรู้อย่างไร้พรมแดน อยู่กับความรู้ด้วยความเข้าใจและสบายใจและให้คนอยู่ด้วยกันด้วยความรู้พูดกันด้วยความรู้และทำการทั้งหลายด้วยความรู้เพราะความรู้เป็นฐานของความคิดไม่ว่าจะคิดเพื่อให้เข้าใจคิดเพื่อแก้ไขหรือคิดที่จะทำการถ้าคิดโดยไม่มีความรู้เป็นฐานก็เสี่ยงที่จะคิดเห็นไปตามความรู้สึก ตาอำนาจของความถูกใจหรือไม่ถูกใจไม่สร้างสรรค์ไม่พัฒนาแต่จะเพิ่มปัญหาความรู้ภูมิหลังทางศาสนาในที่นี้ตามปกติไม่ได้เกี่ยวข้องไม่แตะต้องถึงเนื้อตัวของศาสนาไม่ได้เปรียบเทียบศาสนาไหนว่าดีหรือไม่ดีกว่ากันแต่เป็นการให้และได้ความรู้ในเรื่องความเป็นมาบทบาทและอิทธิพลของสถาบัน และองค์กรศาสนาในภูมิหลังของชาติประเทศทั้งหลายพูดอีกจำนวนหนึ่งก็คือเป็นประวัติการนับถือศาสนาของมนุษย์นั่นเองเช่นประวัติการนับถือศาสนาของคนฝรั่งเศสประวัติการนับถือศาสนาของประเทศอเมริกาแท้จริงแล้วที่พูดว่าประวัติศาสนาหรือประวัติศาสตร์ศาสนาต่างๆนั้นเป็นคำพูดที่ไม่ชัด ชวนให้เข้าใจเคว้ควรพูดให้ตรงว่าประวัติการนับถือศาสนาคือเป็นเรื่องของคนเป็นประวัติการกระทําของคนที่นับถือศาสนาตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าท่าทีและลักษณะการนับถือศาสนาของมนุษย์นี่หละที่เป็นตัวกำหนดบทบาททางศาสนาทำให้เกิดสถานการณ์และเหตุการณ์ทั้งหลายในประวัติศาสตร์ เป็นตัวบันดาลความเป็นไปที่ก่อผลดีผลร้ายขึ้นมาในอริยธรรมของมนุษย์จึงจะต้องเอาใจใส่ใช้บทเรียนในอดีตให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการนับถือศาสนาของมนุษย์ไม่ให้เป็นไปในทางเบียดเบียนหรือก่อผลร้ายแต่ให้การนับถือศาสนานั้นเป็นไปในทางที่จะเกื้อกูลและสร้างสรรพร้อมทั้งแก้ปัญหา เมื่อพูดถึงการนับถือศาสนาไม่ต้องพูดถึงเนื้อตัวของศาสนาชาวศาสนาทั้งหลายก็มาพบปะพูดจา ก, กันได้ง่ายชวนกันให้ชาวศาสนาทั้งหลายมาร่วมกันพิจารณาจัดปรับแก้ไขการนับถือศาสนาไม่ให้เป็นไปในทางที่จะเบียดเบียนทำร้ายหรือทำลายแต่ให้เป็นการเกื้อกูลและสร้างสารรค์อย่างที่กล่าวมาพูดสันส้นๆว่า พัฒนาการนับถือศาสนานั่นเองที่อาตมาได้พูดมานี้มุ่งที่การให้ความรู้ไม่พยายามแสดงความคิดเห็นนอกจากเพื่อประกอบความเข้าใจหรือเพื่อเชื่อมต่อความรู้และเป็นการให้ความรู้พอเป็นพื้นทั่วไปผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาของมนุษย์จะหาความรู้เพิ่มได้อีกมากมายทั้งนี้ก็อย่างที่กล่าวแล้ว คือเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่จะใช้ปัญญาในการพัฒนาการนับถือศาสนาของมนุษย์เพื่อสร้างสรรพัฒนาอารยาธรรมให้ดีงามนำมาซึ่งสันติสุขแก่มวลมนุษย์ได้จริงต่อไปคิดว่าได้พูดมามากพอแล้วขออนุมโมทนาทุกท่านขอจงมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามาขี ที่จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาไว้โดยเรียนรู้เข้าใจด้วยตนเองคือไม่ใช่พูดว่ารักษาเฉยๆแต่รักษาที่แท้คือเรียนรู้เข้าใจและนำมาประพฤติปฏิบัติใช้ความรู้นั้นในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้ลูกหลานได้เรียนรู้เข้าใจด้วยเพื่อให้ธรรมะออกผลสู่ชีวิตจริงจะได้รักษาสังคมประเทศชาติไว้ และเกื้อกูลแก่โลกได้สืบต่อไปขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทธภรชัยทั่วกันสนทนาต่อไทยถามตอบปัญหาเรื่องภัยแห่งพระพุท ธ, ธศาสนาอย่ามัวประมาทปล่อยตัวเรื่อยเฉย ถึงเวลารวมตัวกันมันประชุมทำงานพระศาสนากราบนมัส ก, การพระคุณเจ้ากระผมเคยพูดคุยกับเพื่อนบางคนที่เป็นกันลยาณมิตรกันเรามองเห็นว่าจุดหนึ่งซึ่งชาวพุทธขาดก็คือองค์กรอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของชาวพุทธที่จะเป็นปากเสียงให้ชาวพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะเห็นว่า มีองค์กรพุทธศาสนาต่างๆมากมายจํานวนค่อนข้างมากแต่เรามองไม่เห็นองค์กรไหนซึ่งทำหน้าที่เป็นคล้ายๆองค์กรกลางซึ่งจะเป็นเวทีกลางที่จะให้ผู้แทนขององค์กรต่างๆหรือชาวพุทธจากกลุ่มต่างๆหรือชมรมต่างๆได้มานั่งคุยกันเสวนากันเพื่อหาแนวทางที่จะได้มีการปฏิบัติหรือมีการดาเนินการคล้ายคลึงกัน ในยามที่ทุกๆฝ่ายก็เห็นว่าภัยต่างๆนี้มากมายแต่ละหลายฝ่ายก็ได้แต่ปราบรอบอยู่ในวงกลุ่มเล็กๆกระผมอยากจะกราบเรียนพระคุณเจ้าว่าในเรื่องนี้พระคุณเจ้าจะมีแนวคิดแนะนำว่าทำอย่างไรจะให้องค์กรพุทธทั้งหลายที่มีอยู่มากมายนี้สามารถที่จะรวมกันประสานกันไม่ได้หมายถึงการหลอมรวมนะครับหมายถึงการประสานรวมกันเพื่อจะมานั่งคุยกัน เพื่อช่วยกันหาหนทางที่จะต่อต้านภัยอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะขออนุญาตกราบเรียนถามในที่นี้เลยก็ที่คุยกันกับเพื่อนๆในแง่ว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าพระพุทธศาสนานี้จะอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัททั้งสี่ซึ่งปัจจุบันก็คงจะหมายถึงฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฝ่ายคาระทั้งอุบาสกอุบาสิ ก, กาอีกฝ่ายหนึ่ง จะเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตนี้นอกเหนือจากองค์กรกลางๆสําหรับพุทธบริษัทกลุ่มชาวพุทธที่จะมารวมกันบ้างแล้วนี่จะมีในลักษณะของสมัชชาหรือสภาชาวพุทธได้ไหมครับที่จะรวมทั้งสมองสติปัญญาจากพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายแล้วก็ทางฝ่ายคารวะ ด, ด้วยที่จะมาช่วยกันกําหนดโชคชะตาทิศทางของพระพุทธทศาสนาในประเทศ ก็มีอยู่สองประเด็นที่พวกกระผมเคยคุยๆกันนะครับอันหนึ่งคือคล้ายๆองค์กรกลางของกลุ่มชาวพุทธอันที่สองก็คือลักษณะของสมัชชาชาวพุทธทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคารวะครับขอความเมตตาช่วยกรุณาให้ความเห็นด้วยครับเจริญพร อ, อันนี้ที่จริงอัตมาภาพคิดจะพูดเหมือนกันคือชาวพุทธนี้ไม่รู้จกรวมตัวกัน นับว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นภัยภายในเหมือนกันเราไม่เคยกับการทำงานแบบนี้จนกลายเป็นความบกพร่องที่สำคัญความอยู่สบายก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่รู้จักรวมตัวเวลามีภัยอันตรายขึ้นมาจึงจะรวมตัวกันได้ทีหนึ่งอย่างในประวัติศาสตร์เวลาถูกต่างประเทศยกกองทัพมาลุกรานคนไทยก็จะรวมตัวกันได้ทีหนึ่ง คือพากันลุกขึ้นต่อสู้ศัตรูแต่พอศัตรูกลับไปแล้วก็ทะเลาะ ก, กันเองต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมาเรื่อยๆทำอย่างไรเราจะรวมตัวกันได้และเดือนหน้าต่อทั้งยามีภัยอันตรายที่มองเห็นและยามีภัยอันตรายชนิดมองไม่เห็นเพราะภัยอันตรายนั้นมีสองชนิดนอกจากแยกเป็นภยัยภายนอกกับภยัยภายในแล้วก็คือภัยที่มองเห็น แต่ภัยที่มองไม่เห็นทีนี้ภัยที่มองไม่เห็นนี้มันมีตลอดเวลาเราจึงต้องไม่ประมาทการรวมตัวนั้นต้องทำตลอดเวลาเพื่อจะไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องมันประชุมกันเนืองนิดซึ่งเป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธไม่ค่อยได้ปฏิบัติคืออภริหานิยธรรมที่ว่าหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิด 2. เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็อยู่จนเลิกพร้อมกัน3เมื่อมีเรื่องราวที่เป็นกิจส่วนรวมต้องลุกขึ้นร่วมกันทาโดยพร้อมเพียงกันแค่สมข้อแรกเนี่ยชาพุทธก็แทบจะสอบตกแล้วในการปฏิบัติธรรมตามหลักอปาริหานิยธรรมเจ็ดประการที่จะทำให้เป็นที่ตั้งความไม่เสื่อม เรื่องที่คุณหมอเตือนก็ดีแล้วแต่อันนี้ตอบยากคือเราต้องเริ่มต้นคำตอบก็คือว่าต้องเริ่มต้นนั่นเองการที่จะเริ่มต้นได้นี้ก็ต้องมีจุดรวมเหมือนกันถ้ามีอะไรเป็นที่อาศัยที่จะเป็นจุดรวมแล้วก็เริ่มทำได้แต่ต้องให้มีขึ้นมาให้มีการเริ่มต้นก็แล้วกันข้อขัดข้องที่สำคัญคือเกียงกัน เวลามีเรื่องจะต้องทำก็เกี่ยงกันเวลาจะแก้ปัญหาก็เกี่ยงกันทำไมที่นั่นไม่เริ่มทำไมที่โน่นไม่ทำอะไรอย่างนี้กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาจึงไม่มีทางเริ่มแก้ปัญหาใครรู้ปัญหาใครทำได้ก็ทำเลยและไม่รังเกียจผู้อื่นต้องพร้อมที่จะรับความร่วมมือและยอมรับการที่ว่าจะมีข้อบกพร่องต่างๆ ที่จะแก้ไขด้วยเรื่องสําคัญตอนนี้ก็คือต้องเริ่มต้นอย่างที่ทำวันนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างหนึ่งคิดว่าดีแล้วเพราะที่มีการเสวนาก็ถือว่าเป็นการรวมตัวชนิดหนึ่งแล้วทีนี้ก็ดูว่าเราจะรวมตัวต่อไปได้ไหมจากที่นี่อย่างที่ทำอยู่นี้เราจะรวมได้เพิ่มกว้างขวางขยายออกไปไหมแค่ไหนเพียงไร เรื่องนี้ก็อยู่ที่ว่าเมื่อมีการเริ่มต้นจากจุดหนึ่งแล้วจุดอื่นซึ่งอาจจะมีการเริ่มต้นของเขาแล้วสองจุดสามจุดนั้นจะมาประสานกันอย่างไรอันนี้คือปัญหาต่อไปแต่เวลานี้มีแล้วมีบ้างบางจุดที่มีการเริ่มต้นที่จะรวมตัวกันแต่การรวมนี้ยังเป็นมย่อมๆทีนี้ก็จะต้องมาประสานกันระหว่างย่อมเล็กย่อมน้อยนั้น ให้เป็นหน่วยใหญ่ขยายกว้างออกไปชุมชนพุทธไทยถึงจะกระจายเป็นหน่วยย่อยถ้าถือหลักการร่วมกันไว้ก็เป็นหนึ่งเดียวได้ทั้งประเทศพูดถึงวิธีของคนไทยนี้ถ้าเรามองดูสังคมไทยเดิมเราใช้วิธีประสานหน่วยย่อย คือชุมนุมแต่ละชุมชนพุทธศาสนาในเมืองไทยนี้อยู่ได้ด้วยชุมชนแต่ละชุมชนคือเรามีชุมชนอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลโดยที่หมู่บ้านนั้นๆมีวัดเป็นศูนย์กลางและชุมชนมีความสมบูรณ์ในตัวเองและชุมชนเหล่านี้ก็เชื่อมประสานกันอย่างประเพณีทอดกระทินทอดพระป่านี่ชุมชนนี้พากันไปทอดกรินที่วัดโน้น ก็คือชุมชนหนึ่งนี้ไปประสานร่วมมือแสดงน้ำใจต่ออีกชุมชนหนึ่งซึ่งทำกันเรื่อยมาถ้าว่าตามระบบประเพณีก็คือเราทำแต่ละชุมชนให้ดีให้เข้มแข็งแล้วพุทธศาสนาก็อยู่ได้เองทั้งเมืองไทยอยู่ประเทศไทยอยู่และพระพุทธศาสนาก็อยู่ด้วยกันคือช่วยกันทำแต่ละชุมชนให้ดีให้เข้มแข็ง และเมื่อแต่ละชุมชนอยู่ดีมีความเข้มแข็งประเทศชาติและพุทธศาสนาก็มั่นคงอยู่ดีทีนี้ปัญหาก็คือเวลานี้ชุมชนแต่ละชุมชนกำลังอ่อนแอกำลังจะสลายตัววิธีที่แท้ของเราไม่ใช่วิธีรวมศูนย์แต่วิธีของเราคือวิธีประสานหน่วยย่อยที่ว่าทำแต่ละชุมชนให้เขาอยู่ดีให้เขาพึ่งตัวเองได้พร้อมกับมีศูนย์กลางที่คอยช่วยหล่อเลี้ยง ถ้าเราใช้ระบบนี้ก็คือเราสามารถมีชุมชนหรือชุมหนุมหรือหน่วยย่อยๆกระจายกันอยู่ในที่ต่างๆแต่ทุกหน่วยมีหลักการและมีแนวทางอันเดียวกันอันนี้สิ่งสำคัญคือนอกจากตั้งหน่วยตั้งศูนย์ร่วมมือของตัวแล้วทุกหน่วยเหล่านั้นมีหลักการอันเดียวกันสิ่งที่จะประสานให้เกิดความสามัคคีนั้นอยู่ที่หลักการ คือย kind of ึดถือหลักการเดียวกันแล้วก็มุ่งมั่นสู่จุดหมายร่วมกันเมื่อหน่วยย่อยทั้งหลายมีหลักการและแนวทางปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็มาอยู่ที่นามธรรมจากหลักการจุดหมายและแนวทางดาเนินที่เป็นอันเดียวกันนั้นหน่วยย่อยทั้งหลายที่กระจายกันอยู่ก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ พุทธศาสนาของเราอยู่มาได้อย่างนี้อย่าไปคิดว่าต้องทำให้กรุงเทพเข้มแข็งต้องมีูนยนใหญ่โตรวมกันเป็นรู ป, ปรธรรมอยู่ในเมืองหลวงแล้วประเทศไทยจึงจะอยู่ได้ไม่ใช่หรอกเราต้องทำให้ทุกชุมชนทั่วประเทศเข้มแข็งเจริญงอกงามให้พุทธศาสนาในแต่ละชุมชนถูกหลักถูกทางมีพระมีเจ้าอาวาสที่มีคุณสมบัติ และทำหน้าที่ถูกต้องส่วนที่กรุงเทพก็มีเพียงศูนย์ประสานความร่วมมือหล่อเลี้ยงให้ข่าวสารข้อมูลทั่วไปและเตือนสติอย่างนี้หละพระพุทธศาสนาอยู่ได้ทีนี้ต้องระวังอย่าเอียงดิ่งเป็นสุดตรงไปข้างเดียวถ้าชุมชนหน่วยย่อยทั้งหลายต่างอยู่ต่าง ร, รมต่างหาทางเอาเพื่อตัวเองก็ไปสุดตรงหนึ่ง ถ้ามีศูนย์กลางแต่รวมศูนย์รวมอำนาจให้ชุมชนหน่วยย่อยทั้งหลายต้องมาขึ้นมาพึ่งพาเสริมความยิ่งใหญ่ดูดเอาทรัพยากรหรือเอาประโยชน์มารวมกองไว้ที่ตัวก็ไปอีกสุดตรงหนึ่งถ้าสุดตรงอย่างนี้ก็เป็นทางวิบัติต้องจัดระบบเป็นมัชชิมาให้หน่วยย่อยกับศูนย์กลางประสานกันพอดีน่าจะคิดกันให้ชัดว่า ศูนย์กลางที่ประสานความร่วมมือนี้จะทำหน้าที่อะไรแค่ไหนและจะประสานร่วมกับหน่วยย่อยๆที่กระจายทั่วไปอย่างไรถ้าจะรักษาคุทธศาสนาในไทยให้เจริญมั่นคงต้องส่งกำลังไปฟื้นชุมชนชนบทขึ้นมาให้ได้ ถ้าเรารู้เข้าใจและตั้งใจกันอย่างนี้เราก็ไปช่วยชนบทกันให้มากๆยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ชนบทไทยน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งตอนนี้ชนบทกำลังสลายหรือพังทลายตลอดระยะที่ผ่านมาเรามีปัญหาใหญ่ที่ว่ากำลังของชนบทไหลเข้ามาสู่เมืองหมดแล้วชนบทก็อ่อนแอเสื่อมโทรมจนกระทั่งหมดแรงไม่มีกำลังจะช่วยตัวเอง กลาเป็นชุมชนพึ่งพาทีนี้ต่อมาเมื่อมีอะไรมีใครไปเอื้อไปให้ไม่ว่าจะมีเจตนาแอบแฝงอย่างไรแก่ก็ไปหมดเพราะว่าขาดแคลนและอ่อนแอไม่มีภูมิต้านทานใครมาร้ายก็ทําลายได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่จะต้องคิดก็คือทําอย่างไรจะมีชุมชนที่อยู่ดีมีความเข้มแข็งแต่และหน่วยกระจายกันไป และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวด้วยหลักการและจุดหมายร่วมกันชุมชนของเราที่เป็นชุมชนพุทธนี้แต่ละชุมชนมีวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์ทุกแห่งทั่วประเทศมีพระธรรมวินัยเป็นหลักประชาชนชาวบ้านไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีศรัทธาในเรื่องบุญเรื่องกุศลและเชื่อถือปฏิบัติอยู่ในหลักทานศีลภาวนา เมื่อชาวบ้านฟังพระสอนดําเนินชีวิตได้ถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมก็รักษาชุมชนนั้นไว้ได้สังคมก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมเย็นเป็นสุขเมื่อมองในแง่นี้ก็จะเกิดความเข้าใจว่าเมื่อเราตั้งหน่วยศูนย์กลางอะไรขึ้นมาทํางานกันทางพระศาสนาแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดก็คือทําอย่างไรจะขยายความเกื้อหนุนไปสู่ชนบท เพื่อเสริมแรงชุมชนท้องถิ่นทั้งหลายที่กำลังถอยร่นกำลังเสื่อมทั้งทางพระศาสนาทาั้งทางกิจการทั่วไปทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกำลังจะสลายหมดเวลานี้เด็กรุ่นใหม่ในชุมชนไม่เฉพาะในเมืองเท่านั้นแม้แต่เด็กในชนบทมากมายก็ห่างเหินวัดแทบไม่รู้จักวัดไม่เห็นคุณค่าและความสาคัญของวัดและพระสงฆ์ ต่อชีวิตและชุมชนของเขาไม่เกิดความรักใคร่ใส่ใจไม่มีความรู้สึกร่วมหรือมองอย่างเป็นเจ้าของที่จะร่วมรับผิดชอบหรือจะรักษาไว้ถ้าไม่เบื่อไปเลยก็เฉยเฉยนี่คือสัญญาณเตือนภัยว่าความหายนะใกล้เข้ามาเรื่องนี้จะต้องรีบแก้ไขต้องฟื้นฟูบทบาทของวัดและพระสงฆ์ต่อชุมชนให้กลับคืนมา ถ้าคนไทยชาวบ้านรวมทั้งเด็กๆรู้ตระหนักในคุณค่ามองเห็นคุณรประโยชน์ของวัดและพระสงฆ์เขาก็จะคิดขึ้นมาเองว่าเขาต้องรักษาไว้ในอดีตนั้นชัดเจนว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นแหล่งการศึกษาเป็นที่รวมอะไรทุกอย่างกิจกรรมของชุมชนก็อยู่ที่นั่นหมดเขาจึงต้องรักษาวัดไว้ รวมทั้งพระก็เป็นผู้นำพระเป็นผู้ให้ความรู้เป็นที่พึ่งทางจิตใจและที่อาศัยทางปัญญาของเขาความเสื่อมและความเจริญที่แท้ของวัดไม่ใช่อยู่ที่วัตถุสิ่งก่อสร้างแต่อยู่ที่บทบาทการทากิจหน้าที่ที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ทางธรรมทางปัญญาแก่ชุมชนถึงวัดจะมีอาคารมากมายใหญ่โตสวยงาม แต่ถ้าไม่เป็นแหล่งเจริญทำรเจริญปัญญาไม่พาชุมชนให้งอกงามในกุศลคุณความดีความรู้ราใหญ่โตของอาคารสถานที่ก็หมดความหมายถ้าไม่เป็นที่ริษยา r a n g i n งเกียจของชาวบ้านก็ได้แค่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในฐานะเป็นซากทางวัฒนธรรมวัดนั้นถึงจะมีสิ่งก่อสร้างตกแต่งใหญ่โตหรูหรา ถ้าไม่เป็นแหล่งธรรมแหล่งปัญญาก็เหมือนคนที่แต่งกายด้วยเครื่องประดับเพรลาๆแต่ตัวคนเองไม่มีสติปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถอะไรได้แต่แต่ง ต, ตัวโ อ, อวดฉวยชายไปมามีฆ่าแต่แก่โจรหรือคนที่มุ่งร้ายด้วยความโลภเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟื้นฟูประเทศไทยด้วยการไปฟื้นฟูชุมชนชนบทหมู่บ้านให้เขาอยู่โดยมีหลัก ให้ดีพร้อมด้วยกันทั้งวัดทั้งบ้านให้มีการประสานร่วมมือกันพระต้องมีอะไรให้แก่ประชาชนคือให้ทางนามธรรมด้วยการให้ธรรมะให้ปัญญาให้กุศลให้การศึกษารวมความว่าให้เป็นไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้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 ญาติยวมห่วงใหญ่ว่าสร้างวัดกันใหญ่โตแต่ประโยชน์จมหายถ้าเริ่มฟื้น 50-30 ถึงวัดขึ้นเป็นตัวอย่างก็เดินหน้าได้ประธานดำเนินการเสวนากล่าวว่านี่คือปัญหาของคุณหมออำนาจที่ถามนะครับเราได้พูดกันเมื่อเสวนาครั้งที่หนึ่งผมเคยรวบรวมองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับชาวพุทธได้สี่หน้ากระดาษแต่ก็หาองค์กรหลักไม่ได้ ในการเซวนาครั้งที่แล้วได้เคยบอกผ่านไปยังยุวพุทธิกะสมาคมเพราะเห็นว่ามีแอคทิ i ิตี้แล้วเป็นองค์กรที่รับรองทางกฎหมายนะครับว่าจะมาช่วยกันรวบรวมได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วศา ส, สนาอื่นมีการบริหารจัดการที่เป็นรูปธปรรมชัดเจนแล้วก็มีแนวทางที่น แ, นแน่วแน่แต่ของเราไม่มีทีนี้องค์กรที่จะเป็นหลัก จะต้องเป็นองค์กรที่กฎหมายรับรองเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ไม่กี่องค์กรอันนี้ก็คงต้องขอแรงช่วยกันไม่ทราบว่าทางป ร, รียนธรรมมีอะไรเชิญครับนามส ก, การพระขุนเจ้ากระผมโอลานอสวฤลิทิกุลกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับว่าผมมีความห่วงใยต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากพุทธศาสนาเราไม่เสื่อมหรอกครับ คนทำให้เสื่อมคือคนที่ไม่เข้าใจเรื่องพุทธแล้วเรื่องนี้เมื่อได้รับฟังจากพระเดชพระคุณแล้วก็อยากจะหาวิธีแก้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นระยะเวลาเพิ่งคิดเป็นเวลาสิสิสปีแล้วอาทิเช่นในต่างจังหวัดวัดไม่มีสมภารไม่มีเจ้าอาวาสขาดการดูแลแล้วก็สร้างโบสถ์ใหญ่โตสร้างสลาไว้มากมายแต่ไม่มีคนรักษาปรากฏว่าบวชพระแต่ละปีนั้น โบตนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรเลยแข่งกันสร้างด้วยเหตุการณ์อย่างนี้นะครับได้กราบเรียนมนมาส ก, การพระราชาคณะไปหลายองค์อยากจะปรับปรุงอยากจะหาวิธีแก้ไขนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขก็คงจะไม่ยากอยากเห็นพระราชาคณะทั้งหลายได้กระจายอำนาจพุทธสมาคมได้เข้าไปช่วยเหลือกรมศาสนาต้องทาตัวเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อที่จะให้พุทธศาสนกชนได้เดินตามให้เยาวชนได้ปกปักรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษได้ทำมาในห0 0พันวัดนั้นคงจะให้ท่านประธานเสวนาเป็นผู้นาผมจะร่วมด้วยจะใช้ทุนทรัพย์เท่าไหร่ก็ตามผมเชื่อว่าท่านประธานการเสวนาในวันนี้และผู้นำที่ได้เข้ามาร่วมเสวนาในวันนี้คงจะร่วมจิตร่วมใจกันหาทางจัดได้ อยากจะก่อตัวเล็กๆขึ้นมาก่อนทำสักยี่สิบสามสิบวัดคงจะทำทั้งหมดไม่ได้หรอกครับถ้าทำตัวอย่างสักยี่สิบสามสิบวัดแล้วผมเชื่อว่าคนที่มีความสามารถคนที่อยากออกมาแสดงความรักความเคารพพระพุทธศาสนาคนที่รักพระพุทธศาสนาจะต้องออกมามากกว่าที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบันขณะนี้ชาวพุทธเฉยเมยครับอย่างพระเดชพระคุณได้กล่าวมาข้างต้นว่า นิ่งไม่ออกความเห็นนั้นด้วยความเคารพว่าผมอยากมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือพระพุทธศาสนาและก็ในอดีตนั้นอยากกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าและท่านประธานและพุทธศาสนิกชนทุกคนว่าการรักการเคารพอย่างลึกซึ้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาในวันเดียวความดีความชั่วไม่ได้เกิดขึ้นมาวันเดียวต้องมีการสะสมเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับนโยบายในอดีต ที่มีการบรรพชาสมเนรบวชเนนและให้เนนนั้นได้ศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานก็จะเข้ามาเป็นผู้นำทางศาสนาในอนาคตในอดีตนั้นผมจำได้ครับว่าพระองค์ใดข้ามเขตก็จะต้องมีใบสุทธิไปไหนทําไม่ถูกพระซึ่งเป็นสารวัตรจะต้องขอตรวจและจับลงโทษได้ถ้าผิดเดี๋ยวนี้หย่อนยานไปหมด อยากจะให้พระเดชพระคุณในฐานะผู้นำทางพระราชาคณะได้โปรดเอาเรื่องนี้เข้ามาดำเนินการใหม่เพื่อให้เข้มแข็งมีระบบระเบียบต่างๆผมเชื่อว่าพุทธศาสนกชนที่มาฟังเสวนามาร่วมเสวนาในวันนี้คงจะร่วมจิตร่วมใจกันสนับสนุนให้ในโยบายเป็นไปนตามที่เราต้องการกระผมข อ, อนามส ก, การด้วยความเคารพครับ ที่จริงเรื่องนี้ก็มีพระที่ท่านเอาใจใส่ขวนขวายทำอยู่เหมือนกันบางแห่งบางจังหวัดหรือบางภาคทำคล้ายๆเป็นโครงการหาเนานบวชเลยทีเดียวเรารู้อยู่ว่าเวลานี้ขาดแคลนเนนแต่จะทำได้แค่ไหนเพียงไรยังไม่เป็นเรื่องของการรวมประสานกันทั้งหมดมีแต่ทำเป็นย่อมๆ อ, อ, อย่างที่ว่าเมื่อกี้ลายเป็นว่าไม่พร้อมเพรียงกันมีวิธีทำสองอย่าง คือหจัดสภาพสังคมให้เอื้อต่อระบบที่เราต้องการหรือจัดให้มีวิธีปฏิบัติอย่างนั้นคือทําอย่างไรจะให้มีบวชเนนได้อีกเช่นจัดจัดการศึกษาอย่างไรเพื่อมีทางให้คนที่เรียนเป็นเนนได้ด้วยนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือ 2. เราหาวิธีใหม่จัดขึ้นมาให้เหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเอาละ่ะ ไม่มีเนรบวชจะใช้วิธีไหนดีเราก็สร้างวิธีใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดต่อไปแต่เวลานี้ที่ทำได้ก็อย่างที่ว่าคือทำเป็นย่อมๆซึ่งนอกจากแคบน้อยและช้าแล้วก็อาจจะไม่ยั่งยืนประธานเสวนากล่าวว่าคงคิดว่าคงจะต้องรอพอรบคณะสงฆ์นิดหนึ่ง เท่าที่อ่านดูที่ทางมหาเทราสมาคมได้เขียนรูปร่างเอาไว้น่าจะทำอะไรได้มากกว่าที่ทำมาในอดีตแต่คงต้องรอรูปร่างที่ออกมาขอพุทธศาสนาเมืองไทยอยากกลายเป็นลทัทธินานาจารย์ขอให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแนวไปที่องค์พระศาสดา กระผมนาระวีพาวิไลขอกราบเรียนถามสักสองประเด็นประเด็นหนึ่งพระคุณเจ้ากล่าวว่าภัยของพระพุทธศาสนานั้นมีมานานแล้วอย่างน้อยสิบเกปีท่านพูดถึงเรื่องภัยจากศาสนาอื่นพระคุณเจ้าก็ได้บอกว่าเมื่อมีภัยทางศาสนาเกิดขึ้นนี้พระอรหันต์ท่านจะไม่ดูได้พระคุณเจ้ายกตัวอย่างพระมหากรสปะว่าท่านขวนขวาย การประชุมสังคยนาขึ้นเท่าที่ผ่านมาจนบัดนี้กระผมก็เห็นแต่พระคุณเจ้าเท่านั้นหละขวนขวายและทั้งทั้งที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์เลยพระคุณเจ้าก็ขวนขวายกระผมไม่เห็นมีพระคุณเจ้าอื่นๆที่ผมได้ยินว่าท่านผู้นั้นท่านผู้นี้เป็นพระอาหารหันต์อย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่เห็นว่าจะมาร่วมกับพระคุณเจ้าทาอะไรเลยทาไมเป็นอย่างนั้นนี่คือคาถามของกระผม อีกคำถามหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นพระอระหันเหมือนกันแต่อันนี้เป็นประเด็นวิชาการสักหน่อยกระมังพระคุณเจ้ากล่าวว่าพระอระหันนั้นแม้ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านอาจจะตั้งใจไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าก็ดีหรือสงก็ดีต้องการท่านท่านจะออกจากนิโรธสมาบัติมาได้เลยตรงนี้กระผมสงสัยสงสัยว่านิโรธสมาบัติตามที่กระผมเข้าใจนั้น ชื่อเต็มคือสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติหมายความว่าสัญญาและเวทนาดับไปซึ่งหมายความถึงว่าจิตดับไปตลอดระยะที่เข้านิโรธสมาบัติด้วยถ้าจิตดับไปตลอดเวลานั้นในสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติท่านจะยังรู้ได้ด้วยญาณวิธีไดอีกละ่ะที่พระพุทธเจ้าประสงค์ท่านและหรือคณะสงฆ์ประสงค์ท่านท่านจะออกมา ตรงนี้กระผมยังไม่ชัดเจนนอกเสียจากจะต้องเชื่อว่ากายกับจิตนั้นสัมพันธ์กันแยกกันไม่ออกและสังคมกายนั้นก็ต้องหมายความว่าสังคมด้วยกับจิตของแต่ละบุคคล น, นั้นไม่ได้แยกกันตรงนี้ไม่ทราบว่าจะมีคาตอบอย่างไรขอประธานอภัยจเจริญพรสาหรับข้อที่สอง เรื่องพระอาหารหันต์ที่เข้านิโรธัสมาบัติหรือนิโรสมาบัติจะออกทันทีเมื่อมีกิจของสงส่วนรวมนั้นเท่าที่พอจะนึกได้ตอนนี้คือว่าเพราะเหตุที่สัญญาและเวทนาดับไประหว่างนั้นนี่แหละจึงต้องตั้งจิตไว้ความตั้งจิตของท่านนี้ก็ไปประสานกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสภาพแวดล้อม ที่ท่านอาจารย์บอกว่าทางกายนั้นก็ถูกความเป็นไปในสังคมก็เป็นเรื่องสภาพแวดล้อมอยู่ทางด้านกายทีนี้เพราะจิตที่ท่านตั้งไว้และเพราะภาวะของท่านที่บริสุทธิ์กลายเป็นความแจม่มใสที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงกับที่ตั้งจิตก็จะตื่นขึ้นมาถ้าจะตอบง่ายๆก็ตอบได้อย่างนี้แหละ คือจากความพร้อมความไสที่มีอยู่นี้พอความตั้งใจที่มีอยู่ไปจดกับจุดนั้นก็ออกมาทันทีก็ตอบได้แค่นี้ก่อนจเจริญพอรอาจารย์ุรภีพาวิไลถามต่อไปว่าพระอรหันท์ท่านไปนไหนกันหมดขณะนี้ภัยของสังคมภัยของพระพุทธศาสนามีแล้วนะครับท่านไปนไหนกันหมด ก็อาจจะตอบว่ายัางเป็นย่อมยอมคืออยู่ที่โน่นองอยู่ที่นั่นองคตอนนี้จะต้องมาประสาน ร, รวมกำลังกันขออนุญาตกราบนมัสการพระกุณเจ้าผมชื่อบูชาครับคืออยากจะเสริมที่ท่านเสนอแล้วและเสริมความเห็นของท่านอาจารย์สมพลนิดหนึ่งครับคือผมคิดถึงคำว่าเครือข่าย การเคลื่อนไหวที่เครือข่ายเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้อํานาจหรือใช้ทรัพยากรอะไรมากคือต้องใช้ปัญญามากๆองค์กรกลางอย่างที่ว่านี้คือผมอาจจะมองต่างมุมกับคุณหมอสมพลว่านิดหนึ่งความจริงขั้นแรกนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดอิงองค์กรที่มีความถูกต้องทางกฎหมายอะไรก็ได้ที่เขารับรองแต่ใช้เป็นซ e c r e t a r i a t หรือคณะที่ประสานงาน เพียงแต่ว่าต้องมีตัวยืนจริงๆนะครับทํางานต่อเนื่องทุกวันทุกวันคิดแต่เรื่องนี้ว่าจะเดินยุทธศาสตร์เรื่องพระพุทธศาสนาอย่างไรคนนั้นจะต้องคิดทุกวันต้องคิดแต่เรื่องนี้คิดเรื่องอื่นไม่ได้ตอนนี้ผมคิดว่ากระแสนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแต่เป็นไปได้ว่าเราอาจจะรวมความรู้ให้ครบก่อนคือจะเดินยุทธศาสตร์ ต้องมีข้อมูลครบใช่ไหมครับว่าใครอยู่ตรงไหนศัตรูอยู่ตรงไหนพันธมิตรอยู่ตรงไหนเส้นทางเดินทับไปทางไหนหาแแมกพบนี้ให้ครบและพอถึงเวลาเดินก็เคลื่อนทันทีคือคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์ประเวศเดินเรื่องปฏิรูปการเมืองท่านบอกว่าตอนนั้นไม่มีใครสนใจท่านทาเรื่องความรู้ก่อนดนหนังสือมาตั้งหนึ่งพอมีกระแสขึ้นมา คนเริ่มเบื่อการเมืองพอดีตอนนั้นเศรษฐกิจตกด้วยคนเริ่มเบื่อกันทั้งประเทศก็เดินเรื่องนี้ได้ผมคิดว่าตอนนี้เราหาเซคริตเทเรียตรงนี้แล้วรวบรวมความรู้ว่าใครพันธมิตรอยู่ที่ไหนอย่างไรเราจะเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรเอาไว้ก่อนถ้ามีเวลาโอกาสอันเหมาะก็อาจจะเคลื่อนเรื่องนี้ได้ทันการขอเสนอครับ จเจริญพรขอพูดอีกนิดหนึ่งที่ท่านแนะนํามานั้นเป็นเรื่องของส่วนที่จะนําไปใช้ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีที่สําคัญคือใจรวมกันการที่จะใจรวมกันนี้หนึ่งมีจุดหมายร่วมถ้าคนเรามีจุดหมายร่วมแล้วใจก็รวมกันได้ฉะนั้นคําว่าเพื่ออะไรอันนี้ต้องชัดคําว่าเพื่ออะไรนี้ต้องตอบให้ได้ เพื่ออะไรอันนั้นพอทุกคนเห็นด้วยบอกว่าฉันทำเพื่ออันนี้ใจก็รวมกันเลยนี้อันหนึง่งสองมีศูนย์รวมจิตใจโดยเฉพาะพุทธศาสนาเวลานี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำให้ได้ก็คือให้ทุกคนไปรวมกันที่พระพุทธเจ้าชาวพุทธระยะที่ผ่านมานี้เกิดปัญหาอย่างหนึ่ง คือเริ่มกระจายไปเป็นสำนักเป็นอาจารย์เป็นอะไรต่างๆชาวพุทธจะต้องมองอาจารย์ด้วยความเคารพให้ถูกอาจารย์นั้นจะต้องเป็นสื่อโยงพุทธบริษัทไปหาจุดรวมเดียวกันคือพระพุทธเจ้าข้อนี้จะต้องทำให้ได้มิฉะนั้นเราจะรวมกันไม่ได้สภาพพระพุทธศาสนาในเมืองไทยปัจจุบันกำลังเกิดปัญหากระ จ, ระจายอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้สุดลงไปต้องหาทางให้เราเมารวมที่พระพุทธเจ้าถ้าชูพระพุทธเจ้าเป็นจุดรวมได้ก็เดินหน้าได้พออรวมที่พระพุทธเจ้าก็ยึดเอาพระธรรมวินัยของพระองค์เป็นหลักเมื่อเราอยู่กับพระธรรมวินยัยพระธรรมและพระสงฆ์ก็มาด้วยกันหมดเพราะพระรัตนตรัยก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ฝากไว้ด้วยจเจริญพร หมายเหตุผู้อ่านบทความนี้เป็นการคัดลอกจากการเซวนาเมื่อปีพุทธศักราช2544และจัดทำเป็นเสียงอ่านเวอร์ชันนี้ในปี2568ซึ่งผ่านมาแล้ว24ปีนับจากการเซวนาครั้งนั้นซึ่งในปัจจุบันก็ปรากฏภัยของพระพุทธศาสนามากกว่าเดิมหลายเท่านะครับทั้งการสอนธรรมะที่ผิดทางหรือไม่ครบทุกแ ง, งม่มุมสุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่ง การสอนธรรมะในโรงเรียนที่ไม่สามารถทําให้เด็กเชื่อมั่นว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือเข้าใจในหลักกรรมได้ครบทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเน้นให้เข้าใจก่อนแต่กลับไปสอนคล้ายวิชาประวัติศาสตร์และสอนสิ่งที่เกินวัยของเด็กจะเข้าใจได้เป็นหลักธรรมที่ยากเน้นท่องจํากลายเป็นวิชาที่เด็กเบื่อและไม่เห็นว่าจะมาเป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้อย่างไรเรียนกันมาหลายปีแต่ความเข้าใจธรรมกันจริงหาได้ไม่กี่คน ต้องมาศึกษากันนอกห้องเรียนขวนขวายกันเองเป็นหลักถึงจะเข้าใจซึ่งถ้าไปเจอหนังสือดีคนสอนดีก็ดีไปแต่หากไปเจอที่สอนผิดทางก็ยากจะมีใครไปแนะนำให้ถูกต้องได้เพราะเชื่อและเข้าใจแบบนั้นไปแล้วทั้งที่จริงมันควรจะมีหลักกลางที่การันตีความถูกต้องและสร้างความเข้าใจได้จริงตั้งแต่ในโรงเรียนยังไม่นับกับการจับเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม ที่มักจะสุดต่งหรือทําเกินพอดีกับวัยและความพร้อมของเด็กเช่จนจับอดข้าวอดนอนกันตั้งแต่วันแรกไม่ได้เตรียมความพร้อมหรือปรับไปตามระดับถามเด็กจะพบคําตอบเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าหน้าเบื่อและเข็ดกับเรื่องธรรมะและการปฏิบัติธรรมไปอีกนานเลยเท่าที่เห็นคือถ้าไม่เข้าใจในหลักกรรมในระดับส่งผลข้ามภพชาติได้จริงอย่างไรซึ่งปัจจุบันอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้ระดับหนึ่งแล้ว ถ้าไม่เข้าใจหลักกรรมถึงระดับนี้การศึกษาปฏิบัติธรรมจะยากและน่าเบื่อหรือไม่น่าสนใจอย่างมากเพราะไม่เห็นประโยชน์ใดเลยต่อเมื่อเข้าใจหลักกรรมจริงทุกอย่างจะง่ายและนำสู่ความเข้าใจธรรมได้ตรงทางและรวดเร็วกว่ามากกว่าการเรียนหลักธรรมยากๆที่ต่อให้ท่องพระไตรปิฎกและจำได้ทั้งหมดแต่ถ้าไม่เข้าใจหลักกรรมจริงก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังจะเห็นได้จากพระปริเรณสู ง, สง เกิดมิจฉาทิฐิและผิดศีลได้แบบไม่รู้สึกอะไรหรือแม้แต่เข้าใจคำสอนผิดพลาดคลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายให้กับตนและพระศาสนาได้อย่างมากมายการสอนธรรมะในโรงเรียนที่ไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่ใจก่อนและเมื่อประกอบกับมีคนไม่ดีเข้ามาปลอมบวชเพื่อหากินได้ง่ายขึ้นไม่มีความรู้ในธรรมวินัยบวชกันง่ายแต่ไม่ได้มีการจัดการ หรือเข้มงวดในการให้ได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกันจริงจังไม่มีการทดสอบความรู้ในทางปริยัตหรือสอบอารมณ์ในด้านปฏิบัติโดยเฉพาะในพระนวากะกันเลยเมื่อบวชและไม่ศึกษาปฏิบัติก็เลยเป็นเหตุให้ทําผิดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจได้ง่ายจึงปรากฏเป็นภาพข่าวความเสียหายของพระภิกษุสงฆ์ให้เห็นแทบทุกวันจึงมีผลให้คนรุ่นใหม่ยิ่งเบื่อหน่ายศาสนาและมองในแง่ลบมากขึ้น จะเห็นได้จากคอมเมนต์ในหลายช่องทางที่พูดตรงกันว่าเลิกทําบุญกับพระกับวัดนานแล้วทั้งกับหมากับแมวซะยังดีกว่าหรือการสํารวจสถิติล่าสุดปรากฏพบว่ามีประชากรที่เลิกนับถือศาสนาเป็นคนไม่มีศาสนาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านะครับทั้งนี้ยังไม่นับกับมีหลายวัดที่นําชาวบ้านห่างไกลความเป็นพุทธไปเรื่อยๆด้วยการสร้างรูปปั้นเทพนอกศาสนา หรือสิ่งที่ไม่สมควรให้คนกราบไหว้บูชาหรือสิ่งที่อยู่นอกเขตแห่งพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อของลัทธิอื่นและเน้นไปในทางขอโชคลาบอ้อนวอนบนบานขอพรซึ่งมองด้วยหลักความจริงถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนับเป็นความผิดร้ายแรงสวนทางกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีหลักแห่งพุทธธรรมเพื่อนาคนออกจากความงมงายและให้พึ่งตนด้วยพลังแห่งความดีและคุณธรรม ที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดให้มีให้มากในตนเป็นหลักเปรียบเทียบนะครับว่าถ้ามีนักบวชของคริสต์หรืออิสลามสร้างเทพหรือสิ่งเคารพที่ไม่ใช่สิ่งที่มีในคัมภีร์หรือในศาสนาของเขาจะต้องมีโทษร้ายแรงเพียงใดถ้าไม่โดนจับศึกก็อาจจะสร้างความโกรธแค้นในศาสนาของเขาอย่างมากและต้องลุกฮือกันไปทุบทาลายทิ้งทันทีแน่นอนแต่ของพุธ ลับปล่อยให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้แบบเหมือนไม่รู้สึกละอายใจต่อพระศาสดาโดยที่เรามีหน่วยงานดูแลเกี่ยวกับศาสนาที่มีงบประมาณมหาศาลในแต่ละปีและที่น่าแปลกใจก็คือเราจะเห็นบางท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงและได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ไปอยู่ในระดับสูงและบางท่านก็มีตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานสำคัญของศาสนาในระดับสูงเสียด้วยนับเป็นภยัยภายในที่ร้ายแรงพอสมควร ที่ยังมองไม่เห็นหนทางเลยนะครับว่าจะมีใครมีอำนาจมากพอและเห็นความสำคัญในการจัดการเรื่องเหล่านี้ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยได้อย่างไรก็ต้องขอฝากเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ไว้พิจารณาต่อไปนะครับ ภายแห่งพุทธศาสนาบทแถมไทยบาดหลวงฝรั่งเข้ามาสมัยพระนารายทําไมว่าเมืองไทยใจเสรีไม่มีที่ไหนเท่าเทียมทําไมบาดหลวงช่องเดือบูชาวฝรั่งเศสมาเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเห็น อ, อัธยาศัยไมยตรีของคนไทยซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชน ที่แสดงออกต่อพวกตนที่เป็นคนต่างชาติต่างศาสนาแล้วจึงได้เขียนจดหมายเหตุไว้โดยยืนยันหนักแน่นยิ่งนักอย่างที่ยกมาให้ดูข้างต้นแล้วว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนาอยู่มากมายและแต่ละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของตนได้อย่างเสรีเท่ากับประเทศสยามคำพูดอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาได้ ต้องอาศัยการกระทบประสบการณ์ใหม่ที่แปลกแตกต่างจากความรู้สึกนึกคิดของเขามากและทำให้เกิดความประทับใจในทางตรงข้ามอย่างแรงทีเดียวประสบการณ์แตกต่างที่ทำให้แปลกประหลาดประทับใจนั้นเกิดขึ้นอย่างไรลองหันไปดูสภาพการนับถือศาสนาในประเทศแถบยุโรปที่เป็นดินแดนของบาทหลวงชองเดอร์บูเองในสมัยนั้นว่าเป็นอย่างไร ก่อนทำสงครามโลกฝรั่งเคยมีสงครามระดับทวีปศูนย์ชีพบ้านเมืองย่อยยับด้วยสงครามศาสนารัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาคือเมื่อประมาณ350ปีมาแล้วตรงกับพศ2 2 0 0องถึงเท่ากับคศ1 6 5 7งหเถึง่เทียบแผ่นดินประเทศฝรั่งเศส คือสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งครองราชขสหนึ่1หกสถึง1715พระเจ้าหลุยส์ที่14ราชาธิปดีแห่งฝรั่งเศสเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสคือรวมถึง72ปีและได้รับเฉลิมพระนามว่าเป็นพระเจ้าหลุยส์มหาราชเป็นเจ้าของวาทอันเรื่องหรือว่าอแอตในรัชสมัยของพระองค์ สงคราม30ปีแห่งยุโรปที่เริ่มรบกันมาตั้งแต่รัชกาลของพระราชบิดาคือพระเจ้าหลุยที่13ได้จบสิ้นลงเวลานั้นพระเจ้าหลุยที่14ยังทรงพระเยาวพระชนมายุเพียงห้าพรรษาและพระราชมารดาทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในฝ่ายมีชัยได้โดดเด่นขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ต่อมาโดยเฉพาะในช่วงคศ1 6 6 7ึ่งถึงพระเจ้าหลุยที่14ส่ทรงประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำสงครามขยายดินแดนของประเทศฝรั 97, world, ่งเศสออกไปทางทิศตะวันออกในที่นี้เรื่องที่ควรกล่าวถึงก็คือสงคราม30ปีซึ่งนอกจากเป็นสงครามใหญ่ยิ่งอย่างที่เรียกว่าสงครามมหาวินาศแล้วก็เป็นเหตุการณ์ท <Nigeria. S 2> ี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของมหากษัิย์ฝรั่งเศสเท่านั้น แต่เป็นสงครามของทวีปยุโรปและยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องแสดงลักษณะ น, นิสัยจิตใจความคิดความเชื่อถือเฉพาะยังยิ่งลักษณะาการนับถือศาสนาของชาวยุโรปหรือชาวตะวันตกทั่วไปในสมัยนั้นด้วยสงคราม30ปีนี้เป็นสงครามศาสนาซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการที่ศาสนาของชาวตะวันตกเข้าไปวุ่นวายปะปนกับอำนาจการเมืองและการทหาร อย่างแยกไม่ออกและแสดงให้เห็นว่าประเพณีการนับถือศาสนาของชาวตะวันตกนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อหรือศรัทธาแบบผูกขาดประกอบด้วยความรุนแรงที่ไม่อาจยอมรับซึ่งกันและกันแต่จะต้องกาจัดกวาดล้างความคิดความเชื่อถืออย่างอื่นให้หมดไปสงคราม30ปีนั้นเป็นเพียงตัวอย่างครั้งหนึ่งของสงครามศาสนามากมายในประเทศตะวันตก และเป็นครั้งสำคัญกับทั้งถือว่าเป็นสงครามศาสนาระหว่างประเทศครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นการห้ามหันบีทาหรือกาจัดกันทางศาสนาในยุโรปก็เป็นเรื่องภายในของแต่ละประเทศ <damn> เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องนี้ขอย้อนไปเล่าภูมิหลังเล็กน้อยกล่าวคือหลังจากมาตินโลเทอร์ทำการประท้วงซึ่งเป็นการละเมิดต่อพระอํานาจขององค์สันตร ป, ป, รปาปาหรือโป ทำให้เกิดคริสศา ส, สนาที่เป็นนิกายใหม่แยกออกไปจากโรมันคาทอลิกเรียกว่านิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศเยอรมนีเมื่อคศ .1517 แล้วและนิกายโปรเตสแตนต์แผ่ขยายออกไปก็ได้เกิดการขัดแย้งรบราค่าฟันกันระหว่างชาวคริสสองนิกายนี้ในประเทศต่างๆทั่วยุโรปการกำจัดหรือห้ามหันบีทากันนี้รุนแรงมากเพราะนอกจากราษฎรขมเหงกันแล้ว ก็เป็นเรื่องของผู้ปกครองประเทศต่ตอราษฎรด้วยหรือถ้าประเทศใดกษัตริย์เป็นคาทอลิกก็กำจัดชาวโปรเตสแตนต์ถ้ากษัตริย์โปรเตสแตนต์ก็กำจัดชาวคาทอลิกโดยเฉพาะฝ่ายคาทอลิกนั้นได้กำลังหนุนหรือคำสั่งกำกับมาจากองค์สันต ป, ปาปาที่วาติกันด้วยโดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีที่เกิดนิกายโปรเตสแตนต์นั้น พวกคาทอลิกได้พยายามกำจัดพวกโปรเตสแตนต์เรื่อยมาเวลานั้นเยอรมันยังแยกเป็นรัฐใหญ่น้อยมากมายภายในจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต่อมาพวกเจ้าเมืองโปรเตสแตนต์ได้รวมกันตั้งกลุ่มป้องกันตัวขึ้นแล้วฝ่ายคาทอลิกก็ตั้งสันนิบาตของฝ่ายตนขึ้นเช่นเดียวกันต่อมาในคศ .1618 การขัดแย้งและกำจัดกันก็รุนแรงขึ้นพวกคาทอลิก จะทำลายนิกายโปรตุสแตนให้จบสิ้นและกลายเป็นสงครามเริ่มด้วยกองทัพของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ยกเข้าทำลายฝ่ายโปรตุสแตนจนในที่สุดพวกเจ้านครฝ่ายโปรตุสแตนได้ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศรั์เดนมาร์กและนอร์เวย์ก็ยกทัพมาช่วยพวกโปรตุสแตนของเยอรมันต่อมากรั์ประเทศสวีเดนก็เข้าร่วมสงครามตามด้วยออสเตรียฝรั่งเศสและสเปน ก<บ>ารสงครามดำเนินมาจนถึงคศส6 4 8รวม30ปีจึงยุติลงเนื่องจากสนามรบส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเยอรมันดินแดนและประชาชนชาวเยอรมันจึงประสบภัยพิบัติรุนแรงที่สุดดังจะมองเห็นภาพความโหดร้ายทารุณและความพินาศจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ว่าเมื่อจบสิ้นสงคราม30ปีนี้ประชากรเยอรมันลดจาก21ล้านคน เหลือเพียง14ล้านคนคือตายหายสูญไป7ล้านคนนับเป็นหนึ่งในสมของประเทศหลายเมืองประชากรตายหายสูญไปครึ่งหรือค่อนเมืองโดยเฉพาะเมืองแมกดิเบิร์กทั้งเมืองถูกเผาและผู้คนก็ถูกฆ่าราษดรที่มีอยู่ 30,000 คนถูกฆ่าตายไป 20,000 คนนับคร่าวๆสงครามนี้ได้ทำลายหมู่บ้านหมดไป 18,000 หมู่ เมือง 1,500 ันหแล้ววังเจ้าสองพันวังความสยดสยองของสงคราม30ปีนี้ตรั่งเขียนบันทึกว่าเป็นภาพที่ฝังแน่นในความทรงจำของประชาชนยิ่งกว่าสงครามใดที่มีมาในยุโรปก่อนศตรวรรษที่20สความพินาศย่อยยับของสังคมเยอรมันจากการสงครามครั้งนี้จะเทียบได้ก็ด้วยสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้น หลังจากสงครามศาสนาครั้งใหญ่ระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปนี้ยุติแล้วการห้ามหันบีทากำจัดกันระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ก็ดำเนินต่อมาในประเทศของตนของตนประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสบ่งบอกไว้อนาคตของคนไทยถ้าพระนารายณ์เปลี่ยนไปเป็นคริสต สำหรับประเทศฝรั่งเศสในรัชกาลพระเจ้าหลุยที่ส4มหาราชนี้นอกจากสงครามศาสนาที่ฝรั่งเศสเข้าไปร่วมรบระหว่างประเทศแล้วภายในประเทศของตนเองการกำจัดกวาดล้างทางศาสนาก็ดำเนินมาอย่างยืดเยื้อต่อเนื่องจากรัชกาลก่อนฝรั่งเศสนั้นเป็นประเทศคาทอลิกดังนั้นภายในประเทศจึงมีการกำจัดพวกโปรเตสแตน์เรื่อยมา ชาวโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสมีชื่อเรียกพิเศษว่าพวกฮิวเกียนอตซึ่งเริ่มตั้งกลุ่มเกิดมีองค์กรขึ้นเมื่อคศส1559แต่หลังจากนั้นเพียงสมปีคือคศส1562ก็เริ่มเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างพวกฮิวเกียนอตนั้นกับพวกคาทอลิกฝ่ายโปรเตสแตนต์ถูกสังหารหมู่จึงตอบโต้ด้วยการสังหารบาทหลวงและขมขืนแม่ชี สงครามดาเนินต่อไปโดยทั้งสองฝ่ายทำการต่างๆอย่างโหดร้ายชาวคริสต์สองนิกายนี้ทำสงครามกลางเมืองกันมาเรื่อยๆอย่างยืดเยื้อและล้มตายกันไปมากจนหลังสงครามกลางเมืองครั้งที่8แล้วมีกษัตริย์ที่เดิมเป็นโปรเตสแตนต์ได้ขึ้นครองราชยอมสยบต่วาติกันอันเป็นนับถือคาทอลิกแล้วได้ประกาศราชองค์การแห่งแนน์หรือนองสในภาษาฝรั่งเศส เมื่อปี1598ทำให้ชาวโปรตุเกส์ได้มีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมของตนพวกฮิวเกียนอตจึงค่อยหายใจสะดวกขึ้นแต่พอถึงคศ1627บาทหลวงใหญ่ซึ่งเป็นรัฐบุรุษด้วยคือคาร์ดินัลลิเชลูได้ยกทัพมาล้อมฐานที่มั่นของพวกฮิวเกียนนอตหลังจากล้อมอยู่14เดือน และทัพเรืออังกฤษมาช่วยไม่สำเร็จพวกคาทอลิกก็ยึดที่มันได้หลังจากนั้นพวกฮิวเกียนนอตก็สูญสิ้นอำนาจการเมืองที่มีกำลังทหารของตนเองและพวกฮิวเกียนนอตก็อยู่ในฐานะลำบากมากขึ้นเนแม้จะยังมีเสรีภาพในการนับถือหรือทาพิธีบูชาแต่ไม่มีสิทธิชุมนุมและขาที่หลบลี้ภัย จะตากรรมของพวกฮิวเกยนอตมาถึงจุดจบในรัชกาลพระเจ้าหลุยที่14มหาราชในคศ .1685 เมื่อพระองค์ได้ทรงยกเลิกเพิกถอนพระราชองค์การแห่งแนนซ์หรือนองซ์ที่ให้สิทธิทเสรีภาพแก่พวกฮิวเกนนอตไว้ตั้งแต่คศ .1598 ทงห้ามีิให้มีการถือปฏิบัติลัทธิศา ส, สนาอื่นใดนอกจากศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ถึงตอนนี้พวกฮิวเกียนอตก็หมดทางไปและในที่สุดพวกฮิวเกียนอตประมาณ5 0าแสนถึง1ล้านคนต้องอบพยพหนีภัยไปอยู่ในประเทศอื่นที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์เช่นอังกฤษออแลนด์เดนมาร์กสวีเดนเยอรมันแอฟริกาใต้และจำนวนหนึ่งก็หนีต่อจากยุโรปไปดินแดนแห่งโลกใหม่คืออเมริกาไปอยู่ในรัฐต่างๆเช่นแมสซาชูเซตส์นิวยอร์ก ฟลิดาและเซาท์คโรไลนาหลายประเทศในยุโรปยินดีต้อนรับให้พวกฮิวเกนอตเข้าไปอยู่ในประเทศของตนเพราะพวกฮิวเกนอตเป็นคนระดับที่มีการศึกษาดีเช่นเป็นคุณนางพ่อค้าปัญญาชนและช่างฝีมือต่างๆรวมทั้งในทหารและนักเดินเรือทะเลการอพยพใหญ่ครั้งนี้ทำให้ประเทศฝรั่งเศสสูญเสียทรัพยากรคนไปมากมายและทาให้ประเทศอ่อนแอลง ต่อมาในปี1715พระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ทรงประกาศว่าพระองค์ได้ทำให้ศาสนานิกายโปรตุเตสันจบสิน้นการดำเนินการทุกอย่างหมดไปแล้วจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่14เองก็ได้สวรรคตในปีนี้แต่ที่ว่าโปรตุเซสันจบสิ้นจากฝรั่งเศสนั้นไม่หมดจริงโดยสิ้นเชิง พวกโปรดตสแตนยังรวมกลุ่มประชุมกันพยายามฟื้นนิกายของเขาขึ้นมาและต่อมาก็มีการพยายามกำจัดพวกฮิวเกนอตอีกในช่วงคศส1745ถึง1754แต่ถึงตอนนี้ประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายไม่พอใจการห้ามหันบีทากันแล้วพวกฮิวเกนอตก็อยู่มาได้จนกระทั่งคศส1787คือพศส2330 เกิดปฏิวัติฝรั่งเศสมีการยอมรับเสรีภาพทางศาสนาและยอมให้พวกโปรเตสแตนต์เข้าทำงานในราชการและอาชีพทุกอย่างได้เหมือนคนอื่นทั้งปวงขอให้สังเกตว่าปีที่พระเจ้าหลุยที่14่ทรงยกเลิกพระราชองค์การแห่งแนนส์คือคศ6 8 5นั้นตรงกับปลายราชการสมเด็จพระนารายมหาราชก่อนจะสวรรคต3ปีคือทรงสวรรคต พสสองสสหนึ่งตรงกับคสหนตรงนี้ขอให้นึกถึงบันทึกของพ่อค้าฝรั่งเศสเกี่ยวกับการที่พระเจ้าหลุยที่ส4จะชวนสมเด็จพระนารายมหาราชให้หันไปเป็นคาทอลิกที่ยกมาให้ฟังข้างต้นที่เขาพูดว่าถ้าพระเจ้าหลุยที่14บสีได้ทรงชักชวนแล้วสมเด็จพระนารายก็คงจะหันเข้าหาศาสนาโรมันคาทอลิกเป็นแน่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 มีความหมายสําคัญเป็นอย่างยิ่งความหมายว่าอย่างไรคําว่าได้ทรงจัด ก, การศาสนาในราชอาณาเขตของพระองค์ก็คือการที่พระเจ้าหลุยที่สิบ่ทรงดําเนินการให้ศาสนาอื่นโดยเฉพาะนิกายโปรตุสตันหมดไปจากฝรั่งเศสคงเหลือแต่นิกายโรมันคาทอลิกอย่างเดียวในคําว่ายังได้ทรงจัด ก, การทําลายศาสนา ไม่ดีในแผ่นดินฝ่ายตะวันออกซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดอยู่แล้วแผ่นดินฝ่ายตะวันออกซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดอยู่แล้วเวลานั้นก็คือประเทศสยามหรือไทยนี่แหละส่วนคําว่ายังได้ทรงจัดการทําลายศาสนาอันไม่ดีก็หมายความว่าถ้าพระนารายมหาราชทรงหันไปนับถือศาสนาคาทอลิก ตามที่พระเจ้าหลุยที่ส4่ทรงชักชวนแล้วพระพุทธศาสนาซึ่งเขาถือว่าเป็นศาสนาที่ว่าไม่ดีคือชาวคทาทอลิกเวลานั้นถือว่าศาสนาอื่นไม่ดีทั้งนั้นดังที่ต้องกำจัดพวกโปรเตสแตนต์พระพุทธศาสนาซึ่งเขาถือว่าเป็นศาสนาที่ว่าไม่ดีก็จะถูกกำจัดหมดไปและชาวพุทธในสยามครั้งนั้น ก็คงมีชะตากรรมเช่นเดียวกับพวกยูแคนนตในฝรั่งเศสหากการเป็นไปเช่นนี้พระเกียรติยศของพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็จะเลื่องลือระเบือไกลวงประชาชาวแคทอลิกก็จะแซ่ซ้องสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าหลุยส์ที่14กันโดยทั่วในอดีต มีเรื่องให้รู้กันมาลัทธิล่าเมืองขึ้นผนวกกับการเผยแพร่ศา ส, สนาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชแม้ว่าพระเจ้าหลุยจะยังทรงชวนพระเจ้าแผ่นดินสยามให้หันไปเป็นคาทอลิกไม่สำเร็จแต่การทูตระหว่างสองประเทศก็เดินหน้าหนักแน่นยิ่งขึ้นพร้อมกับการที่ฝรั่งเศสเรียกร้องมากขึ้น ราชทูตไทยไปฝรั่งเศส3ครั้งในคศ1680 1684และ1686ส่วนทางฝรั่งเศสก็ทรงคณะทูตคณะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมายังประเทศสยามในปี1682 1685และ1687ตรงกับพศออ2225 2228และ2230โดยเฉพาะครั้งสุดท้าย คือพศ .2230 ก่อนสมเด็จพระนารายมหาราชสวรรคตปีเดียวฝรั่งเศสส่งเรือรบมาด้วยหลำพร้อมทั้งทหารห0ร้อยนายห น, หนังสือ Encyclopedia Britannica 1น9 7หัวข้อนารายและหัวข้อฟ a l คอนเขียนไว้รวมความว่าในเดือนธันวาคม1685ห สยามกับฝรั่งเศสได้ร่างสนธิสัญญาซึ่งนอกจากให้อภิสิทธิ์ทางการค้ามากมายแก่ฝรั่งเศสแล้วก็ยอมให้ฝรั่งเศสเข้าตั้งกองทัพที่เมืองสงขลาด้วยต่อมาพระเจ้าหลุยที่14ก็ทรงเสนอข้อเรียกร้องเพิ่มอีกและในปี1687ก็ได้ส่งกองเรือรบหลำพร้อมด้วยทหารห0รอนายเข้ามาบีบให้สยามยอมรับเงื่อนไขของพระองค์ และสมเด็จพระนารายมหาราชก็ต้องจำพระไทยยอมให้กองทหารฝรั่งเศสเข้าตั้งประจำเมืองบางกอกซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ครั้งนั้นกระแสความรู้สึกต่อต้านขัดเคืองฝรั่งเศสและไม่พอใจต่อฟอลคอนคือเจ้าพระยาวิชเยนได้รุนแรงขึ้นพอดีสมเด็จพระนารายมหาราชก็ประชวรหนักจนสวรรคตในปี168่หรือพศ .22 งสหนึ่ง พระเพทราชาได้สังหารฟอลคอนเสีย er, และขับไล่กองทัพและพ่อค้าวานิทฝรั่งเศสออกจากประเทศสยามทั้งหมดทำให้ประเทศไทยเสมือนปิดประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับฝรั่งหรือชาวตะวันตกเป็นเวลานานต่อมาถึง150ปีจนกระทั่งคศ1855หรือพศสองสในแผ่นดินรัชกาลที่สี่ พระราชินีวิกตอเรียแห่งราชอาณาจักรอังกฤษได้ทรงส่งเซื้อจอนเบลริง ring, เป็นผู้แทนพระองค์เข้ามาเจรจาให้สยามยกเลิกข้อจำกัดต่างๆทา ง, างการค้ายอมให้อังกฤษตั้งกงศูนในกรุงเทพและตั้งศาลพิเศษไตส่สวนคดีที่เกี่ยวกับคนในบังคับของอังกฤษคือสิทธิสภาพนอกราชอาณาเขตเกิดเป็นสนธิสัญญาเบลริง1855 เป็นการเปิดประเทศไทยสู่การค้าโลกแล้วรับอิทธิพลจากตะวันตกแต่นั้นมาสภาพการความเป็นภายในประเทศไทยนี้น่าจะเทียบกับอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในทวีปเอเชียด้วยกันคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งโปรโตุเกสและสเปนได้เข้าไปค้าขายโดยมีบาทหลวงเข้าไปกับเรือสินค้าด้วยเริ่มแต่ราวคศ .1542 ซึ่งเป็นระยะที่เกิดนิกายโปรตสตันใหม่ คือพศ2085เป็นต้นมาตอนต้นขุนศึกสมุไรต้อนรับชาวตะวันตกเหล่านี้เต็มที่ทั้งด้านการค้าและส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาคริสต์แต่ต่อมาไม่ทันถึง100รปีก็ขัดใจกันดังที่หนังสือ Encyclopedia Britannica 1น9 7กาหัวข้อโทกูงาวะพิเรียดเขียนไว้ว่า เมื่อเกิดรู้ขึ้นมาว่าการแพ่ขยายอนณาณิคมของสเปนและโปรตุเกสในทวีปเอเชียสำเร็จได้ด้วยอาศัยผลงานของพวกมิชนาีเหล่าโชกุนแห่งยุคโทกูงงวะก็จึงมองพวกมิชนาีว่าเป็นภัยคุกคามต่อ ก, การปกครองของตนการที่พวกขุนศึกซามูไรเกิดรู้ทันขึ้นมาได้นี้ส่วนสำคัญก็เนื่องจากพวกนักล่าอนณาณิคมด้วยกันแต่นับถือศาสนาคริสต์ ต่างนิกายและมีผลประโยชน์ขัดกันตึงอิจฉาริษยากันเองและลอบบอกเจตนาแฝงเรนเช่นนั้นแก่ผู้ปกครองบ้านเมืองของญี่ปุ่นดังที่หนังสือ p i c โ o r i a l Encyclopedia of Japanese Culture 1987เเขียนไว้ว่างานสอนศาสนาคริสต์ถูกสั่งห้ามทั้งหมดเมื่อพวกโปรเตสแตนต์นชาวอังกฤษและชาวฮอลันดาเตือนรัฐบาลญี่ปุ่น ให้รู้ถึงเจตนาที่พวกคาทอลิกชาวสเปนและชาวโปรตุเกสมุ่งหมายอยากได้ดินแดนต่อจากนี้พวกขุนศึกซามูไรได้หันกลับไปเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวตะวันตกได้สั่งห้ามการสอนศาสนาคริสต์และทำการกำจัดกวาดล้างคนที่หันไปถือคริสต์จนในที่สุดก็ขับไล่ฝรั่งออกจากญี่ปุ่นแล้วเริ่มดาเนินการปิดประเทศตั้งแต่คศ .1633 จนปิดได้เรียบร้อยเสร็จสิ้นในปี1639เวลาผ่านไปจนกระทั่งอีก214ปีต่อมาอเมริกาส่งนายพลเพอร์่ีนำเรือรบมาบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศค้าขายกับชาติตะวันตกใหม่โดยทาสนธิสัญญากันเรียกว่า Treaty of Kanagawa ในคศ .1854 เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นปิดประเทศคส .1639 หรือพส .2182 ตรงกับสมเด็จพระนารายมหาราชประสูติได้เจพรรษาส่วนประเทศไทยปิดประเทศไม่ต้อนรับชาวตะวันตกเริ่มแต่ปีที่สมเด็จพระนารายมหาราชสวรรคตคือคส .1688 หรือพส .2231 หลังญี่ปุ่น49ปี ญี่ปุ่นเปิดประเทศใหม่ด้วย r ทชิ o ฟคินากะว่าในคศ1น5 4 อ, อ 54, ก่อนประเทศไทยเปิดประเทศค้าขายกับตะวันตกด้วยบาวลิงทิธีเพียงหนึ่งปีพูดครา่คราวว่าญี่ปุ่นกับไทยเปิดประเทศรับอารยธรรมตะวันตกพร้อมกันในสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การหนีภัยศาสนาจากอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นเครื่องล่อล้อมประเทศที่ชื่อว่าอเมริกาอันกลับไปดูเรื่องการสงครามและห้ามหันบีทาทางศาสนาในประเทศตะวันตกอีกหน่อยเมื่อพูดถึงประเทศฝรั่งเศสที่เป็นคาทอลิกแล้วก็ควรจะพูดถึงประเทศที่ถือนิกายอื่นไว้เป็นตัวอย่างเทียบเคียงกันด้วยขอยกเรื่องประเทศอังกฤษ ขึ้นมาดูโดยย่อและนอกจากเป็นพวกนิกายโปรเตสแตนต์แล้วก็เป็นชาติมหาอำนาจคู่กันกันกบฝรั่งเศสด้วยส่วนเรื่องประเทศเยอรมันก็น่าสนใจมากเพราะเป็นที่เกิดของนิกายโปรเตสแตนต์และได้ประสบภัยพิบัติจากสงครามศาสนามากที่สุดแต่ในตอนที่พูดถึงสงคราม3ามปีได้เล่าเรื่องเกี่ยวข้องไปบ้างแล้วจึงของให้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมเอง การที่นิกายโปรตุเกสตนขึ้นมาในแผ่นดินใหญ่ของยุโรปได้ทำให้องค์สันต์ป่าป่าหรือโป๊ปที่วาติกันเสื่อมอำนาจลงไปประเทศที่อยากจะเป็นอิสระ ก, ก็ได้โอกาสและก็เป็นจังหวะที่เอื้อต่อประเทศอังกฤ ษ, อกฤษพอดีในช่วงเวลานั้นกษัตริย์อังกฤษคือพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งครองราชในคศ1 5ึ่ถึงหหรือพศ2อสอง ถึง2090เทรงมีปัญหากับพระมเหสีที่ไม่มีราชทายาทเพศชายพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะอยากกับพระมเหสีเพื่อมีพระมเหสีใหม่แต่องค์สันตปา ป, ปาไม่ยอมประกาศให้การอภิเศกสมรสเดิมเป็นโมคะขณะนั้นอำนาจของวาติกันกำลังเสรอมลงพระเจ้าเฮนรีที่8ก็เลยออกกฎหมายให้อังกฤษแยกตัวพ้นจากอำนาจของโป๊ป ตั้งศาสนาจักอังกฤษชื่อนิกายอังกฤษคือ church of england ขึ้นมาในคศ .1534 สอ15 34, โดยสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นประมุขของนิกายใหม่นี้เองจากนั้นทรงมีมาเหสีอีกหองค์รวมเป็น6องค์และได้รัชทายาทชายหนึ่งองค์คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6มีราชธิดาสองซึ่งต่อมาก็ได้เป็นกษัตริย์ทั้งสององค์คือแมรี่ที่หนึ่งและอลิซาเบธที่หนึ่ง นิกายอังกฤษของพระเจ้าเฮนรีที่8แรกเริ่มนั้นยังถือเหมือนเป็นคาทอลิกแต่ไม่ขึ้นต่อโปกพร้อมกันนั้นก็เป็นปฏิปักษ์กับโปรเตสแตนต์เมื่อประกาศตัวเป็นอิสระจากวาติกาลแล้วพระเจ้าเฮนรีที่8ก็ยุบเลิกวัดและสันักชีทั้งหมดกับทัางรีบซับสมบัติเป็นของหลวงทั้งสิน้นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6โอรสของพระเจ้าเฮนรีที่8ไม่มีบทบาทอะไร เพราะขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุเพียง10บพรรษาและสวรรคตรเมื่อพระชนมายุเพียง15บห้พรรษาเสรในคศ .1553 จากนี้พระราชธิดาของพระเจ้าเฮนรีที่8ซึ่งประสูติจากพระราชินีองค์แรกที่ถูกพระเจ้าเฮนรีที่8ปดอยากขาดมานั้นได้ขึ้นครองราชเป็นพระนางแมรีที่หนึ่งเราย้อนหลังหน่อยหนึ่งว่าในปลาราชการพระเจ้าเฮนรีที่8 ศาส น, นาจากเรือนิกายอังกฤษได้มีความเป็นโปรตัสแตนมากขึ้นมากขึ้นและพระนางแมลลี่ก็มีเรื่องที่ทําให้ชอบช้ำพระไทยมากใจจริงพระนางเป็นคาทอลิกแต่ยอมแสดงว่าสนะนิกายคาทอลิกและคงความเป็นคาทอลิกไว้เงียบเงียบจนตลอดรัชกาลของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ที่เป็นคณิษฐาาดาต่างพระมารดาแต่พระนางแมลลี่ที่หนึ่งมีพระชนมาายุกแก่กว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6กถึงยีปี เมื่อพระนางแมรี่ที่หนึ่งขึ้นครองราชแล้วเมชาก็ส่งเริ่มงานฟื้นนิกายโรมันคาทอลิกกลับคืนมาโดยกลับยอมรับอำนาจขององค์สันตปาปาหรือโปอบพระนางแมรี่ที่หนึ่งครองราชอยู่เพียงหปีแต่เพียงขึ้นปีที่สถึงปีที่หพระนางได้กำจัดพวกโปรตัสแตนด้วยวิธีเผาทั้งเป็นตายไปประมาณ300คนอีกจานวนมาก นีไปอยู่ในแผ่นดินใหญ่ของยุโรปจึงได้สมยาว่าพระนางแมรี่กระหายเลือดเมื่อพระนางแมรี่ที่หนึ่งสวรรคตในปี1558แล้วพระกนิทภคินีต่างมารดาซึ่งประชนมายุอ่อนกว่าถึง17พรรษาได้ขึ้นครองราชเป็นพระนางเจ้าเอลิซาเบธ ท, ที่หนึ่งและได้เป็นกษัตริย์องค์สำคัญที่ครองราชอยู่นานถึง45ปี สวรรคตคสหหศหรือพศซอสอพระนางเจ้าเอลิซาเบธที่หนึ่งเป็นโปรตสแตนจึงได้ยกเลิกอำนาจของสันตปาปาส่งฟื้นศาสนาจากอังกฤษหรือนิกายอังกฤษขึ้นมาใหม่ทรงเดินสายกลางระหว่างพวกคโทอลิกกับพวกโปรตัสแตนที่ตึงจัดเช่นพวกพิวริตันจึงทรงมีปัญหากับทั้งสองพวกนั้น และในตอนปลายราชการได้ทรงกำจัดพวกคาทอลิกอย่างโหดร้ายมีผู้ถูกประหารชีวิตไปก็มากพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งและพระเจ้าชาลส์ที่หนึ่งซึ่งครองราชต่อจากพระนางเจ้าอลิซาเบธ ท, ที่หนึ่งพยายามให้ราษฎรอยู่ในกรอบของนิกายอังกฤษจึงได้บีบคั้นกดดันเบียดเบียนทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนต์พวกใดก็ตามที่ไม่อยู่ในกรอบของนิกายอังกฤษ พวกโปรตสแตนนั้นเดี๋ยเริ่มหนีออกจากอังกฤษตั้งแต่สมัยพระนางแมรี่ที่หนึ่งที่เป็นคาทอลิกแล้วรันถึงรัชกาลต่อต่อมานี้พวกโปรตสแตนเคร่งครัดที่แตกแยกจากนิกายอังกฤษโดยเฉพาะพวกพิวริตันก็ได้อพยพนี้ออกมาเป็นระลอกระลอกเริ่มแต่พวกพิวริตันที่หนีจากอังกฤษไปฮอลแลนด์ก่อนในคศ .1608 แล้วส่วนหนึ่งก็อพยพต่อไปหาความหวังในโลกใหม่ คือไปอเมริกาที่เรียกว่าพวกพิวริมซึ่งไปถึงในคศ .1620 พระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งและชาลส์ที่1พยายามขับไล่พวกพิวริตันให้หมดไปจากแผ่นดินอังกฤษทำให้พวกนี้อพยพไปอเมริกากันมากโดยเฉพาะช่วงคศ1 6 3 0ถึง16 1640ซึ่งเรียกว่าการอพยพครั้งใหญ่ เทียบกับเมืองไทยอยู่ในช่วงที่สมเด็จพระนารายมหาราชยังทรงพระเยาว์พระชนมายุประมาณ8ดพันษาก่อนจะขึ้นครองราชสภาพของชาวอังกฤษที่หนีภัยสงครามนี้ก็คล้ายกับที่พวกฮิวเกนนอตหนีภัยจากฝรั่งเศสและส่วนหนึ่งก็อพยพไปตั้งถิ่นฐานในอเมริกาต่อมาเกิดสงครามกลางเมืองในอังกฤษ ระหว่างคศส6 4 2ึถึง48พระเจ้าชาวส์ที่หนึ่งถูกสำเร็จโทษพวกพิวริตันมีอำนาจขึ้นมาก็ได้กำราบกดพวกคาทอลิกและการอพยพไปอเมริกาก็หยุดลงชั่วคราวแต่พอถึงคสศ .1660 โอรสของพระเจ้าชาวส์ที่หนึ่งกู้ราชบัลลังก์ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าชาวส์ที่สองก็ได้เฟื้อนนิกายอังกฤษขึ้นมา และกําจัดทุกนิกายที่ไม่ใช่นิกายอังกฤษคนก็หนีภัยไปอเมริกาอีกราชอาณาจักรโปรเตสแตนต์คืออังกฤษนี้จะไม่มีชาวคาทอลิกขึ้นเป็นราชา การห้าหันบีทาเบียดเบียนกันด้วยเรื่องลัทธินิกายศาสนาดำเนินมาในอังกฤษยาวนานจนกระทั่งถึงคศ .1685 พระเจ้าเจมส์ที่สองซึ่งเป็นคาทอลิกขึ้นครองราชแล้วต่อมาทรงประกาศให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ทุกศาสนาทุกนิกายรวมทั้งแก่ชาวคาทอลิกด้วยพระเจ้าเจมส์ที่สองทรงเริ่มทาการต่างๆที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ชาวคทอลิก และพระมเหสีก็ได้ประสูตรโอรสพระองค์หนึ่งจึงทำให้ชาวอังกฤษหวั่นเกรงว่าจะมีกษัตริย์คาทอลิกขึ้นครองราชในแผ่นดินอีกครั้งนั้นพวกนักการเมืองอังกฤษจึงโค่นราชบัลลังเสียโดยติดต่อเชิญชวนให้เจ้าชายวินเลียมพระราชบุตรเคยของพระเจ้าเจมส์ที่สองนั้นซึ่งปกครองดินแดนอยู่ในฮอลันดาและกาลังร่วมรบในสงครามบนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป ให้ยกกองทัพออลันดามาบุกและขึ้นครองแผ่นดินอังกฤษจดชายวินเลียมยกทัพมายังกรุงลอนดอนในคศ1 6 8 8หรือพศ2องซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนารายมหาราชสวรรคตพระเจ้าเจมส์ที่สองทรงหนีไปฝรั่งเศสเป็นอันสิ้นสุดราชวงศ์สจวตและรัฐสภาอังกฤษได้ร่างกฎหมายขึ้นเรียกว่าวิ of อ i ไล คือสิทธิบันหรือบัรนาสารแห่งสิทธิซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ประกาศสิทธิเสรีภาพของราษฎรและกำหนดการสื่อราชสมบัติสิทธิบันหรือ Bill of Rights นี้ปรากฏเหตุเป็นมาว่าพระเจ้าเจมส์ที่สองได้พยายามจะบ่อนทาลายและกำจัดศาสนาโปรเตสแตนต์พร้อมทั้งกฎหมายและเสรีภาพของราชอาณาจักรอังกฤษ จึงต้องโค่นราชบัลลังก์ลงวิวออฟไลท์เรียกประเทศอังกฤษว่าราชอาณาจาักรโปรตัสตันและในด้านการสื่อราชสมบัติได้กำหนดว่าบุคคลที่เป็นโรมันคทอลิกก็ดีแต่งงานกับคนคทอลิกก็ดีจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์อังกฤษไม่ได้อันเป็นบทบัญญัติที่ยังมีผลบังคับใช้จนถึงทุกวันนี้รัฐสภาอังกฤษ เสนอถวายราชบัลลังก์อังกฤษแก่เจ้าชายวินเลี่ยมและพระชายาพร้อมด้วยเงื่อนไขคือสิทธิบัณฉบับนี้เมื่อทั้งสองพระองค์ยอมรับก็จึงได้ขึ้นครองราชร่วมกันเป็นพระเจ้าวินเลี่ยมที่สามและพระนางแมรี่ที่สองในขศอสอ9 bill of rights ฉบับนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศอังกฤษสืบมา และมีผลบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติโดยรัฐสภาประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนธันวาคม1689ระหว่างนี้ในเดือนพฤษภาคม1689รัฐสภาอังกฤษก็ได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยขันติธรรมให้พวกโปร เ, สเตสแตนทั้งหลายทั้งปวงแม้จะไม่ยอมรับหรือแตกออกไปจากนิกายอังกฤษก็มีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ชาวโรมันคาทอลิกไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับประโยชน์จากพรบานี้เหตุการณ์ใหญ่แห่งคศสอห8ถึงครั้งนี้ซึ่งเป็นการโค่นราชบัลลังก์พระเจ้าเจมส์ที่สองและสถาปนาพระเจ้าวินเลี่ยมที่สามกับพระนางแมรี่ที่สองขึ้นแทนโดยยกรัฐสภาขึ้นให้มีอำนาจเหนือพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นการปฏิวัติของประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่ต้องสูญเสียเลือดเนือ้อจึงเรียกว่า Glorious Revolution การปฏิวัติที่งามสง่าหรือการปฏิวัติที่เ พ, พลิดเพลินนับแต่นั้นประเทศอังกฤษก็ถูกปกครองโดยรัฐสภาสืบมาและสถานการศาสนาในราชอาณาจักรโรเทสแตนนี้ก็สงบลงได้พึงสังเกตว่าการปฏิวัติของอังกฤษนี้ ตรงกับปีที่สมเด็จพระนารายมหาราชสวรรคตและพระเพทราชายึดอำนาจขึ้นครองราชขับไล่ฝรั่งเศสออกจากประเทศสยามในปีพศ2231ในรัชกาลพระเจ้าหลุยที่14ครั้งนั้นพระเจ้าหลุยที่14มหาราชผู้มีรัชกาลอันยาวนานที่สุดของประเทศคาทอลิกฝรั่งเศส นอกจากทรงต้อนรับให้ที่พักพิงอย่างดีแก่พระเจ้าเจมส์ที่สองกษัตริย์อังกฤษที่หนีมาหลบภัยแล้วยังทรงอุดหนุนทุนรอนให้พระเจ้าเจมส์ที่สองยกทัพไปรบเพื่อชิงราชบัลลังก์กลับคืนและฟื้นศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกขึ้นในอังกฤษใหม่แต่กองทัพเรือฝรั่งเศสถูกทำลายแตกพ่ายกลับมาครั้นพระเจ้าเจมส์ที่สอง กษัตริย์ไร้บัลลังก์สวรรคตรแล้วพระเจ้าหลุยที่14ก็ได้ทรงประกาศสถาปนาโอรสของพระเจ้าเจมที่สองทั้งที่อยู่ในฝรั่งเศสนั้นให้เป็นพระเจ้าเจมที่สมกษัตริย์แห่งอังกฤษและสกอตแลนด์แล้วกษัตริย์ใหม่นอกบัลลังก์ก็ยกทัพไปตีอังกฤษอีกแต่พ่ายแพ้กลับมาถึงสองครั้งต่อมาโอรสของพระเจ้าเจมที่สาม ราชันั ด, ดาของพระเจ้าเจมส์ที่สองซึ่งมหาราชฝรั่งเศสตั้งนั้นก็ยกทัพไปตีอังกฤษอีกแต่ก็พ่ายแพ้หนีกลับมาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสตามเดิมและราชวงศ์จจวตก็จบสิ้นหมดความหมายแต่นั้นมากับทั้งชาวคาทอลิกก็สิ้นโอกาสที่จะขึ้นครองราชในประเทศอังกฤษโดยเด็ดขาดด้วยเป็นไปตามบรรสารแห่งสิทธิที่กล่าวแล้วนั้น ตะวันตกเข้มแข็งก้าวหน้าเพราะดิ้นรนมาในระบบบีทาแข่งขันมนุษย์ควรสแสวงวิถีทางพัฒนาที่เป็นอารยะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นญาติโยมฟังประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษบางตอนนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็คงจะพอมองเห็นประวัติการนับถือศาสนาของฝรั่งหรือชาวตะวันตกว่าเป็นมาอย่างไรที่จริงนั้น การข่มเหงเบียดเบียนแบ่งแยกขีดกั้นกันในเรื่องความเชื่อและลัทธิศาสนานี้เป็นเนื้อหาของประวัติศาสตร์ชาติตวันตกทั้งหมดมาแต่โบราณกาลไม่ใช่เฉพาะตั้งแต่ยุคที่เทียบกับสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศสีอยุทยาและไม่ใช่แค่ตั้งแต่เกิดนิกายโปรตัเสเตนเท่านั้นแต่เรื่องมากมายยืดยาวจะเล่าทั้งหมดไม่ไหวแน่เมื่อจับจุดได้แล้ว ก็ไปหาอ่านเอาเองได้อาจจะสรุปไว้พอให้เห็นคร่าวๆ ว, ว่าเมื่อศาสนาคริสต์เกิดขึ้นพระเยซูได้ถูกทางการจักรวรรดิโรมันจับประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขนต่อจากนั้นนับแต่คศ6 4หรือพศ6 0 7เป็นต้นมาจักรวรรดิโรมันก็กำจัดกวาดล้างศา ส, สนิกแห่งศาสนาคริสต์ด้วยการเข้นฆ่าประหัดประหารอย่างโหดร้าย เช่นจับไปโยนให้เสือสิงกินในสนามกีฬาโคลิเซียมการห้ามหันบีทาดำเนินมาประมาณ300ปีจนถึงประมาณคศ313สจึงยุติลงหลังจากพระเจ้าคอนสแตนตินที่หนึ่งจกักรพรรดิโรมันได้หันมานับถือศาสนาคริสต์แล้วเมื่อศาสนาคริสต์กลายเป็นศาสนาแห่งรัฐของจกักรวรรดิโรมันแล้วศา ส, สนาจากคริส ก็ร่วมกับฝ่ายอาณาจักรดำเนินการกำจัดกวาดล้างห้ามหันบีทาพวกคนนอกรีดและพวกนอกศาสนาเช่นชาวยิวตลอดจนพวกที่ปรากฏว่าหรือถูกหาว่าเป็นแม่มดหมอผีทั้งหลายเริ่มแต่ประมาณคศส9 1เเป็นต้นมายิ่งกว่านั้นตั้งแต่ประมาณคศ1 2ึสอ 31, เป็นต้นมาศา ส, สนาจากคริส ร่วมด้วยฝ่ายอนณาจักรได้ตั้งศาลไต่สวนศรัทธาขึ้นเพื่อดำเนินการสอบสวนลงโทษให้ได้ผลยิ่งขึ้นผู้ที่พูดจาแสดงอาการหรือความคิดเห็นขัดแย้งสงสัยหรือไม่เป็นไปตามคำภีไบเบิลหรือข้อกำหนดความเชื่อที่วาติกันกำหนดไว้ถูกจับมาพิจารณาบังคับให้ละเลิกความคิดความเชื่อของตนหรือถูกตัดสินโทษเช่นเผาทั้งเป็นเป็นต้น เมื่อศาสนาคริสต์แตกแยกมีนิกายโปรเสตสแตนต์ขึ้นนอกจากนิกายทั้งสองจะทำสงครามรบกำจัดกันแล้วในแต่ละฝ่ายการกำจัดคนนอกรีดเป็นต้นก็ดำเนินต่อมาผู้ที่คิดค้นหาความรู้ในวิทยาการต่างๆและนักวิทยาศ า, ศาสตร์ก็ได้ถูกลงโทษด้วยเช่นเซเวตุสถูกตัดสินเผาทั้งเป็นแต่หนีไปได้จึงเผาหุนแทน ในปี1553บลูโนถูกเผาทั้งเป็นในปี1600การิเลโอยอมสารภาพผิดได้รับการลดหย่อนโทษให้กัก บ, บริเวณอยู่แต่ในบ้านจนตายโดยตัดสินในปี1633ไม่ต้องพูดถึงคนทั่วไปที่ถูกลงโทษมากมายอย่างที่สเปนเพียงช่วงแรกที่เริ่มตั้งศาลใหม่ๆ ก็เผาทั้งเป็นไปสองพันคนหรือในเยอรม น, นีภาคตะวันตกเฉียงใต้ส่วนเดียวถูกประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นด้วยข้อหาเป็นแม่มดไปมากกว่า 3,000 ันคนแม้พวกที่อบพยพหนีภัยจากนิกายฝาฝตรงข้ามมาอยู่ในอเมริกาแล้วก็ยังมากำจัดเบียดเบียนกันในแผ่นดินโลกใหม่อีกแม้กระทั่งมีการตามล่าและสังหารหญิงที่ถูกหาว่าเป็นแม่มด แต่บทเรียนแห่งความเจ็บช้ำในยุโรปทำให้ชาวอเมริกันพยายามวางมาตรการและตั้งกฎกติกาต่างๆที่จะให้มีเสรีภาพทางศาสนาขึ้นดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญอเมริกาเป็นต้นสารไตสวนศรัทธาถูกยกเลิกหมดไปประมาณคศ .1834 ส ร, 18 34, รวมเวลาที่ตั้งดำเนินการอยู่603ปี นอกจากห้ามหันบีทาคนนอกรีดนอกศาสนาและกำจัดกันระหว่างสองนิกายคือคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์แล้วระหว่างคศ1096รถึง1270รวมเวลาเกือบ200ปีประเทศคริสตทั้งหลายในยุโรปซึ่งเวลานั้นยังไม่เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ภายใต้การนำขององค์สันต์ปะปาแห่งวาติกันก็ได้จัดกำลังทัพยกไปทาสงครามกับชาวมุสลิม เพื่อแย่งจริงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์คือเมืองเยรูซาเล็มกลับคืนมาเรียกกันว่าสงครามครูเสดซึ่งในที่สุดเยรูซาเล็มก็กลับเป็นของชาวมุสลิมตามเดิมว่าโดยสรุปแสดงความเป็นมาเรื่องการกำจัดเบียดเบียนกันทางศาสนาในประเทศตะวันตกเป็นช่วงเวลาคร่าวๆและเหตุการณ์สำคัญบางอย่างได้ดังนี้ จักรวรรดิโรมันกำจัดกวาดล้างศาสนาคริสต์ในขส6 4สี่ถึง 3-1-3 สศาสนาจากคริสต์กำจัดกวาดล้างคนนอกรีดนอกศาสนาขศส9 1เก้าถึงสงครามครูเสดกับประเทศมุสลิมขศ1 0 9 6ถึงสอ สันติสวนศัทธาคศ1231ถึง1834การกำจัดกวาดล้างระหว่างนิกายในอังกฤษคศ1554ถึง1689สงครามศาสนาในฝรั่งเศสเพื่อกำจัดพวกฮิวเกโนตคศ1562ถึง1789สงคราม30ปี ระหว่างประเทศคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์คส1618ถึง1648ส่วนเหตุการณ์ในประเทศอื่นๆเช่นเยอรม น, นีและสเปนเป็นต้นจะไม่พูดถึงขอย้ำว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้เพื่อประโยชน์ทางปัญญาคือให้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่ใช่จะให้ขัดเคืองเกลียดชัง คือไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกแต่เป็นเรื่องของความรู้จะได้เข้าใจเขาถูกต้องเมื่อเข้าใจแล้วก็สามารถเห็นใจเขาด้วยแต่ที่สำคัญคือจะได้ปฏิบัติต่อสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องวางตัววางใจวางท่าทีในการปฏิบัติได้พอดีเรื่องเหล่านี้ฝรั่งเองเขาก็พยายามให้คนของเขาเรียนรู้เพื่อเข้าใจภูมิหลังแห่งประเทศชาติของตัว หรือรู้จักตัวเองรู้ที่ไปที่มาและเหตุปัจจัยของความเจริญความเสื่อมแบบแผนวัฒนธรรมสถาบันเป็นต้นของตนจะได้ไม่หลงตัวเองและสามารถจับจุดที่จะก้าวเดินต่อไปได้ถูกต้องและทำไมพวกเราเมื่อไปเกี่ยวข้องกับเขาจึงปิดหูปิดตาตัวเองไม่หาความรู้ให้ก้ใจรู้จักเขาให้ชัดเจน สารสูงสุดของอเมริกาเตือนคนของเขาให้รู้จักรากเงาแห่งชาติของตัวที่เป็นมาเพื่อให้เห็นตัวอย่างการที่ฝรั่งเขาเตือนคนของเขาให้ระลึกรู้ถึงภูมิหลังรากเงาของชาติของเขาเองจะยกมติของสารสูงสุดของสหรัฐอเมริกาที่เล่าเรื่องราวอธิบายปัญหาเก่าทางศาสนาของชนชาติของเขาแก่คนอเมริกัน ดังที่เคยแปลลงไว้ในหนังสือปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหนขอยกมากล่าวซ้ำไว้ที่นี้อีกครั้งหนึ่งและขอแปลเป็นไทยพอรู้กันดังนี้อนุบัญญัติข้อที่หนึ่ง The First Amendment ในรัฐธรรมนูญอเมริกันซึ่งอาศัยอนุบัญญัติข้อ14ให้บังคับใช้แก่บรรดารัฐทั้งหลายกำหนดว่ารัฐ จะมิตรากฎหมายขึ้นเช่าชูสถาบันศาสนาหนึ่งใดหรือห้ามการดำเนินการโดยเซร์รีของศาสนานั้นถ้อยคำในอนุบัญญัติข้อหนึ่งเหล่านี้สะท้อนขึ้นมาในใจของชาวอเมริกันยุคแรกให้เห็นมโนภาพอันเด่นชัดที่แสดงถึงสภาวะการและปฏิบัติการต่างๆที่พวกเขามีความปรารถนายังแรงกล้าที่จะขจัดให้หมดสิ้นไป เพื่อจะรักษาเสรีภาพไว้ให้แก่ตนและคนรุ่นหลังแน่นอนว่าจุดหมายของเขายังไม่ลูล่ลวงโดยสมบูรณ์แต่กระนั้นทั้งที่ชนชาติอเมริกันได้มุ่งหน้าสู่จุดหมายนั้นมาถึงเพียงนี้แล้วข้อความว่ากฎหมายขึ้นเชิดชูสถาบันศาสนาหนึ่งใดก็ดูจะไม่ได้ช่วยให้คนอเมริกันสมัยปัจจุบันระลึกนึกเห็นได้ชัดเจนนะัก ถึงความเลวร้ายความน่าหวาดกลัวและปัญหาต่างๆทางการเมืองที่เป็นเหตุให้ต้องเขียนข้อความนั้นไว้ในสิทธิบัตของเรากฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์นี้จะเป็นกฎหมายที่เชื่อชูสถาบานันศาสนาหรือไม่จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในความหมายของข้อความที่บัญญัติไว้นั้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีเพราะฉะนั้นจึงมีเป็นการไม่เหมาะสม ที่จะมาทบทวนกันดูอีกวาระหนึ่งโดยสังเกตให้เห็นภูมิหลังและสภาพแวดล้อมของยุคสมัยที่ข้อความในรัฐธรรมนูญส่วนนั้นได้ถูกสรรแต่งขึ้นและยอมรับให้ถือปฏิบัติกันมาเหล่าชนผู้มาตั้งถิ่นฐานในประเทศนี้ยุคแรกๆนั้นจำนวนมากทีเดียวมาประเทศนี้จากยุโรปเพื่อหลบหนีจากข้อกาหนดของกฎหมาย ที่บังคับเขาให้อุปถัมภ์บำรุงและเข้าร่วมกิจกรรมของนิกายศาสนาที่รัฐบาลอุปถรัรมภ์บำรุงหลายศตวรรษก่อนหน้านั้นรวมทั้งในยุคสมัยเดียวกับที่อเมริกาเป็นอาณานิคมเต็มไปด้วยความปันป่วนการวิวาดขัดแย้งวุ่นวายของประชาชนและการห้ำหันบีทากันซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากนิกายที่รัฐยกขึ้นสถาปนาซึ่งมีความมุ่งมั่น ที่จะรักษาความยิ่งใหญ่ทางศาสนาและการเมืองของตนไว้ให้เด็ดขาดด้วยอำนาจของรัฐบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนนิกายศาสนานั้นๆในต่างกาละต่างเทศะพวกคาทอลิกก็ห้ามหันบีทาพวกโปรเตสแตนต์พวกโปรเตสแตนต์ก็ห้ามหันบีทาพวกคาทอลิกพวกโปรเตสแตนต์นิกายโน้นก็ห้ามหันโปรเตสแตนต์ที่ต่างนิกายอื่นๆ พวกคาทอลิกสายความเชื่อหนึ่งก็ห้ามหันบีทาพวกคาทอลิกอีกสายความเชื่อหนึ่งและทุกนิกายเหล่านี้ทั้งโปรเตสแตนต์ทั้งคาทอลิกก็ได้ห้ามหันบีทาพวกอยู่เป็นครา ว, ราวด้วยความพยายามที่จะบังคับให้จงรักภักดีต่อ น, นิกายศาสนาที่ได้ขึ้นมาเป็นนิกายที่สูงสุดและเข้าพวกกับรัฐบาลในยุคสมัยนั้นๆชายหญิงทั้งหลายได้ถูกปรับสินไหมได้ถูกจำํำคุก ได้ถูกทรมานอย่างโหดร้ายและถูกสังหารในบรรดาความผิดทั้งหลายที่คนเหล่านี้ถูกลงโทษก็เช่นการพูดโดยไม่เคารพต่อความคิดเห็นของอาจารย์สอนศาสนาในนิกายที่รัฐบาลอุ้มชูการไม่ไปร่วมกิจกรรมของนิกายเหล่านั้นการแสดงความไม่เชื่อในคาสอนของอาจารย์สอนศาสนาเหล่านั้นและการที่ไม่ได้ยอมเสียภาษีรัฐและภาษีศาสนา เพื่ออุปถรัรมป์บำรุงนิกายศาสนานั้นปฏิบัติการเหล่านี้ที่มีในโลกเก่าคือยุโรปได้ถูกนำมาปลูกฝังลงแล้วเริ่มจะแพร่ขยายไปในพื้นแผ่นดินอเมริกาใหม่กฎบัตรกฎหมายทั้งหลายที่มหากษัตร์ของอังกฤษได้พระราชทานบารมราชาอนุญาตแก่บุคคลและบริษัททั้งหลายซึ่งได้กาหนดให้เอ ก, กชนและบริษัทเหล่านั้นตรากฎหมายขึ้นมาบังคับ ควบคุมชะตา ก, กรรมของชาวอนาธิคมก็ได้ให้อำนาจแก่เอกชนและบริษัทเหล่านี้ที่จะสร้างศาสนสถานซึ่งทุกคนไม่ว่าจะเชื่อถือหรือไม่จะต้องอุปถรัรมบำรุงและร่วมกิจกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจนี้พ่วงมาด้วยการนำเอาวิธีปฏิบัติต่างๆและการห้ามหันบีทาของโลกเก่าคือยุโรปมากมายหลายอย่างมาใช้ซ้ำอีก พวกคาทอลิกพบว่าตัวเองถูกตามล่าและถูกประนามยามเหยียดเพราะเหตุแห่งความเชื่อของตนพวกแควเกอร์สผู้ดำเนินตามจิตสำนึกของตนก็ต้องเข้าคุกไปพวกแบปติสก็เสี่ยงอันตรายเป็นพิเศษจากพวกโปรเตสแตนต์บางนิกายที่เป็นใหญ่ชายหญิงที่นับถือศาสนาต่างๆซึ่งบังเอิญเป็นชนส่วนน้อยในบางถิน่นบางที่ ก็ถูกห้าหันบีทาเพราะเหตุที่ยืนหยัดในการบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามแนวทางที่จิตสำนึกของตนกำหนดนำผู้ที่มีความคิดเห็นผิดแผกแตกแยกออกไปเหล่านี้ถูกบังคับให้ต้องเสียภาษีศาสนาและภาษีบ้านเมืองเพื่อเอามาอุปถรัรมบำรุงนิกายศาสนาที่รัฐอุ้มชูซึ่งมีศาสนาจารย์ไปทเที่ยวเทศนาคาสอนอันแสบร้อน ที่มุ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้แก่นิกายของตนด้วยการก่อให้เกิดความชิงชังอย่างร้อนแรงแก่ผู้ที่คิดผิดแพลกออกไปปฏิบัติการเหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งสามัญดาษ ด, ดื่นถึงขั้นที่สร้างความหวาดผวาแก่ชาวอนาธิคมผู้รักเสรีภาพจนเกิดเป็นความรู้สึกขยาดขยงการเรียกเก็บภาษีเพื่อเอามาจ่ายเป็นเงินเดือน ของอาจารย์สอนศาสนาและมาก่อสร้างดูแลรักษาโบสถ์พร้อมทั้งทรัพย์สินของโบสถ์เหล่านี้ก็ให้เกิดความคุณนข้องมองใจแก่ชาวอนาธิคมเหล่านั้นความรู้สึกเหล่านี้แหละที่แสดงออกมาเป็นข้อความในอนุบัญญัติข้อที่หนึ่งนี่คือข้อความตอนหนึ่งจากมติของศาลสูงสุด คดีอุบัติเเป็นโจทฟ้องคณะกรรมการการศึกษาคส .1947 นี่คือประวัติศาสตร์ความเป็นมาทางศาสนาอันขมขื่นของสังคมอเมริกันที่เขาเตือนคนของเขาเองให้ระลึกทวนความทรงจํกากันไว้ไมิให้ลืมจะได้รู้จักตัวเองและเข้าใจเหตุผลของสิ่งที่มีในสังคมของตนคนไทยก็ควรรู้เข้าใจภูมิหลังของเขานี้ แต่ไม่ใช่เพื่อเรียนแบบเอามาหากเพื่อรู้เหตุผลของเขาที่ต่างจากของเราทั้งเพื่อรู้จักเขาและเข้าใจตัวเราเองและจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมประเทศชาติตลอดจนเพื่อสันติสุขของโลกอย่างแท้จริงหมายเหตุ เรื่องปัญหาศาสนากับรัฐและสันติสุขของประชาชนในประวัติศาสตร์โลกได้เขียนสรุปไว้ในขอบเขตที่กว้างกว่านี้ในหนังสือมองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอริยธรรมโลกาภิวัตจบเสียงอ่านหนังสือภัยแห่งพระพุทธศาสนา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 สวินอารัตเทียนงามชัยเชษสุขุมการชนะพจนนาสำนักโนดรัตนนพุ่มพวงครอบครัวสิริวัตรครอบครัวนิติสรวุฒปัญญาโกจันนาตยาสีโพกนญนัททองบุญนภพาพรปัญญารัตนคุณากรพดเคลือบบุญมายุรีและวรวิทย์อริยพินโยครอบครัวสินสมบัติอังคณามนทาทิกุลนภัชชาทวินกมลพัดศิตาสีบุญชูและอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม